ดเนพรท่านสาธุชนพุทธบิรัทผู้ใฝ่ธรรมทุกท่านวันนี้เราก็มาพบกันอีกครั้งเพื่อมาสนทนาทำถามตอบคำถามเกี่ยวกับการปฏิบัติทานศีลภาวนาท่านที่มีความสนใจอยากจะร่วมสนทนาก็เชิญเข้ามาได้วันนี้เราก็เริ่มต้นที่เอกชายนักคุณนักคุณสวนไว้สซนปีใหม่ ครับนี่ก็คือยาที่พระอาจารย์ใหมาครับเน อ, อเป็นอะไรใช่เหรออาจารย์ให้ยาไปด้วยเนอเขาก่อนนู้นนะคะตั้งแต่เดือนสิงหาแล้วมั้ะโดนยุงกัดคะ่ะเลยเอามาทาให้คะ่ะอ๋อนวัสการคะ่ะปีใหม่คะ่ะพระอาจารย์สมุนมาแลด้วยเลยคะ่ะทุบละค้าวัดละค้างเหมอ ไปไม า, างวันนี้ผ่านได้ฟุ้กับแม <ละ S 1> ่พระพช้นอะไ ว, วัรวะแก้วค่ะวัแก้ววัสเกวัเด่นค่ะวัดวัดอะไรวัก้ค่ะวะัดพร ะ, ะ, ะก้ครับโอเ ค, ไ, เคไปหลายวัดเลยวันนี้ไปห้าวัดแล้วก็สาลักเมืองค่ะไวะัดแล้วก็ไปศาลรกเมืองครับพ่อจันอ่าดีครับได้ได้ผ่อนเยอะๆนะอ่ ขอห้หนูมีความสุขนะขอให้หนูไม่ดื้อไม่สนนะเป็นเด็กดีคุณแครับสาธุครับเขาเขาไปขอพรเองค่ะวันนี้ขอให้หนูไม่ดื้อนะคะ <laughs> ให้เอาตัวดื้อทิ้งไว้ที่วัดนี้นะครับเอา่าได้มากทิ้งไปเลยนะตัวดือ้อใช่ไมครับใครับใช่ครับอ๋อแล้วไปยืนขอขอให้หนูรู้หนทางไปนิพพานนะครับคนแถวนั้นก็ยืนหัวเรอค่ะ เองเนี่ยเด็กฉลาดนะโน่นิันนี้านนี่ไปไปละไปทุกวันก็ไปยืนขอเพราะว่าขอข อ, ขอให้หนูรู้ทางไปทิ่พานนะครับแล้วคนก็คอยยืนขำน้งคุณนะคะอืมเดี๋ยวเดี๋ยวก็รู้ทางเองเดี๋ยวก็มาบวชกับลวงตาเนี่ย ไ, ไปไปมะไปบวชครับโอเคครับทีวีได้ไหมอ่าหนูหนจะแฮปปี Year, าา้นิวเอียร์ค่ะแฮปปี้นิวเอียร์ครับพระอาจารย์อ่าาุอ๋อหนูเป็นเด็กดีไม่ดื้อไม่สนนะ สาธุโอเคครับนวมัสการพระอาจารย์โอเคค่ะสาธุจ้ะค่ะขอให้พระอาจารย์ท่านแข็งแรงนะคะสาธุสาธุสาธุค่ะอือจะแม้จะที่กราบนวมัสการพระอาจารย์ครับอ่ามีอะไรบ้างครวันนี้จะมาส่งกันบ้านครับแปลว่ามา เรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่มพ้นความแก่ไปไม่ได้เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่องพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้เรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่องพ้นความตายไปไม่ได้เราจะละเว้นเป็นต่างๆคือว่าเราจะต้องพลัดพรากจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงต้องเป็นของของตนมีการเป็นผู้ให้ผลมีการเป็นแดงเกิดมีการเป็นผู้ติดตาม มีกรรมเป็นที่เพิ่งอาศัยเราทำกรรมมันไา้ไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นๆ้ำเสียไปเราทั้งหลายควรพิจรารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเถอทํำไมนะอย่าิืมนะนี่คื อ, ข, อ, อข้อสอบของเราความแก่ความเจ็บความตายความพัดทาขากันเราจะเสียใจเราจะทุกข์ไห ม, ไมเวลาเจอมัน หรือเราจะยิ้มสบายไม่เดือดร้อนอก็ต้องมองร่างกายว่าไม่ใช่ตัวเรารร่างกายของทุกคนก็ไม่มีตัวตนเป็นเพียงแต่ดินน้ำลมไฟผู้ที่ใช้ร่างกายนี้ไม่มีไม่มีวันตายอไม่ได้ตายไปกับร่างกายเขาก็ไปหาร่างกายอันใหม่เหมือนคนขับรถพ่ารถเก่า อังเขาก็ไปหารถใหม่มาขับใหม่ครับต่างกายก็เป็นเหมือนรถยนต์นะให้มีสาระไม่มีแก่นสารไม่มีอะไรที่เป็นตัวเป็นต้นไปเย็ดตัวเราของเรานะครับอะ ม, มีอะไรอีกไมฮะร่างกายเรา ม, มีอะไรบ้างมีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็น กระดูเยื่อในกระดูมามหัวใจตับผงผืชไตปอดไซส้หใหญ่ไซส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าเยื่ในสมองสีสัน้ำดีน้ำเสเลดน้ำเลือด น, น, น้ำเหลืองน้ำเสเลด น้ำเหลืองก่อนแล้วน้ำเลือดน้ำเสลืองน้ำเลือดเดี๋ยวน้ำเลือดน้ำเหืองเดี๋ยวให้น้ำจันทร์ให้จิติกเอาใหม่เลยไหเอาใหม่เลยครับเลือดน้ำมันข้นน้ำปลาน้ำเด็กครับลายน้ำมูดน้ำใส่ข้อน้ำมูดน้ำมูดน้ำใส่ข้อ น้ำมูกน้ำลายน้ำมันเหลวน้ำตาน้ำมันค้นน้ำเหนืยน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำสร็จน้ำดีเยื่ในสมองสีสับอาหารเก่าอาหารใหม่ไส้น้อยไส้ใหญ่ปอดไตผังผืดตับหัวใจม้ามเยื่อในกระดูกกระดูกเอนเนื้อ หนั ง, นงฟันเล็บขนผมอ่าจำไว้นะในร่ า, าการนี้ไม่มีตัวเรานะมีไหม อ, อ่โอเคอย่าไปเถอว่าเป็นตัวเราของเรานะมันไม่ใช่ถ้าเราไม่เถอว่าเป็นตัวเราของเราเราก็จะไม่ทุกข์อา่าเข้าใจนะ ถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็อย่าไปถือว่าเป็นตัวเราของเราเป็นเดนน้ำหนุนไครับ่งสมาธิอยู่หรือเปล่าก็ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้นั่งครับก็ดีสมัสมโยเยไม่ได้นั่งเลยครับกิเลสครอบงาครับเออยอมแพ้เลยครับไม่ใช่ของง่ายนะที่จะนั่งสมาธิทุกเกินนี่ครับ ถ้งพยายามทำให้ได้สิลูกศิษย์กศิษพระพุทธเจ้าต้องต้องเก่ตงต้องพยายามถ้าขี้เกียจไม่เถอะเป็นนูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าครับโอเคไม่มีอะไรแล้วใช่ไหมเห็นไปที่ตะวันต่อตะวั น, รร น, นครับราตรีสวสดิ์ครับรสตรีสวัสด์ครับ อีออะไรไหมอ้นนี้ก็เรียนอะไรคบไม่มีคําถามเลยนะโอเคแล้วคุณแม่มีอะไรป่าคุณแม่ไม่มีคําถามเจ้าค่ะพระอาจารย์จริงแต่ว่าอ่ามันมีเรื่องเกิดขึ้นทีนี้โยมถามเจ้าตะ ว, วันแล้วว่าจะเล่าให้พระอาจารย์ฟังไหมเขาบอกว่าเดี๋ยวให้แม่เล่าให้กันแล้วกันค่ะเรื่องเลือกกําเดาวก็เมื่อวานนะคะพระอาจารย์เขาเลือกกําเดาวไหลเยอะมาก เยอะมากเยอะจนต้องต้องโทรไปที่โรงพยาบาลว่าจะเอายังไงต่อจะต้องพาไปที่โรงพยาบาลไหมทีนี้ก็ก็ปื้เหมือนกันว่าเขาก็มีสตินะคะพระอาจารย์เขากเา็เขาไม่กลัวแล้วเขาก็ไม่ตกใจเขากา็กลัวไหมเมื่อวาน อือนิดหนึ่งอ๋อนิดหนึ่งโกนนิดนึงสรุปโกนนิดหนึง่งแต่เขาก็ไม่ไม่ไม่ตกใจไม่ไว้วายนะคะพระจารย์สรุปก็ผ่านไปได้ดูดีค่ะคือพระจารย์คือเลือดมันเยอะมากคือไหลออกมาลงอ่างล้างหน้าอย่างเงี้ยพระจารย์เยอะเยอะอยู<ๆ>่อืมแล้วเล่าให้พระจารย์ไม่หนุกคิดอะไรตอนนั้นนะลูกเออผูเอ่อพ่อของผมก็พูดว่าผู่จ้องพูดโทรเพื่อปก็พูดโทรทำอต้องทําใจเฉยๆนะ อย่าไปเป็นเต้นตกใจไม่ได้ไม่เกิดประโยชน์อะไรอดูแลได้รักษาได้นะแต่อย่าไปตื่นเต้นตกใจทําใจให้เย็นเย็นสบายสบายธรรมดาถ้าเบื้องต้นที่เขาให้นอนก่อนไม่ใช่หรนอ น, อ ใ, ห น, อนให้แมนให้เรื่องมนะัออนไหลลงมาเขาที่เขาแนะนํานะคะโยมก็ไม่ทราบเหมือนเพราะาต้นเด็กๆก็แบบ รักษาไปตามภาษาอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์แต่ทีนี้ว่าที่โรงพยาบาลอะ่ะโทรไปเขาเรียกว่าอะไรนะ <c oughs> เขาเรียกว่าอ่าอ่าก็ไม่เชิงฉุบเฉินนะคะพยาบาลเขาก็เจ้าหน้าที่เขาก็เขาก็คนน้นในข้อมูลคอมพิวเตอร์เขาบอกว่าให้เอามือบีบจมูกไอ้ตรงเขาเรียกว่ากระดูกอ่อนนะคะพระอาจารย์คือกดเอาไว้สิบนาทีอย่างเงี้ยค่ะอืมกดเอาไว้สิบนาทีแล้วก็แล้วก็พักถ้าไม่หายก็กดอีกรอบนึงถ้าสองครั้งแล้วไม่หายก็ต้องไปโรงพยาบาลอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์ แต่นอนนี่ไม่ทราบเหมือนเขาไม่ได้พูดเขาบอกว่าให้นั่งแล้วก็เอาหน้าเนี่ยก้มลงอย่างนี้ยค่ะพระอาจารย์ก้เงเขี้ยวเขี้ยวตรงไงหนนะ้าขึ้นจะได้ไม่ไหลเอาโยมก็ตอนแรกอะโยมก็ทำให้กบบา็าทำแบบนั้นแต่ว่าถ้าทําแบบนั้นคือเหมือนมันจะลงคอมันจะสําลักได้เจ้าค่ะพระอาจารย์ อ, อือันนี้ที่แพทย์เขาบอกมานะคะ อ, อืแล้วหายไม่ตามที่ทำตามตามที่เขาหายค่ะพระอาจารย์ตอนแรกก็ ไ, <ง>ไม่ใช่ค่ะบีบตรงไหนตรงตรงจมูกอย่างเนี้ยค่ะพระอาจารย์ตรงๆรงเขาเรียกว่า บีบตรงตร ง, ตรงปลายจมูกก็คือบีบให้กดให้กดตรงตรงเขาเรียกว่ากระดูกอ่อนนะคะพระาอาจารย์ให้มันสัมผัสกระดูกอ่อนแล้วบีบอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็หายใจทั้งปากเอาสิบนาทีหายใช่ไหมคะพระอาจารย์ก็บีบทั้งทั้งเราเราหายใจแล้วเข้าออกไม่ได้ใช<ด>่ค่ะใ<อ>ห<า>้อขาไม่ได้เลยหายใจไม่รู้หายใจไม่ได้เลยูก็ได้ที่ปากที่ปากอย่างหายใจเอาทั้งปากคงเดียว อืมอ่าแล้วเขาบอกว่าให้สั่งต้องสั่งต้องต้องก่อนที่จะบีบไปต้องสั่งออกก่อนเพราะว่ามันจะมีก้อนเลือดที่มันค้ายอยู่เขาบอกว่าต้องสั่งออกมาก่อนให้หมดให้ให้สั่งให้ออกสั่งหนามุกให้มันออกก่อนอย่างเงี้ยค่ะก็หายค่ะอืพิุณทราบเหมือนกันว่าว่ามันเป็นวิธีนี้ค่ะแล้วเขาบอกหรือเปล่าสาเหตุเป็นเพราะอะไรยึงมีน้ำเลือดเลือดออกมาอือคือ เมื่อตอนช่วงกลางวันที่เกิดขึ้นเนี่ยเจ้าตวานนะเอามือไปแย่จมูกเจ้าข้าพระอาจานแล้วทีนี้ตอนกลางวันนะมันจะหายของมันเองไม่ได้บีเพราะว่าตอนแรกก็ไม่รู้วิธีสิบห้านาทีมันก็มันก็หยุดทีนี้ช่วงเย็นอนะ่ะเหมือนเขาจามค่ะพระอาจามปุ๊ดก็เลยเป็นอีกรอบหนึ่งทีนี้เป็นนานเลยก็เลยโทรไปที่โรงพยาบาลแต่ก็หยุดในที่สุดค่ะไ่เป็นบ่อยไหม ไม่บ่อยนะคะพระาอาจารย์ไม่บ่อยไม่บ่อยนะะทั้นที่แล้วก็เป็นแต่ว่ามันไม่เป็นมากขนาดแบบไหลเป็นโจ๊กเลยค่ะพระอาจารย์หลายแบบออืถ่ายรูปเอาไว้นี่คือแบบเยอะเยอะมากเลยอตอนแรกก็ทิว่าจะเป็นลมซะแล้วค่ะพระอาจารย์แต่ก็ก็ไม่เป็นก็โอเคปรดีก็ใจก็ <c oughs> <c oughs> ต้องรักษาด้วยเอใจไม่ต้องอย่าไปตื่นเต้นตกใจเพราะจะขึ้นมามันจือนน้ําชู ก็เป็นหนึ่งในอาการ32น้ำเลือดมีท่นี้เหรอนี้เวลาเวลาฉี่มันก็เยอะออกเยอะเหมือนกับเหมือนกับเลือดกำดาวอย่างเงี้ยค่ะรอาจารย์ก็โอเคนะคะมันก็เป็นน้ำเหมือนกันใช่มครับพีแต่ว่าคนละสีก็เป็นธาตุน้ำไง น้ำแรงน้ำเหลืองน้ำดีน้ำใส่นี่ครับถือว่าอยู่ในกลุ่มของธาตุน้ำแต่บางคนเขากลัวมากเลคะเลือดเพราะว่าโยมเคยคุยกับเพื่อนคนนึงเนี่ยเขาถูกมีดบาดเนี่ยเขาออืเขาหน้า ม, มืดเลยค่ะพอเขาลงไปนอนป่วยแล้วก็โทรเรียกรถพยาบาลให้มารับอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์บางคนเขากลัวมากเลยก็แล้วแต่แต่ละคนจะมีปฏิกิริยาไม่เหมือนกัน ก็บุนนั้นเปิดหนังสือของหลวงตาค่ะพระอาจารย์เรื่องอสุภะให้เขาดูก็พอดูได้มากขึ้นมาหน่อยเจ้ค่ะใช่ไหมหนูดูวันนั้นดูดูได้อยู่ได้อยู่แต่วีดีโอยังไม่ได้จังหวะก็ได้ได้ไหมดูดูได้แล้วหรอเปิดคลิปเพราะว่าถ้าถ้าดูอย่างเนี้บ่อยๆมันก็มองว่าเป็นเรื่องธรรมดาใช่ไหมคะพอแต่งซีนเห็นเลือดหรืออะไรอย่างเนี้ยค่ะมันก็มองเป็นเรื่องธรรมดา เจ้าปหมายก็ให้ถือว่ามันไม่สวยงา ม, มเวลาเราเห็นใครสวยงามเราก็ต้องเล็กึงส่วนที่มีอยู่ที่เรามองไม่เห็นเข้าไปจะได้มาทำให้เห็นว่ามันไม่สวยงามเราจะได้ไม่ไปถงรักเขา <c oughs> อ, อยู่คนเดนะียวดีกว่าอยู่กับเขาแต่ก็ต้องทะเลาะกันบ้างมีอะไรกันบ้าง เวลาจากกันก็เสียใจเวลาเขาไม่อยู่แล้วก็เหงาเองอ้าถ <c oughs> ้าม่เห็นเป็นรสพระพระดาอาจจะไม่อยากจะมีคู่ไม่อยากจะมีภรรยาไม่อยากจะเปมีสามีก็ <c oughs> <c oughs> อาจจะไปบวชได้อันนี้อาจารย์บอกเจาก้าเจ้าตะวันใช่ไหย <laughs> ไม่ทราบจะไม่ได้นะจะไม่ได้โอเคถ้าไม่มีอะไรก็จะได้ไปต่อนะพระอาจารย์นูยมยมมีคําถามว่าสมมุติการปฏิบัติอ่ะสมมติเอ่อถ้าจะปฏิบัติให้มันชึงสู ง, สงขึ้นอย่างเงี้ยมันก็ต้องไม่มีครอบครัวหรือสัาพระอาจารย์หรื อ, ร อ, อยังไงข้อปีของการมีครอบครัวมันจะเป็นอุปสรรคหรือเปล่าเป็นแต่มันไม่ครอบครัวมันก็ต้องไปทํากิจอย่างอื่นด้วยเวลาที่อยากให้การปฏิบาิแบบ ทั้งวันทั้งคืนมันก็ไม่มีทำได้แค่เป็นช่วงๆใช่ไหมช่วงนี้ก็ต้องทำกิจทางของผู้คองเรือนแต่ถ้าไม่บวชนี่มันย่อมไม่มีกิจอย่างอื่นให้ต้องทำเลยสามารถจะดการสติได้ทั้งวันทั้งคืนเลยเนขึ้นทาง ด, วดนะ่วนขึ้นทางด่วนนี่ไม่มีเสียแยกไฟแดงให้เขาคอยจอดนะถ้าอ ย, อยู่ใต้ทาง ด, วด่วนเดี๋ยวก็เจอเสียแยกเดี๋ยวก็เจอ ลดเอ่ลอลดเสียล อ, อะไรขวางทางอะไรไปมันก็ทำให้การเดินทางช้าอาจจะไม่ทันเวลาอืมชีวิตของเรามันอาจจะตายเมื่อไหร่ก็ได้ใช่หมเอาน่เรารีบขึ้นทางด่วนได้เราก็รีบเดินทางให้ถึงจุดหมายปลายทางก่อนที่ชีวิตเราจะหมดลง <c oughs> คือที่โยมถามเพราะเมื่อเช้าโยมเนี่คุยกับพระกับกับคุณมากโกะเพราะว่าโยมเร็วๆนี้โยมฝันนะคะพระอาจารย์ว่าโยมไปพักที่วัดใช่ไหมคะแล้วทีนี้เอ่อโยมก็ได้นอนพักที่กุฏิเป็นกุฏิไม้เป็นพื้นยกสูงอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์ทีนี้โยมก็มีกระเป๋าเป๋ากระเป๋าใหญ่กระเป๋าสำพาละอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> ทีนี้เอ้ทางขึ้นไปบนกุฏิเนี่ยเป็นบันไดใช่ไหมคะพระอาจารย์ไอประมาณช่วงช่วงแรกเนี่ยมันก็มีเป็นราวจับ กับเป็นพื้นเป็นพื้นบันไดขึ้นไปก็พอเอายกกระเป๋าขึ้นไปได้ทีนี้หลังจากนั้นเนี่ยจะขึ้นไปบนกุติอะ่ะเอ่อมันมีแค่ราวจับร า, ราวราวจับมือค่ะพระอาจารย์แต่บันไดมันหายไปทีนี้ในฝ่ายโยกมก็คิดว่าถ้าเอากระเป๋าขึ้นไปด้วยอะ่ะเราก็ขึ้นไปข้างบนไม่ได้อย่างนี้อ่ะพระอาจารย์อันนี้คือโยมฝันแบบนี้วเขาบอว่าเฮ้ยถ้าไปคนเดียวอะ่ะก็คือปีนคือมันก็ลำบากหน่อยมันก็ไปได้ก็คือต้องปีนปีนราวจับไป จะเท่ากระเป๋าขึ้นไปด้วยอ่ะคือเอาไปไม่ได้แน่อย่างนี้ค่ะพระจารย์ น, นี้คือที่โยมคิดแต่มันอาจจะคุ้งซ่านไปนะค่ะพระอาจารย์อืมทำไมล่ะแล้วแล้วมันเกี่ยวอะไรกันนะก็มันโยมคิดว่าถ้าถ้ า, ถ, าถ้าเวลาปฏิบัติอย่างเงี้ยถ้ามีสัมภาระอาจจะเป็นลูกเป็นเป็นครอบครัวหรือเป็นอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างวัตถุอะไรอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์ถ้าปฏิบัติจะปฏิบัติไปให้ถึง พนิพานอะ่ะถ้าไม่ทิ้งตรงเนี้ยแล้วต้องไปคนเดียวอะ่ะมันก็อาจจะเป็นตัวขวางกันก้นมรุนนิพพานอย่างเงี้ยเจ้าขาพระอาจารย์ใช่มันก็เป็ น, นะะเหมือนสมอเรือเวลาเราจะให้เรือออกไปล่องไปได้ก็ต้องถานสมอเรือใช่ไหมถ้าเราผูกสมอเรือไอ้มันก็ไปไม่ได้ทรัพย<ม>์ ส, สมบัติเข้าของเงินทองเราต้องคอยดูแลรักษา คนต่างๆแล้วก็ต้องเกี่ยวข้องเราก็ต้องมีปฏิสันฐานมีอะไรกันความรับผิดชอบต่อกันเวลาจะไปเจริญสตินา่นนสมาธิมันก็ไม่มีมีก็น้อยอก็ ถ, ถ้าอยากจะไปทางนี้จริงๆก็ต้องไปบวชนะดีที่สุดถ้าถามใจตอนนี้ก็ยังเจ้ากัน คาราวาสบางคนผู้หญิงบางคนเขาก็ไม่มีภาระอะไรเขาก็อยู่คนเดียวเขาก็ปฏิบัติที่บ้านเขาไปกันได้แต่ก็ที่ว่ามันสู้ไปปฏิบัติอยู่ที่วัานไม่ได้เพราะถ้าเราไปที่บัานเราก็ไม่ต้องมากัวงวลเดี๋ยวว่าเรื่องเงินเอาที่ต้องเก็บเพื่อไปซื้ออาหารไปทำอะไรตา่างอาศัยกินข้าววัดไปมันไม่มีเรื่องให้หัวงหน้าพวงหนังด้วยค่ะพระอาจารย์ก็มันก็คว่อตัวอยู่มันก็อยู่ไปตามตามมีตามเกิดอยู่แบบ แบบแบบจ๋วเลยมีอะไรให้กินก็กิน mm hmm. แต่เราอยู่แบบเจ้าแล้วก็รับใช้วันไปช่วยทำช่วยล้างถ้วยล้างชามทำอะไรไปเพื่อแรกเป็ี่นกับค่าอาหารกับที่อยู่อาศัยไปเเราจะได้มีสถานที่ปฏิบัติธรรมนั้นเขาไม่ต้องมากังวลว่าเราต้องเก็บเงินไว้เท่าไหร่หาเงินไว้เท่าไหร่ เงินเดินถ้าเกิดมันไม่พอ้ ะ, ะจะทํายังไงอะไรมันมันมุ่นไปหมดถ้านเราอย่างต้องพึ่งเงินเท่าอยู่การทำที่ดีถ้าถ้าจะเอาจริงกัจังจะไปทางนี้จริงจก็ต้องไปอยู่วัดไปบวชชีหรือไปเป็นแล้วแต่ว่าเขาจะให้เราบวชชีหรือว่าให้เรานุ่งขาวผมอ่นุ่งดําผมขาวก็ได้ผมเนี่ทางอีสานให้ถือศีลแปแต่ก็อาจจะต้องมีงานให้ทําบ้างช่วย ให้งานทาว่าทางเกี่ยวกับทางด้านหลวงพัวส่วนใหญ่ผู้เญิงได้ไปอยู่วัดก็มักจะไปช่วยทำด้านหลวงคัวหนงช่ว ย, ยแม่ช<อ>ีอะไรแบบนี้ค่ะแต่ก็พอเสร็จกินตอนนี้มันก็มันก็ว่างทั้งวันแนละ้วทำเฉพาะช่วงเช้าช่วงที่ช่วงฉันช่วงที่กินอาหารวัดป่าส่วนใหญ่ก็กินเมื่อเดียวใช่สิคะ กินเสร็จแล้วก็แล้วแต่จะไปทําอะไรต่อจะไปภาวนาเดินโยกงนั่งสมาธิเนื้แล้วแต่ถ้าจะทําอะไรแต่ถ้าไปวัดปฏิบัติกูบาจารย์เขาคอยจะคอยไล่ให้ไปภาวนาไม่ให้ไปทําอย่างอื่นแต่ถ้ามัวัดที่กูบาจารย์ไม่เข้ง่านา จ, จะไม่ทำอย่าง<ๆ>อื่นได้เจ็บปักถักร้อยทําอะไรต่าง ๆ, ๆอาจจะไปถักไหมพรมถอยวัดถอยพระ ถ้ายัางพาวนาไม่เป็นก็เราหาเ ค, เครื่องอยู่พวกนี้เป็นเครื่องอยู่แล้วพระอาจารย์พระอาจารย์เมื่อเช้าอก็เปิดอ่านดูเห็นข่าวว่าเด็กที่เขาเล่นปุ๊กเมื่อคืนนี้ก็มีทั้งบาดเจ็บแล้วก็มีที่เสียงชีวิตด้วยจ้าพระอาจารย์ก็เล่นกับไฟเมื่ออย่างนี้เล่นลกลบระเบิดแล้วที่ <laughs> ตะวันจะอยู่บ้านโชคดีค่อพะอาจารย์ไม่ได้ใจอ่อนเขาไปกับเพื่อนเออยู่ไม่เป็นสุขอยู่เฉยไม่เป็นสุขเป็นคนเราหิวแสงอ่ะหิวแสงหิวเสียงเมื่อเวลาได้ยินเสียงพูดดังปั้งปั้งเรเอ้ยมันไปฟังกันทำไมพวกนี้มันหิวถ้าไม่มีเสียงว่ามันเหงาไม่มีอะไรให้มันเตื่นเต้นกระเทิร์นความมันก็เลยต้องไปเนี่ยไปจุดประทัดกันเล่นดอกไม้ไฟกันนะไร ควนะามมาตัญหาเลยความหิวรูปเสียงกินรถพระอ<ภ>าจารย์<ม>แต่เขายอมเสียเ่ยงเกิดจริ ง, รงๆนะคะพระอาจารย์คือหลักหมื่นเลยนะคะบางทีจากฮอลแลนด์เนี่ยเขาจะขี่ขับรถไปซื้อที่ประเทศเยอรมันนะคะเพราะว่าที่นั่นทุกมันจะถูกา่าจะค่ะพระาอาจารย์โหยอมเสี่ยงเงินถึงขนาดนั้นเลยะคะ่ะพระอาจานนี่เป็นเพราะว่าเขาไม่รู้จักวิธีฝึกสมาธิถ้าฝึกสมาธิได้เขาก็ไม่ออกไปไหน ทำข้างในนี่มาแต่เวลาค่าอาหารคืนนี่เขาบูญบ่นกันนะคะพระอาจารย์แต่ตัวเองเสียงเงินหลักหมื่นไปซื้อนี่เขายอมซื้อช้่เป็นเรื่องไร้สาระมันชอบอะไรถ้าเ็าชอบอะไรเขาก็ยินดีจ่ายก็วันนี้ยมมีเพียงเท่านี้จ้ะค่ะพระอาจารย์โอเคค่ะสาธุสวัสดีปีใหม่พระอาจารย์ทัดถ่างแข่เงเล<า>้ค่ะสาธุ คุณหมอพี่เชษตกากับหกลาวนพิธการพระอาจารย์ครับขอความเมตฉาพระอาจารย์ได้อธิบายความสงบ ก, กับความนิ่งครับพระอาจารย์เราก็ไม่ทราบสักนะว่าสงบ ก, กับ น, นิ่งมันต่างกันตรงไหนจิตนิ่งมันก็เราก็เรียกว่าสงบใช่เวลาเราหยุดคิดปรุงแต่งจิตนิ่งสักแต่ว่าเรารูว่า น, นี่ก็เรียกว่า ก็จิตก็สงบไม่ไม่ไม่มีการเคลื่อนไม่ไม่มีการเคลื่อนไหวนั่นจะว่านิ่งกับสงบนี่เป็นอันหนึ่งกันเดียวกันก็ก็คุณจะได้แล้วแต่เราจะให้นิยามให้ความหมายแปลมันว่ามันหมายคาพว่ายังไงแต่มันก็เหมือนกับที่กับน้องเนี่ยพูดง่ายๆความนิ่งกับความสงบอย่าไปให้อย่าไปถือประเด็นสาคัญกับมันเลยเราต้องการให้จิตนิ่งไม่ส์ไม่คิดปรุงแต่งแล้ว ภาษาที่เขาเป็นทางการก็อาจจะเรียกเป็นความสงบเวลาจิตมันนิ่งแล้วเขาเป็นความสงบความนิ่งนี่อาจจะเป็นภาษาแบบไม่เป็นทางการทําจิตให้นิ่งบางทีก็ต้องการทําจิตให้สงบก็คิดว่าเป็นอันเดียวกันก็เวลาสงบก็สงบได้สองวิธีสงบด้วยสติและสงบด้วยปัญญ า, าสงบด้วยสติก็ใช้ ทำบริกา ร, รพุโทโธพุทโธแล้วให้เพ่งดูลมหายใจเข้าออกไม่ให้ใจไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ <c oughs> <c oughs> สามารถหยุดใจให้ไปคิดได้จิตก็นิ่งสเป็นสมาธิขึ้นมานอีกวิธีนึ่งก็ใช้ปัญญาําจัดตัวที่ทําให้จิตมนิ่งก็คือตัณหาความอยากเวลาเกิดความอยากขึ้นมาใจจะ ก, กระวนกระวายกระสรับกระสาย อยู่ไม่เป็นสุขต้องไม่ทำตามความอยากแล้มันถึงจะค่อยๆสงบตัวลงไป <c oughs> การไปทำตามความอยากมันไม่ได้ทำให้ความอยากมันหมดไปดี๋ยวก็มีความอยากใหม่เข้ามาต่ออยู่เรื่อยๆวิธีที่จะทำให้มันความอยากหมดไปก็ต้องหยุดมันอย่าไปทำตา ม, มนัม่นเราต้องใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นว่าสิ่งที่เราอยากมันเป็นทุกข์ทั้งนั้นแหละรูปเสียงกลิก่นรสก็เป็นทุกข์เไม่เที่ยง เนี่ยพวกที่ไปเมื่อกี้ที่เขาพูดถึงเรื่องผู้ไปไปไปเสพเรื่เสียงของผู้ดอกไม้ไฟแล้วก็ตักตัววันไหม้ตัววันเผาขึ้นมาได้เอมันไม่ใช่เป็นสุขอย่างเดียวอมันมีทุกข์ตามมาด้วยถ <c oughs> ้าเห็นทุกอย่างในโลกนี้ที่เราเราอยากได้อยากเสพนี่เป็นทุกข์บางอย่างม่นก็รูปเสียงเกิดขึ้นะในรูปแบบต่างๆ คนก็เป็นรูปเสียงกินรสอย่างหนึ่งที่ท่องเที่ยวก็เป็นรูปเสียงกินรสอย่างหนึ่งอาหารการเครื่องดื่มก็เป็นรูปเสียงกินรสอีกอย่างมีหน้าของพวกนี้ที่เรายินดีที่จะเสพเวลาได้เสพมันก็มีความสุขแต่พอเวลาที่เราไม่ได้เสพมันเราก็จะทรมานรู้สึกทรมานเป็นเหมือนยาเสพติดคนที่ติดยาเสพติดเวลาได้เสพเขาก็มีความสุข แต่พอเวลาใดที่เขาขาดไ ม, ไม่สามารถไปหายาเพื่อเสพได้ตอนนั้นเขาก็จะทุกข์ทรมานใจเพราะว่ามันไม่เที่ยงมันไม่แน่นอนไม่ใช่เราจะเสพด้วยทุกครั้งที่เราต้องการเอาเห็เราทุกอย่างที่เราอยากได้มันเป็นทุกข์อยากอยากเสพอยากสัมผัสเป็นทุกข์ มื่มันมันจะเป็นทุกข์เราก็อย่าไปเสีมันดีกว่าแล้วเวลาเรารู้ว่ายาเสพติดที่ถ้าไปติดแล้วมันเราจะทําให้เราทุกข์เราก็พยายามอย่าไปเสียาเสพติดกันวันนี้ไมติดยาเสพติดเขาก็ไม่มีปัญหาเขาก็ไม่ต้องมาทุกข์กับยาเสพติดนแต่วันที่ติดยาเสพติดก็ต้องทุกข์ต้องคอยหาอยู่เรื่อยๆเวลาไม่มีเสก็ทุกข์อยู่เฉยๆไม่ได้ทนไม่ไหวอือนี่เราใช้มันยาให้เรื่องเป็นทุกข์ มนจะเป็นเป็นสุขสิ่งที่เราอยากได้อยากเสพเช่นนูดนเสียงเกินรสต่างๆแล้วก็ฝืนใจไม่เอาเนี่ยทำใจให้นิ่งสงบให้กลับมาอยู่กับยึดเอาอุเบกขามาสู้กับความอยากนี่เปล่าถ้าเรามีสมาธิเราก็สามารถทําใจใเฉยๆได้พอเฉยๆไปสักพักความอยากมันก็หมดกําลังไปถ้าเราไม่ทําตามความอยากความอยากหายไปปั๊บใจก็เบาเย็นสงบขึ้นไาอีกที อนี่คือวิธีให้ทําจิตใจให้นิ่งสงบวิธีสติก็บแบบชัว่วคราวเวลาอยู่ในสมาธิมันก็นิ่งสงบแต่พอมันถอน อ, อจากสมาธิมาก็หมันก็เริ่มคิดเริม่มีความอยาโกโผล่ขึ้นมาถ้าไม่อยากให้มีความอยาโกโผล่ขึ้นมาหรือผล่ขึ้นมาแล้วต้องกําจัดมันก็ต้องใช้ปัญญาอย่าไปทําตามความอยาก พรสิ่งที่มันอยากมันไม่มันไม่ได้เป็นสุขอย่างเดียวมันเป็นสุขชั่วคราวพอมันหมดมันก็จะกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมานนี้คือใช้ปัญญาสกัดกั้นความอยากพอเราไม่พยายาตามความอยากความอยากมันก็หมดแรงไปมันก็หยุดไปหายไปพอไม่มีความอยากใจเราก็นิ่งเฉยเฉยมันก็เข้าสมาธิโดยที่ไม่ต้องเข้าสมาธิ นี่คือวิธีทําจิตของเราให้ให้มีความสุขในตัวของมันเองต้องใช้สติในเบื้องต้นแล้วก็ใช้ปัญญาในขั้นที่สองเบื้องต้นก็ใช้สติให้มันนิ่งแบบชั่วคราวก่อ น, น, นจากนั้นก็ใช้ปัญญาถ้าเราไปใช้ปัญญาก่อนใช้สตินี่มันมันจะไม่มีกำลังมันรู้ว่าเป็นทุกข์แต่ก็ยังอยากจะ อยากจะเสฟอยูอ่เพราะมันติดวเวลาไม่ได้เสฟ ม, มันจะทรมานมแต่ถ้าเรามีสติมีสมาธิมันไม่ทรมานเวลาเราไม่เสฟแต่ถ้ า, เ, าเวลาที่เราไม่ทำตามความอยากว่เาเาเพราะเราทำใจให้เป็นออเบคาได้เฉยๆได้มันเรียกว่าสมาธิสนับสนุนปัญญา ต้อทำสมาธิก่อนแล้วค่อยไปทําปัญญาต่ออ น, นี่คือเป้าหมายของการปฏิบัติก็เป้าหมายของการบรรลุนิพพานจากความทุกขก็คือเนี่ยทําใจให้สงบมันต้องกสงบด้วยสติไปก่อนมาสงบสติได้แล้วก็ใช้อใช้ปัญญาสอนใจให้รู้ว่าสิ่งที่มันทำให้ใจไม่สงบก็คือความอยากแล้วทาไปทําตามความอยากมันก็ยิ่ง มันก็จะยิ่งอยากไปเรื่อยๆแล้วสิ่งที่เราอยากมันก็ไม่ได้ให้ความสุขเราตลอดเวลาเดี๋ยมันก็เปลี่ยนไปเดี๋ยวมันก็เสื่อมไปหมดไปได้ต้องให้มันเป็นทุกข์ทุกอย่างที่เราอยากมันเป็นทุกข์ถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เราก็อย่าไปอยากไปมีมือนอยู่คนเดียวสบายๆไปมีคู่ทำไมไปมีสามีไปมีภรรยาทไม มีแล้วก็เรามาทุกข์กับสามีทุกข์กับภรรยาเราเห็นว่าทุกอย่างในโลกนี้เป็นทุกข์หมดน้ ย, ยุดชัละเสริญรูปเสียงกินลสนี่คือปัญญาแต่เห็นทุกอย่างเป็นตายนักอันนี้จำทุกข์ขาวนั้นตามันก็จงความอยากมันก็จะหดตัวไง มันก็รู้ว่าถ้าเครื่องดื่มนี้ดื่มไปแล้วจะเป็นโรคมะเร็งนี่มีใครกล้าดื่มไนหะแต่ไม่มีถ้าแต่ถ้าไม่รู้ก็ดื่มกันนยะเพราะไม่มีใครนำไปวิเคราะห์ไปวิจัยว่ามัน <c oughs> จะทำให้คนดื่มเป็นอะไรหรือเปล่าแต่พอมีผลวิจัยออกมาเครื่องดื่มทน่นี้ดื่มไปแล้วต้องทำจะทำให้เกิดเป็นมาเร็งขึ้นมานี่เครื่องดื่มนั้นไม่มีขายขายไม่ออก <c oughs> <c oughs> เนี่ยเราต้ององทุกสิ่งทุกอย่างว่าเป็นเหมือนมะเร็งเมื่อเราไปยุ่งกับมันแล้วมันจะทําให้เราทุกข์ไปเสพ ม, มันแล้วมันจะทําให้เราติดล้วเวลาไม่ได้เสพ ม, มันจะทําให้เราทุกข์นี่คือการใช้ปัญญาขออย่าเข้าใจเลยนะคุณหมอครับเข้าใจมากขึ้นครับอาจารย์ขอบคุณอย่างสูงครับอา้ญญายวิาณปฏิบัติพิจารณาทุกอย่างให้เป็นตายนะักแล้วจะไม่อยากได้เลย น้องนังน่งแบ บ, บจะบอกจบก็จะอาทุกอาแม่น้องพีน้องพีอยู่บ้าน <c oughs> กลับนรันดร์ส ก, การเจ้าคะ่ะน้องพี่อยู่บ้านคุณยายคะ่ะอมืมีอะไรไหมอาจะมาสวัสดีปีใหม่หลวงพ่อคะ่ะแล้วก็ขอให้หลวงพอ่อธาตุกานแข็งแรงเจ้าคะ่ะไม่มีอะไรจุดแล้วหนูก็ ดีใจมากเลยที่เฟิรับออามาฝากหนูน้องเฟิรฝากหนูค่ะค่ะดีใจมากค่ะขอกปันปีใหม่ค่ะเขาส่งมาแล้วเมื่อไหรตัวเข้ามาเองอ๋อพอดีเจอกันเมื่อวันเสาร์ค่ะน้องเขามาครุงเทพพอดีดวก็เลยฝากน้องเขาตักถาหลวงพ่อนะคะอืมเขาบอกอยู่เขบอกอยู่ท่าหลวงพ่อท่าหมวงอท่านอ๋อ ไม่มีอะไรเจ้าค่ะหลวงพอ่อโอเคไปก่อนสุขก่อจเจริญนะแบบรู้เจ้าค่ะอ่าไปที่คุณทิสาต่อ l ออกลับนมัสน้อมกลับนมัสการค่ะพระอาจารย์พระอาจารย์เป็นยังไงบ้างคะเหนื่อยไหมคะก็ไม่เหนื่อยหรอก ก, ก็ไม่ได้ออกแรงอะไรนอกจากเสียงเทนั้นึองถ <c oughs> ้าวันติดกันเลยนะคะ <laughs> ก็เมื่อก่อนตอนยมือนกัาวก็เทศทุกวันอ๋อทุกวันเลยทุกวันเลยเหรอคะค่ะแล้วแล้วเมื่อเช้าคุณใส่บาทเยอะใช่ไหมคะพระอาจารย์ก็เกือบพันห้าเยอะกว่าปีที่แล้วสองันสี่ร้อยแปดสิบเวลาสองชั่วโมงครึ่งใช่ค่ะก็ดูในเฟสจ้ะก็หันานอยู่ค่ะพะอาจารย์แต่พระอาจารย์นั่งรถก็สบาย่วงดีไม่ต้องเดินก็ ถ้าต้องเดินก็คงจะไม่ไหวเป็นลมค่ะค่ะ<อ>รู้สึกปรปับปรึมค่ะพระอาจารย์ค่ะก็ก็ไม่มีอะไรค่ะมากลับสวัสดีปีใหม่พระอาจารย์ค่ะอวันปีใหม่ทุกคนก็อยากจะทําบุญกันนีละคะค่ะ<อ>พระอาจารย์คือเอามีคําถามนิดนึงค่ะพระอาจารย์คือช่วงนี้แบบลูกคิดถึงความตายอ่ะค่ะพระอาจารย์ ก็มันก็นิ่งๆสบายแบบโล่งๆค่ะพระอาจารย์แต่ว่าบางครั้งบางทีแบบบางครั้งบางวันมันก็รู้สึกแบบเศร้าแบบมันก็รู้สึกแบบเหมือนเบื่อเบื่อเศร้าๆขึ้นมาค่ะพระอาจารย์แต่ว่าโดยไม่มีสาเหตุนะคะพระอาจารย์มันเกิดจากแบบเรามไม่มมมมมมมมมีไมมไ่่่่ใงงบบพอออออออเเกกกาาาาืรรรศแ้้้้สควส ห, หั ควาโลภความอยากจะอยู่ก็อยากจะให้ความสุขจัดการมีร่างกายว่าเราไปคิดถึงความตายแล้วมันทาให้มันเหมือนมั น, ม, นมันย้อนกัน่ะมันสวนทางกันอเวลาถ้ามันเร้าหมองไม่หยุดคิดถึงมันอย่าไปคิดถึงความตายชั่วคราวฝึกสติไปว่าบริกรรมพุทโธนั่งสมาธิไปก่อนให้จิตเนื่องสมบงเลยนะออกจากความสมองบมาที่นี้ก็จะถ้าจะคิดถึงความตายก็ได้ เป้าหมายของการคิดถึงความตายก็เพื่อมาให้ให้เราไม่ดง๋ง oh. ไม่เบื่อให้เราเตรียมตัวทําใจรับความตายแล้วมันจะทําให้เราไม่ค่อยอยากจะได้อะไรไม่อยากจะเบื่อะไรไม่อยากจะไปไหนเพราะรู้ว่ามันได้อะไรมาแล้วตายไปก็เอาไปไม่ได้เป้าหมายก็คือมันช่วยช่วยระงับความโลภต่างๆได้ได้พอสมควระะอ่ะ แต่ก็ควรจะคิดถึงมันตลอดใช่ไหมคะค่ะอาจารย์ตา ม, มที่พระเจ้าบอกอพระเจ้าถา้เราจะได้ไม่ประมาทเพราะเราไม่คิดถึงมันเดี๋ยวเราลืมตายไปเราก็เชื่อเราจะอยู่ไปเรื่อยๆแล้วเราก็จะไปหลงว่าไปทํานู่นทนํานี่ไปหานู่นหานี่มาอย่างนีค่ะก็รู้สึกว่าถ้าแบบช่วงเช้าคิดถึงมันบ่อยๆ อ, อะคะ่ะก็คือหลังจากที่เรานั่งสมาธิอะคะอ่ะก็ ก็รู้สึกว่าเอเราเฉยๆอะค่ะเรายอมรับมันอะไรค่ะเอาจิตเราเนี่ยเราจากสมาธิมาใหม่ๆเราไม่เอาเบรกอะแต่ช่วงกลาวันมันอาจจะหายไปแล้วก็ได้ค่ะมันเหมือนมันไม่มันไม่อยู่ทั้งวันนะคะพระอาจารย์ใช่เพราะเพราะว่าสมาธิเรายังสั้นเลยเราเข้าไปแป๊บเดียวค่ะมันต้องเราต้องปฏิบัติแบบทั้งวันทั้งคืนเข้าออกอยู่เลยพอจะสมาธิมันก็จะจบก่อน เงินจนครบเสร็จกกลับเข้าไปใหม่ทั้งมันทั้งคนอย่างนี้มันจะทำให้ใจมีความสังวอย่างต่อเนื่องค่ะพรัอาจารย์ก็จะพยายามค่ะพรัอาจารย์น้อมนําปฏิบัติค่ะพระอาจารย์องานปฏิบัติแบบนี้ได้ต้องเป็นทั้งบวชต้องเป็นพระไม่มีพระละกินอย่างเงยค่ะพระอาจารย์มันมันก็ยากค่ะพระอาจารย์ยอมรับเลยค่ะอาจารย์ก็คง ไปใชจะทําไม่ดีที่สุดค่ะพระอาจารย์อ้ายัง <ทอ S 1> ไม่เลยอย่า ท, อ ท, ท้ออะไรกันทำเท่าที่เราทําได้ก็ <c oughs> ถ้าถ้าแบบว่าชาตินี้ยังไม่ได้ก็อยากให้มันฝังอยู่ในจิตใจของเราะคะ่ะพระอาจารย์อก็พยายามทำไปเรื่อยๆแล้วมันจะติดเป็นนิสัยไปค่ะพระอาจารย์ก็ปีใหม่นี้ขอให้พระอาจารย์ทัดขันแข็งแรงนะคะอยู่กับ อ, อยู่กับ สิบเป็นนานๆค่ะพระอาจารย์ใ่าวตจริค่ะทุกขันจะได้รับใช้ลูกศิษยไปนานๆโอ้ไม่ใช่ค่ะพระอาจารย์เป็นกำลังใจค่ะไม่ได้รับใช้ค่ะเป็นล้มโพล้มใส่เป็นกำลังใจค่ะพระอาจารย์แล้วแต่จะพูดยังไงพฤติกรรมมันก็บอกอยู่ไม่เอาเขาไม่ใช่รับใช้ค่ะสาธุค่ะพระอาจารย์คุณมอธุรัตนย์เป็นยังไง ไปทำบุญหลยแห่งว่าแบบไปภาวนาที่อีสานมาเจ้าค่ะแล้วก็ขึ้นมาพักที่บ้านได้วันหนึ่งก็ขึ้นไปทำ บ, บุญกับท่านพระอาจารย์เจ้าค่ะไปอยู่ที่อีสานกี่วันนะไปสองวันค่ะไปเยี่ยมคุณแม่หนึ่งวันแล้วก็ไปนอนวัดหนึ่งวันเจ้าค่ะอเป็นวัดปฏิบัติในวัดป่าเลยอ่าเป็นวัดบ้านเจ้าค่ะแต่ว่าสงบเพราะว่า มีพระอยู่แค่สองรูปค่ะรูปหนึ่งเป็นพระป่วยอีกรูปหนึ่งเป็นเจ้าอาวาสเจ้าค่ะแล้วก็ลูกก็ไปภาวนาที่ทีท่ท่านให้ภาวนาเป็นที่ที่สงบไม่มีใครเลยเจ้าค่ะค่ะชวนคุณพ่อไปด้วยได้เดินจงกรมได้นอนอยู่ข้างๆเมนเจ้าค่ะแล้วก็อากาศก็หนาวเย็นมากเจ้าค่ะรู้สึกว่ามันท้าทายแล้วก็มีกำลังใจ Mm hmm. มีพระอาจารย์เป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจเจ้าค่ะทําให้ภาวนาได้ดีเจ้าค่ะอ yeah. ่ีพยายามทําไปเรื่อยพยายามไปหาไปเปวิเวกเรื่อยๆนะมันต่างกันนะอยู่ที่บ้านกับไปที่วัดที่ที่สง บ, บสงสาร น, นี่ต่างกันมากเจ้าค่ะอื mm hmm. มันค่อนข้างเงียบมากเจ้าค่ะแล้วก็ mm hmm. อยู่ไกลคนมากๆเลยเจ้าค่ะอืน mm hmm. ี่ ก็ทำนานเอาออกสมาธิไม่สามารถนั่งทำนั่งนั่ ง, งให้มันสงบได้ทุกครั้งก็เปล่ายังไม่ทุกครั้งเจ้าค่ะแต่นั่งทุกวันเ<ม>จ้าค่ะไม่เคยขาดเลยเจ้าค่ะก็ช่วงไม่ได้นั่งก็ต้องเจริญสติอยู่เรื่อยๆนะเจ้าค่ะท่านผูจางพยายามไม่พอเจ้าค่ะมีคำ<อ>ถามหร<อ>ือเป่า ไม่มีเจ้าค่ะเหมือนรู้มากแล้วเจ้าค่ะขอ่าก็เหลือแต่ความเพียรที่จะปฏิบัติเจ้าค่ะเพียรเจริญสติก่อนนะเจ้าค่ะพระอาจารย์อ่าขอบพระคุณเจ้าค่ะอาจารย์พรหมวิไลกอตมอย่างไงปีใหม่ไปสมท้ายไแก้นที่ไหนอยู่บ้านกันค่ะอยู่บ้านนะอยู่บ้านทุกคนค่ะพร้อมนะกลับสวัสดีปีใหม่พระอาจารย์ อ่าจารย์ชาติแข็งแรงนะคะก็ยังเอาไว้อยู่ยังหายใจได้อยู่ผมว่าเช้านี้ต้องแปดโมครึ่งเลยนะคะคปดโมงสี่สิบห้าแปดโมงสี่สิบห้าโอ้ที่ที่สาลาก็คนเยอะนะฮะเกิดตักบาเสร็จแล้วยังต้องยืนถ่ายรูปอีกคนที่เข้ามาขอถ่ายันนี้ก็มาขอถ่าย คนมรนก็อยากได้วันวันที่หนึ่งนะมันยังอยู่ตั้งสามร้อยหกสิบห้าวันอี่กอยากจะได้มีกําลังใจไปทั้งปีนะค่ะคนทุกคนกขาก็แฮปปี้นะดูหน้าตาก็ยิ้มแย้มสจ่มใสบางคนก็บอกาอยากจะยืนยืนใกล้ๆอาจารย์ยืนๆแล้วรู้สึกว่ามีกําลังใจใช่มาพบกันในนี้ก็ยังมีกําลังใจเลยค่ะอืค่ะบอกว่าดีจังเลยเป็นวันที่หนึ่งมกรา ปีใหม่พอดีเราก็ได้สนทนาธรรมอะค่ะรู้สึกว่าเออเพิ่มกำลังคนเป็นมงคลนะเพินมกำลัต้นที่ดีได้ฟังธรรมในวันวันเริ่มต้นของปีใช่ค่ะแล้วพอหลวงพระอาจารย์ก็ก็จุดยอดนะคะค่ะวันนี้ก็มีโพสต์กมาแล้วด้วยค่ะสำหรับปีใหม่แค่แค่ได้พอในนั้นเราวนำออกไปใช้นะคะให้เป็นประโยชน์เนี่ยสั้นๆอย่างนั้นแหละ ถ้จะ ต, ต้องทำให้ได้จริงๆระทุกันค่ะโอเคอยู่ท wow wow um, ี่ความเพียนนะความเพียงความพยายามค้นพนจากความทุ่มเทด้วยความเพี่ยนค่ะก็เพียงใช้ในชีวิตประจำวันนะด้วยกันทั้งครอบครัวเหมือนกันหมดโอเคาต้องถักเท้าเ้าพ่มในปีใหม่ในปีใหม่อาจารย์ค่ะ ไปที่คุณหมอภาสนาต่ อ, ต อ, อสอนธรรมสการ์ค่ะพระอาจารย์ก็เดี๋ยวก็ยังปฏิบัติเหมือนเดิมนะคะแล้วเดี๋ยวเดือนนี้ยก็จะไปเยี่ยมอาจารย์อิปน์พาคุณพ่อไปคุณพ่ออยากไปเยี่ยมท่านแล้วก็แล้วก็พอกลับมาก็ไปเจาะเลือดแล้วก็จะไปเชียงใหม่ค่ะไปหาญาที่ครอบตอรีศรคุณพ่ออยากจะไปหาน้องชายก็เลยชวนคุณพ่อไปวัดท่ามหลักคาก็คือมีโอกาสโชคดีเลยเพก็ไปแพ้ห้องสอนนะคะ ก็จะไปแวะที่วัดพื้นอ่านดูเหมือนกับว่ามันก็จะมีที่ปฏิบัติด้วยว่าท่าหลักคําเพราะว่าเคื่อนจะใช้แบบว่านั่งสมาธิแล้วแบบอาจจะน่าจะแบบหลงได้ดีพระอาจารย์เพราะอ่านในหนังสือปฏิปทาค่ะเป็นวัดหลวงปู่มัม่นใช่ไหมคะมีหลวงปู่อะไรเต็มไปหมดเลยแล้วมีพระพุทธเจ้าอืเที่ยมเพลคราวค่ะพร ะ, พาะาพาอาจารย์วัดจะพาคุณพ่อไปด้วยแล้วเดี๋ยวเดือนหน้าเดือนหน้าค่อยห้ไปไปอยู่วัดเจ็ดวันเดือนนี้เพงพอดีคุณพต้องเจาะเลือดก็เลยทาหน้าที่อย่างตัวเองก่อนให้ให้ท่านรู้สึกดี ค่ะแต่เดี๋ยวเจ้นะ้าก็บอกท่านแล้วว่าจะจะไปวัดนะค่ะ <c oughs> ก็ปฏิบัติตอนนี้มาค่นะอาจารย์ก็ทําแบ่งหน้าที่นะดูแลคุณพ่อแล้วก็ดูแลตัวเราคะแต่คุณพ่อรับได้เลยนะเพราะคือพาคุณพ่อไปไหนเนี่ยเราเองก็จะนั่นสมาธิเดนินสงกรมกินอาหารมื้อเดียวเลยนะคุณพ่อว่าเออโอเคแล้วไม่ไม่มีใครขัดขวางแนละ้วอาจารย์ลูก ค, คนรู้บอกเพราะว่าอย่างอย่างเลี้ยงปีใหม่เลยในยญาติญเติก็รู้คือถ้าจะให้ไปก็น่าเฉยเฉยไม่กินแล้วเพราะว่ากินมื้อเดียว ค่ะือทุกคนยอมรับหมดแล้ว<อ>ว่ะอาจารย์ไม่มีใครขัดขวาง ด, ดีแต่คุณคนก็อาจจะค่อยๆตามมานะเพราะอาจารย์ว่าเขายัางติดทางโลกกันอยู่อืมแต่ผ<ย>ม ค, คือก็บอกเขาแล้วว่าเขาเห็เ น, น, นเราไปดีเรามีความสุขเขาก็อยากจะตามมาค่ะพระอาจารย์ก็ทางบ้านก็ต้องขอบคุณพระอาจารย์นะคะเพราะว่ามันทําให้รู้สึกปฏิบัติแล้วมันมีกําลังใจแล้วมันมีแรงอ่ะพระอาจารย์มันรู้สึกดีมีความสุขมันโล่งพระอาจารย์ ก็ปฏิบัติตามใหนะค่ะปฏิบัติตั้งใจเลยค่ะพระอาจารย์ <Okay. S 2> ขอบพคุณ uh, มากเลยค่ะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะค่ะพระอาจารย์คุณซันนี่แบงค์เข้าไปไรนมาบ่าวช่วงส่งท้ายปเีเก่ต้องรับปีใหม่การสวัสดีปีใหม่คะ่ะพระอาจารย์ไม่ได้ไปไหนคะ่ะพระอาจารย์ให้ hey, คุณแม่มาสวัสดีปีใหม่ในโรงเมือนวะสวัสดีปีใหม่คะ่ะพระอาจารย์ อสุขสขภาพแข็งแรงอายุยืนยาวนานนะอยู่ให้เกินร้อยปีอยู่ให้เกินร0อยปี <c oughs> อยู่ให้เกินรอยปีพระอาจารย์เข้าไปที่คนดูพมีโอกาสก็ไปฟังพระอาจารย์ตลอดเลยมาอยู่เลยจะมามาบ่อยอไปบ่อยอเดือนละครก็ไปทุกครั้งออฟังไปนั่งสมาธิไปด้วยใช่ไหม ค่ะบางครั้งก็สมาธิเล่นทอไปด้วยแต่บาง ท, ทีทุกทุกคนที่นั่งฟังนี้มักจะนั่งเฉยๆกันทุกคนไม่ได้คุยกันไม่ได้ทําอะไรกัน <c oughs> ไม่เหมือน <c oughs> ที่อื่นนะที่อื่นบางทีเขาเท่กันเขาก็นั่งคุยกันเขาทําอะไรกันไป <c oughs> โดาไม่ได้นั่งคุยก็ทําสมาธิไปออืพูดโตไปแล้วก็ฟังไปด้วยพูดโตไปด้วยแต่ต้องอต้องต้องนั่งที่ที่มีตู้ให้ก็ได้ยินนะเขาเรียกเลย ลําโพงหูไม่ดีต้องอยู่ใกล้ลําพงหน่อยแต่ต้องอยู่ใกล้ลําโพงหูไม่ดีไม่เคยได้ยินกะคการกบฏโอเคการฝึกสมาธิไปเรื่อยๆนะโยมจะการนอนูโดยมากนั่งปวดเข่าแต่ว่าหลอกนอนนั่นอนสมาธิตลอดนอนสมาธิตื่นนอนมา นอนไม่หลับก็สมาธินึกถึงว่าพ่ออาจารย์ที่ท่านเขาได้พระยเจ้าท่านไม่ค่อยได้หลับได้นอนเลยแล้วเราทำไมต้องนอนเยอะๆด้วยเราก็ทําสมาธิไปก็ทําสมาธิไปแต่ทําไปดําหลับอะ่ะต้องฝ่ายสมาห <c oughs> ลับ พ, พ่อนอนมันก็หลับท่าน <พอ S 1> ตื่นม า, าตื่นมาก็ทําอีกค่ะรู้สึกตัวก็ทําอีกนนั่งแต่ว่านั่งนั่งมันไม่ค่อยได้ก็เลยนอนตะแข่ง นั่งมัก็ได้นั่งแล้วมันปวดเข่านะคะแกแกแกแกแกแกคกแกแก่กแกแกแม่กแก่กแกแกแกแกากแกแกแกแกแกแกแกแกแกแกแกแกแกแกแกนกแอนกนดแกแทากนน้กแกากแก้กมกสกแรแกแกแกแกแกนกแคแกแกแกแกคะแกแกแกแกแกแกแกแกแกแกก กวนัสการค่ะพะาสวัสดีปีใหม่ค่ะไม่มีคําถามค่ะวันนี้เชบแปและสิบเจ็ม่สิบแดเ็ดเดียวใหม่ตั้งใจจะปฏิบัติให้มากขึ้นค่ะโอเคค่ะคุณแอนต่อคุณแอนตอนนี้บินเหนือยป่าวเนืพักผอนน ะ, ะนกล่าวนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะเอเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าจู่ก็บินนะค่ะตอนนี้อยู่ญี่ปุน่นไปไหนไปไกลไหม ไกลามากค่ะพรุ่งนี้14ชั่วโมงเตรียมตัวไปปารีสแล้วค่ะอ่าไม่ไม่แวะที่ไหนเลยนะต้องไ ม, ไม่แวะอะไรค่ะบินอ้อมบินอ้อ ม, อมเพราะว่าที่บอกว่าของฝรั่งของอ่ารัสเซียค่ะมันยังแองบินผ่านก็เลยยาวเลยเดี๋ยวไปดูนุ่งหลงกันนะถ้าบิาานไม่ไกลก็โอเคเลยต้องบินอ้อมโลกเนี่ยค่ะเพราะว่าเขาไม่ให้บินสักทีไม่ให้ผ่านสักทีค่ะ14ชั่วโมงพรุ่งนี้ เดี๋ยววันเลยตอนนี้อยากมาขอพอรหลวงพ่อเป็นศรีมงคลวันวันปีใหม่ก็เลยมานั่งรอข้าวซูมก่อนแล้วค่อยค่อยหนีไปนอนค่ะแล้ววันนี้ก็เทศพรปีใหม่ให้ฟังได้วันนี้ค่ะมีมมพรสองแบบพรทางโลกกับพรทางธรรมะค่ะเข้าไปนั่งฟังเทศเมื่อตอนตอนกลางตอนบ่ายก็ไปนั่งฟังแล้วค่ะแล้วก็มารอมารออ่ากราบเผื่อปฏิปีใหม่หลวงพ่ออีกรอบหนึ่งด้วย มงคลเต็มเลยค่ะวันนี้ได้เต็มได้รับเต็มที่เลยค่ะหนูก็ไม่มีคําถามอะไรค่ะก็ปีนี้ตั้งใจว่าจะจะฝึกสติไปเรื่อยๆค่ะให้ได้มากที่สุดให้บ่อยขึ้นทำให้ม า, ม, มากขึ้นกับปีที่แล้วนะค่ะ<ป> น, <า>นั่นใ<า>จดีขึ้นก็อยู่ที่การปฏิบัติของเราให้มันมากขึ้นค่ะแต่ก็ยอมรับว่าว่าก็ยังมีความขี้เกียจแต่ก็มันเป็ น, เ ป, นเป็นมี ส, สองอย่างคือมีเรื่องม่วงกับเรื่องกินเนี่ยค่ะในที่เป็นปัญหา ตื่นมาก็นอนต้องนอนเยอะบางทีเป็นทำงานแล้วเหนื่อยเะไยงี้ค่ะแล้วก็ก็ต้องกินต้องกินพอกินแล้วก็งงก็เลยปฏิบัติได้น้อยแต่ว่าแต่วันไหนที่หยุดอะค่ะถ้าอย่างอย่างไปฝรั่งเศสหรือว่าบินไปที่มันไกลๆเนี้ยมันได้หยุดสองคืนหนูก็จะมีเวลาได้ปฏิบัติเต็มๆหนึ่งวันอะไรอย่างนี้ยก็พยายามเข้าให้ได้หลายๆรอบจะจะจะเห็นจะเจอความสงบหรือไม่ก็ก็แล้วแต่แต่ก็จะพยายามแบบ เข้าไปถ้าไม่ได้ก็ออกมาแล้วก็ไปนั่งใหม่อะไรยเงี้ยค่ะจะพยายามทำแบบหาโอากาสหาโอกาสที่เราสามารถปฏิบัติอะค่ะยังทำไม่ได้ทุกวันแต่ก็หาโอกาสอยู่เจ้าค่ะก็ดีอย่าท้ออย่าเลิกก็แล้วกั น, นไม่ท้อเลยค่ะปีะที่แลปีปีที่แล้วนี่ต้องต้องบอกเลยว่าเป็นปีที่หนูมีความสุขมากเลยเพราะว่าเป็นปีแรกที่หนูได้ไ ด, ได้ได้เข้าใจธรรมะแล้วก็ ต้องขอบพระคุณหลวงพ่อมากๆเลยนะคะเป็นเป็นพ่อคาคำสอนที่หลวงพ่อเอามาให้ฟังอะคะ่ะมาพูดทำให้หนูเข้าใจอะไรที่แบบไม่มีไม่เคยเข้าใจจากจากใครได้นะคะแบบว่ามาตอบคำถามในในใจหรือคำถามเกี่ยวกับเกี่ยวกับการปฏิบัติได้ได้แบบเป็นองเป็นองค์แรกเลยหนูก็เลยมีมีแรงมีศรัทธาที่จะจะเริ่มมาน่งปฏิบัติ ก็ยินดียินดีขอบคุณหลวงพ่อมากเลยคับยินดีที่ได้ทำประโยชน์ให้อหลวงพ่อหลวงพ่อนี่เป็นไม่ไม่ได้ว่าเมื่อกี้ที่หลวงพ่อบอกรับใช้นี่พวกหนูแทบ จ, จะแบบว่าอืมไม่ไม่อยากจะรับเลยจะต้องขอเป็นล้มโพล้มไซมากกว่าเป็นใบบุญของพวกหนูมากกว่าได้ก็พูดเล่นๆไปอย่างนั้นหนึ่งนะเราพูดอย่างนั้นเดี่ยพวกหนูบาปแย่เลยไม่กล้าไม่บาปหรอกถ้าหนูถ้าหนูไปปฏิบัติก็ท a l a ว่า เราก็ดีใจค่ะน ห, นหนูแบบว่าหนูแบบว่าเป็นเพราะหลวงพ่อจริงๆเจ้าค่ะไม่ได้พูดไม่ได้พูดอวยหลวงพ่อเลยแต่ว่ามันเป็นความรู้สึกจากใจจริงๆปีที่แล้วเป็นเป็นปีที่หนูแบบได้พบได้พบทางที่จะไปพบแสงสว่างนะใช่ค่ะพบทางแล้วค่ะแบบว่าตาบอดมานานพอเห็นแสงทางเริ่มคําทางได้มัางแล้วค่ะตอนนี้เป็นเป็นบัวพลนาำแล้นะเราแสงสว่างพลขึ้นมาแล้วค่ะ โอเคดีขอบพระคุณนะคะหลวงพ่อสวัสดีแบบยึดเนื้อยึดการปฏิบัติไปจนกว่าจะตายแล้จนกว่าจะถึงจุดหมายปลายทางนะแอบคิดว่าไม่รู้เป็นเพราะว่าอาจจะเป็นเริ่มมันถึงเวลาของหนูด้วยป่ะนะคะเพราะหนูก็ไม่ได้มีไม่ได้มีพันธะหรืออะไรมากมัในชีวิตเนี้ยค่ะก็เป็นเป็นคนดุเดียวเดีควค่ะไม่มีค่ะแล้วก็ไม่ได้แล้วก็รู้สึกว่าไม่ได้เคยถามตัวเองว่า คิดไปเองก็แปลว่าแบบเรามีความสุขกับการอยู่คนเดียวแต่ว่ามันไม่ได้เป็นการฝืนนะคะมันมันมีความสุขจริงๆกับการอยู่คนเดียวเป็นธรรมชาตินะใช่ค่ะคืออยู่ได้และรู้สึกว่าอาจจะเป็นช่วงเวลาอายุตอนนี้ด้วยนะคะที่ที่ได้เข้ามาทางธรรมก็ถือว่าเป็นเป็นโชคเป็นโอกาส ก, ก็จะไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่ละความเพียรค่ะตอนนี้ต่อไปอาจจะตั้งเป้าหมายว่าจะไปปฏิบัติให้มากขึ้นก็ได้นะทำงานใหน้อยลง ค่ะตอนนี้ก็ก็มีอยู่กับคุณพ่อสองคนค่ะก็ดูแลท่านไปก่อนให้ได้มากที่สุดทําทางโลกให้ดีก่อนแล้วก็เดี๋ยวพอถึงเวลาก็ค่อยค่อยว่ากันอีกทีว่าจะเดินทางไหนอขอบพระคุณนะคะหลวงพ่อประพันธ์ไปค่ะอ่าไปที่คุณจุ๊บคุณจุ๊บโกเบอยู่โกเบหรือเ่าแล้วไม่ใช่โกเบเมืองอะไรนะอยู่คกล้ใกลโกเบอะไรยโกเบค่ะค่ะจ้าโกเบอ่า นามัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะวันนี้ไม่มีคําถามเจ้าค่ะก็ยังปฏิบัติ่เรื่อยๆเจ้าคนญี่ปุ่นเขาจะรับปีใหม่ยังไงกันอนะ่ะคนญี่ปุ่นเหรอคะก็คือวันนี้เขาจะนัดรวมญาติการแล้วก็มาทานอาหารโอเซจิคืออาหารปีใหม่ตอนเช้าค่ะแล้วจา ก, ก็จะไปฮัตสึโมเด ก, ก็คือไปไหว้ไปสานเจ้าเจ้าค่ะไปขอพรเจ้าค่ะอก็คือจะเป็นแค่นี้ยค่ะพระอาจารย์กินอาหารเช้าเลยไม่กินอาหารกลางวัน กินอาหารเช้าค่ะพระอาจารย์อาหาเช้านี่ค่ะมันต้องเดินทางไปไปที่บ้านคนที่จะไปกินแต่เช้าเองนะสำหรับบ้านหนูนะเจ้าคะสําหรับบ้านเขาจะมาแต่ว่าปกติบ้านคนอื่นเขาจะเป็นอาหารเช้าแต่ว่าญาติของหนูะอะค่ะเขาตื่นเตียงเขากว่าเขาจะมาดนคุณแม่สามี บนใหญ่เลยเจ้าค่ะก็คือทางกันตอนเที่ยงเจ้าค่ะพระจานทร์หนูก็รอ้รอล้อตอนเช้าก็ไปดูค่ะอาทิตย์ตอนวันที่เป็นพี่ย่าพี่น้าก็มารวมกันหมดเลยคนะ่ะก็คือมาของหนูวันนี้ตอนเช้านี่ก็จะคือมักก็แ่อลูกคนโตกับลูกคนเล็กครอบครัวของลูกคนโตกับครอบครัวของลูกคนเล็กแต่ว่าวันพรุ่งนี้อะคะ่ะรวมสี่ครอบครัวก็คือคุณคุณแม่สามีหนูก็มีลูกกันสี่คนนะคะกค็รวมกันเป็นครอบครัวใหญ่ กินกินข้าวตอนเย็นเจ้าค่ะอืมก็รวมกันเป็นครอบครัวใหญ่ได้สิบเจ็ดคนินตอนเย็นค่ะที่บ้านมีที่รับแขกคนตเยอะๆได้เลยได้ค่ะพระอาจารย์บ้านบ้านหนูกว้างกว้างบ้านใหญ่นะค่ะเพราะเคยเห็นว่าบ้านของญี่ปุ่นนีมันเล็กๆแคบๆค่ะแล้วแต่อาจจะเป็นเพราะบ้านหนูมันอยู่บนเขาด้วยมั้งคะพระอาจารย์พื้นที่เยอะก็เลยสร้างให้มัน ห่ได้เ่งได้ค่ะลมเขาค่ะพระอาจารย์คะคือตอนนี้หนูปฏิก็ปฏิบัติอยู่นะเจ้าคะแต่หนูมีปัญหาติดตรงที่ว่าเมื่อก่อนตอนที่พระอาจารย์บอกให้หนูทำอะไรก็ให้พิจารณาไตรลักษ์มองเห็นอะไรให้เป็นธรรมะให้ให้เป็นไตรลักษ์หนูก็พยายามพิจารณาตลอดเจ้าคะ่ะแต่ตอนนี้คะ่ะพระอาจารย์พอเราทำไปเรื่อยๆ อพิจารณาไปเรื่อยๆทำไมไม่รู้เป็นอะไรช่วงเนี้อะคะพระอาจารย์มันพิจารณาไม่ออกเลยคะ่ะพระอาจารย์บางทีหนูเห็นเห็นทุกสิ่งทุกอย่างไม่รอบตัวหนูพยายามมองให้เป็นธรรมะหมดเลยเมื่อก่อนก็แล่นหนะ้าหัวมันแล่นมากเลยแบบเออมองก็เป็นธรรมะหมดเลยแต่ตอนเนี้ยพอจะคิดอะไรมันมันนึกไม่ออกเลยคะ่ะพอาจารย์ทำไมมันนึกไม่ออกก็ไม่รู้มันพิจารณาไม่ออกอะคะ่ะพระอาจารย์หนูก็เลยเอ๊ะ น่ากลับน่ากลับให้ทำสมาธิสักพักหนึองกว่าก็เลยอาจจะกำลังไม่ไม่มีพอใช่ค่ะอ่าอวามจริงการพิจารณาปัญญากับสมาธินี่มันต้องทําสลับกันอย่าทำอย่างใดอย่างหนึ่งมากจนเกินไปสมาธิอย่างเดียวมันก็ไม่มันก็ไม่เกิดปัญญาปัญญามากเกินไปมันก็อาจจะไม่ได้ผลใช่ค่ะฉะนนต้องให้มันบาลานซ์กันให้มัน สนับกันเขาสมาธิครึ่งชั่วโมงออกมาพิจารณาปัญญาครึ่งชั่วโมงแล้วก็กลับเข้าออกอย่างนี้ก็ค่ะกาสมาธิจิตมันจะสงบมันจะนิ่งจะเย็นจะสบายแล้วหลังจากพิจารณาทางปัญญามันก็จะมันก็จะเข้าออกเข้าใจอะไรได้แต่ถ้าไม่เข้าสมาธิเลยคอยคิดอยู่เรื่อยเดี๋ยวจิตมันฟุง้งพุ้งแล้วมันก็จะ มือนก็มีดทื่อพิจารณาก็พิจารณาไม่ไม่ออกไม่เห็นอะไระคนั่นต้องทำสองอย่างสลับกันค่ะทําสมาธิบ้างว่างหรือทำในปัญญาอย่างเดียวพิจารณาอย่างเดียวห น, หนูทำสมาธิทุกวันเลยเจ้าค่ะพระอาจารย์คือ ส, สวอมดมนต์สอาจะน้อยไปไหมอาจจะน้อยไปเจ้าค่ะยอมรับด้วยคะ่ะว่าตรงนี้หนูไม่ได้เดินจงกรมเลยเจ้าค่ะพระอาจารย์อืเพล้วปัญญาบางทีเราต้องเราต้องตั้งข้อ ต้องต้องตั้งเป้าหมายให้มันพิจารณาเช่นอาการ32อย่างเนี้มันต้องตั้งเป้าหมายไม่ใช่ไปนั่งพิจารณาเรื่องเลือดเปื่อยไปเรื่องเสียงเสียงกลิ่นรดอะไรมันไม่ไม่สำคัญสิ่งที่สําคัญีนให้พิจารณาคือร่างกายเราเนี่ยพิจารณาพิจารณาดูเวลามันแก่มันเจ็บมันตายเป็นยังไงใจเรารู้สึกยังไงกับมันเวลาที่มันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายอย่าง อย่างหนูพิจารณาที่พี่หนูพิจารณาอย่างเช่นถ้าสมมติหนูเจอเหตุการณ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างเฮ้ย mm hmm. ท, ทำไมตอนนี้เราถึงฟุ้งซ่านเราถึงคิดกังวลตอนนั้นที่พิจารณาก็อาจจะเป็นเพราะว่าเรายังมีอวิชชาอยู่มันก็เลยเกิดสังขารขึ้นมาเกิดความคิดปรุงแต่งขึ้นมามันก็เลยทำให้เรามีความคิดฟุ้งซ่านอย่างนี้มันมันก็พอเข้าใจนะคะแต่ตอนเนี้ยเวลาเจออะไรมันมันคิดไม่ออก ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเอ้ยทำไมทำไมเราโง่ลงอย่างนี้เราเป็นเพราะสมัธิไม่หรอถ้าเราไม่มีความไม่มีปัญหากับมันเราก็ไม่ต้องพิจรารณาก็ได้อ่าแต่ถ้าเรามีมีความทุกข์กับมันเมื่อไหร่นะเราต้องต้องพิจรารณามาเราทุกข์กับมันเพราะอะไรเพราะเราอยากให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้หรือเปล่าพอไม่เป็นตามที่เราอยากมันเลยก็เลยทำให้ใจเราทุกข์ หม okay, right? แต่ถ้าอยู่ดีๆ เ, เห็นนู่นเห็นนี่มันไม่ได้ทำให้เราทุกข์ขึ้นมาเราเขาไม่รู้จะไปพิจารณาหาอะไรเ um, uh. มือนเวลาที่ถ้าเราไม่ไม่เจ็บไข้ได้ปวด่วยเราก็ไม่ไปหายามากินใช่ไหม um. แต่พอเจ็บไข้ได้ปวด่วยก็ต้องไปหายามารักษาอย่า um. งเราต้องอทุกข์เก่าไรซะก่อนปัญญาถึงจะตามมาได้ทุกข uh ์ huh. บอกมีปัญญาบอกเกิดเข้าใจแล้วเราจะพระอาจารย์ หรือถ้า อ, อยาพิจ like, like, like, like, ารณาทุก อ, อย่างพิจารณาแบบแบบรวมๆว่าทุกอย่างมันไม่เที่ยงเนี้ยนั่นด้วยมันมันไม่เที่ยงมันอย่างไรบ้างอ่เช่นเสียงของเสียงของคนนี้วันนี้เขาพูดอย่างหนึ่งพรุ่งนี้กขาอาจจะพูดอีกอย่างหนึ่งก็ได้บางทีวันนี้เขาพูดดีพรุ่งนี้กขาอาจจะพูดไม่ดีก็ได้ถ้าเราไปยึดไปติดว่าจะต้องพูดดีไปทุกวันพอเขาพูดไม่ดีเราก็จะทุกข์เราก็จะเสียใจ แต่ถ้าเราเตรียมตัวเต็ียมใจว่าเจียงก็เปลี่ยนได้นะอันนี้สรรเสริญผู้นี้อาจจะดินทาด่าเราก็ได้ให้พิจารณาแบบนี้เข้าใจไหมเ้าจแล้วเ จ, จ้าค่ะอาจารย์ปนานนั้ตาเราไปควบคุมบังคับเขาไม่ได้ก็เป็นเหมือนดินฟ้ากาศนี่คือตายรักมองอย่างนี้ อย่าไปพิจารณาเ่งสําคาญสัญญาเลยมันมันพวกมันมันโปรงมันแตกอันนี้มันไม่ไม่สําคัญอ่ะมัไม่ทําการอยู่ที่ตายรักเนี่ยที่เราทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะเราอยากให้มันเป็นไปตามความอยากของเราใช่ไหมพอมันไม่เป็นเราก็ทุกข์นี่เราไปควบคุมบางครับงเขาได้เปล่าไปสั่นเขได้เปล่าเขาเป็นอัตตาเขาเป็นอนัตตาเราสั่นเขไม่ได้บังคับเขาไม่ได้ มันเปเหมือนดินฟ้าตากเราก็อย่าไปหวังอะไรจากเขาอย่าไปอยากให้เขาเป็นไปตามที่เราต้องการอันนี้คือการพิจารณาทางปัญญาเราพิจารณาตายรักแบบนี้ดูว่าเขาไม่เที่ยงก็ไม่แน่นอนก็ เ, เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอันนั้นตายเราควบคุมด้วยสั่งเขาไม่ได้แล้วแต่อารมณ์ของเราเมาื่อวานอารมณ์ดีเขก็พูดดีอารมณ์ไม่ดีเขก็พูดไม่ดี เราต้องเตรียมรับกับทุกสภาพของการเปลี่ยนแปลงเนี่ยแล้วเราจะได้ไม่ทุกข์อย่างนพิจารณาแบบนี้อันนี้พิจารณาทางปัญญาไม่ใช่ไปพิจารณาตามอะไรปฏิจจส ม, มุปบาทเกิดสังขารแล้วก็เกิดนี่มันไม่มันไมุ่ น, นั่นไม่ใช่พิจารณาทางปฏิบัติ น, นั่นพิจารณาทางปริยัติ ดูแผนที่ออกอาวิชาเกิดขึ้นแล้วหลังขานก็เลยปรุงแต่งไปหาเอไปหารูปเสียงกินลดให้เสพสุขเสพสุขแล้วก็เกิดตันหาความอยากเกิดอุปทานขึ้นมาเป็นเป็นทุกข์นั้นคืมันเป็นพิจารณาเป็นแบบเป็นแบบแบบบริยัตเป็นแบบแผนที่ดูแผนที่ออกแผนที่เป็นอย่างงี้แต่คําที่เวลาเกิดเหตุการณ์ไม่ได้เป็นแบบแผนที่หรอก เกิดเหตุการณ์มันเกิดทุกข์ขึ้นมาเราต้องหาซายหตุของทุกข์ว่ามันเกิดจากอะไรเกิดจากความอยากอยากให้สิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แล้วเราสั่งเข้าได้เปล่าใช่ไหมคมคนอยู่ตรงนั้นอยูนน่ที่อนิจจังอยู่ที่อน้ตตาที่เราทุกข์พราเราอยากไปทําให้เขาเป็นนิจจังบ้างเป็นอนตาบ้างเป็นของเราบ้างแอ่ก็ไม่เป็นของเราไม่เป็นอนิจจังเราก็ทุกข์ อย่าลูกสาวตอนนี้เป็นยังไงนี้ตอนนี้ลูกสาวของนนุนนะเจ้าคะ่ะก็อยู่ในช่วงของการกายภาพบําบัดเจ้าคะ่ะที่โรงพยาบาลตอนนี้ อ, อยู่ที่โรงพยาบาลได้สองเดือนได้ประมาณสองเดือนแล้วเจ้าคะ่ะก็ดีขึ้นแล้วอาจารย์สามารถทรงตัวได้เองแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้เจ้าคะ่ะหนูกับสามีจะไปรับที่โรงพยาบาลมาเพราะว่าพรุ่งนี้รวมญาติใช่ไหมเจ้าคะรับมานอนที่บ้านตอนนีทุกครั้งเขาอะเวลาคิดถึงลูกก็คือหลัง นูนูเข้าใจพระอาจารย์ที่พระอาจารย์บอกเลยว่าถ้าเรามีทุกบอกมีปัญญาบอกเกิดมันเป็นอย่างนี้จริงๆแล้วค่ะเพราะไม่ไม่ยึดว่าเขาเป็นลูกเราไม่ยึดในสังขารเราไม่ทุกข์ใช่ไหมถ้าไปยึดว่าเป็นลูกเราเราก็จะทุกข์ขึ้นมาเพราะอยากให้เขาดีใช่ไหมถ้าเขาเป็นลูกของเขาเขาเป็นของเราเราก็อยากให้เขาดีก็ <S <S ค่ะแต่ถ้าเรามาองเขาเป็นเหมือนธรรมชาติดินซากาศเราไปสั่งเขาได้ที่ไหนก็แล้วแต่เวรแต่กรรมของเขาใช่ไหมเราก็ไป แต่แต่เหตุแต่ปัจจัยทําที่จะทำให้เขาเป็นอย่างนี้เขาเขาก็มีเหตุมีปัจจัยใช่ไหมค่ะอืมเราก็จะไม่ทุกข์เขาเราก็ยอมรับความจริงเขาเป็นอย่างนี้แล้วเราจะไปทํำยังไงได้จะไปอยากให้เขาเป็นอย่างอื่นได้เที่ไหนมันก็เปลี่ยนได้ได้อยากให้เขาดีเหมือนเด็กทั่วไปมันก็เป็ี่ยนไปไม่ได้ใช่ไหมโอ้ค่ะถ้าอยากก็ทุกข์ถ้าไม่อยากก็ไม่ทุกข์ถยอมรับว่าเขาเป็นอย่างนี้ก็ปล่อยเขาเป็นไปนี่น้องพิจารณาแบบนี้ มาพิจารณาแบบนแผนที่เดินเสเต็ปนี้มาถึงสเต็ปนี้แล้วมาดูทุกข์ค่าแสดงว่าพิจารณาผิดมาตลอดเลยเจ้าค่ะอ่ญญาั้งยาเป็อย่างงั้นทางการมีเวทนาเป็นอย่างมันไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ใช่หรอกไม่ใช่ดูทุกข์ก็ดูทุกข์สมุทัยนะสมุทัยก็เหตุขความทุกข์เกิดคือความอยากอืาอยากในสิ่งที่มันไม่แน่นอนให้มันแน่นอนมันก็ทุกข์อะใช่ไหม กขอบพระบบคุณที่ให้ความกระจ่างนะคะนะเจ้าค่ะพระอาจารย์โอเคมาพาาิจารณานีมพิจารณาได้ตลอดเวลาเจ้าค่ะจะน้อมนำเอาไปปฏิบัติเจ้าค่ okay. นะพระอาจารย์เห็นอะไรก็ถามว่าสิ่งนี้เที่ยงไหมจะเป็นอย่างนี้ทุกวันหรือเปล่าเือนเดิมหรือเปล่าจะเป็นอย่างนี้ไปตลอดหรือเปล่ามันไม่หรอกมัน ม, มันไม่ช้ากันเร็วมันก็ต้องเปลี่ยนใช่ไหมทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนช้าเปลี่ยนเร็ว แล้วมันาาจะเปลี่ยนเราห้ามมันได้บา่าห้ามมันไม่ได้เราไปอยากก็จะทุกข์ถ้าไม่อยากก็ไม่ทุกข์ปล่อยมันเปลี่ยนมันจะเปลี่ยนก็ปล่อยมันเปลี่ยนไปมันไม่เปลี่ยนก็ปล่อยมันไม่เปลี่ยนไปให้รู้เฉยๆไป<อ>ทางปฏิบัติมันพิจารณาเพื่อให้จิตปล่อยวางให้รู้เฉยๆนะโอเคสาธุา ค, <ต scholars. S 1> คุณยินดีแอนเซอร์กับคุณเดวิด Happy New Year เดวิด Long time no see สวัสดีพี่ไมค์คุณอาจารย์สบายดีเหรอดีครับอุตไทยเก่งมากไม่เก่ครับวันนี้ไม่ต้องทำงานนะเป็นวันหยุดครับอ่ดีมากจะฉลองหรือเปล่าฉลองเลยหรือเปล่า ไ, ไม่มีเวลาครับไม่มีเวลาเลยไม่เป็นดินเนอร์ที่ข้างนอกบ้านนี่อะไรเลยนะ ไม่ไม่อยู่บ้านเอ่านกันนะแ้วใกาว่าจะต้องย้ายที่ทำงานอกแล้วเรจะย้ายที่ใกล้ใกลเเบกเมื่อไหรนะว่าซินยวน่าประมาณนี้ใกล้ใกล้เเบกเขาบอกใกล้ๆนะะไ่ใกล้เเบกค่ะที่แคนาดาเละ เป็นที่ U.S. ครับในเคเบกตอนนี้เคเบกอยู่เขาบอกว่ามันมันเอ่อใกล้พรมแดนอะค่ะท่านอาจารย์แกล้พรมแดนใกล้กับเอ่อเคเบกอะค่ะเคเบกก็เป็นอยู่ในแคนาดาแต่เราเรไม่ได้ไปที่นั่นนะเราอยู่ใกล้ใกล้กันนะค่ะเราอยู่ในแดนของของของของของก็ดีเลยก็อยากจะพูดภาษาฝรั่งเศสก็ข้ามไปที่เคเบกได้่ะ ใช่เลยค่ะศาสตราจารย์ถ <ke> <choreography> ูกต้องเลยค่ะศาจารย์ก็ดีตอนนี้แฮปปี้ไหมสบายใจไหมมีความสุขไหมมีบะจะยินว่าตอนนี้นั่งสมาธิด้วยเหรออย่างทุกก่อนครับอ๋อดีมากแล้วรู้สึกยังไงเวลานั่งสมาธิครับสบายไหมใช่ได้ครับใช่ได้นะอ่าดีกว่าไปกินเหล้าดีกว่าไปกินเหล้านะนั่งสมาธิดีกว่ากินเหล้า ไม่เคยกินไม่กินเลยนะอดี่ทำไมไม่ไม่ไม่ไม่สูบแล้วก็ไม่ไม่ไม่ไม่ถ้าถ้าถ้าอายาก็ไม่สูบบุหรี่ไม่กินเหล้านี่ถ้าถ้าสูบบุหรี่แล้วกินเหล้าป้าหนูคงคงตีกบานลออกกัน g o o e t h a n Good h a l t h Thank you. Thank you. Good health. Long, long life. Good health. <coughs> okay. okay. Happy to see you. Happy to talk to you. See you. Okay. okay. Have a good. Bye. Have a good new year. Okay. Bye bye. t t e n d a g a Thank you, นะทุกอืมไปที่คุณเอกเชียงรายต่อน้ำกรรมนัสการพระอาจารย์ครับอ่ามีอะไรไหมก็ไม่มีครับวันนี้เข้ามากับพระอาจารย์สวัสดีปีใหม่พระอาจารย์ครับก็อขอกาลังใจพระอาจารย์ครับอืมกลังใจก็อยู่ที่สติเนี่แหละถ้ามีสติก็จะมีกําลังเวลาใดที่ไม่มีกําลังก็สติเนี่ยพุโทโธพุโทโธไปสักพักเดีย กำลังก็จะกลับมาเองครับผมเวลาเหมือนใจเราเหมือนนาฬิกาขายลานนะฮะถ้าเราไม่ขายลานเดี๋ยวมันก็มันก็ไม่มีแรงนะครับผมออืวิธีขายลานใจเราก็พุโทโธพุโทโธจจริญสติหม่ผูโ้โธครับผมอครับสวดมนี์นไปก็ได้เนื้อหาหนังสือธรรมะไปก็ได้เป็นวิธีเจริสติเจริญปัญญาครับก็ ก็ลดิอพวกโซเชียลเฟซบุ๊กไลน์ก็ไม่ค่อยดูอะไรก็ลดลงไปเยอะเนี้มันจะทำให้เราหมดกําลังนะครับพอเราดูมันแล้วเราก็ไปคิดฟุ้งซ่านไปกับมันนะทำอะไรหมดกําลังครับยิ่งยิ่งคิดทลายยิ่งยิ่งอ่อนกําลังยิ่งอ่อนลงไปเรื่อยๆต้าไม่ให้คิดต้องหยุดคิดต้องมาถึงจะมีกําลังขับเพื่อนนะครับเพราะว่าเราไปเสพทางตาใช่ไหมครับเสพรูปเสียงกินดอวย ไปเสพทางตาไปเสพเรื่องราวเอามาคิดมาปรุงแต่งก็คิดปรุงแต่งไปทางกิเลสตัณหาครับผมอืมก็ก็ผมว่าถ้าถ้าเกิดเป็นวันพานี้ผมแทบจะไม่แตะนะครับใครจะส่งอะไรมาก็เห็นมันอย่าไปสนใจเลยที่น้ตามก็เฉยๆไปครับอืบางดีข้อความในไลน์เป็นพันสองพันก็ทิ้งๆไปพื่อได้เปิดดูถ้าเป็นบรรบรรพาอนครับ เดี๋ยวแต่ผมก็ปฏิบัติทุกวันครับพระอาจารย์ครับทุกวันก็สําำรวจเป็นสีสํารวจตาตาอย่าไปดูรูปที่ทําให้เกลียดใจฟุง้งซ่านใจไม่สงบครับจะดูก็ดูธรรมะหนึ่งอ่ดูหนังสื อ, อรธรรมะดูอสุภะดูอาการสามสสองเนี่ยครั บ, ก, รรบก็ทีนี้ถ้าดูเฟซบุ๊กก็ส่วนใหญ่ก็จะดูเกี่ยวกับธรรมะเป็นคําสสอนของพระอาจารย์บ้างของ เขาไม่ผู้าอาจารย์ท่านอืนอ่นบ้างครับดีครับผมอย่างนี้ดูได้ก็ดูธรรมาได้ก็วิที่ก็ถ่ายถายดูธรรมะเป็นส่วนใหญ่ครับต อ, อนเช้าก็ฟังฟังเทปส่วนใหญ่ก็ฟังเหลวงพ่ออินถวายก็ที่เหลือตอนบ่ายก็ฟังพระอาจารย์อยู่ครับทุกวันเล ะ, ค, ะครับครับก็ปฏิบัติอยู่ก็สงบอยู่ครับอาจารย์ครับพยายามทำไปเรื่อยๆนะอย่าท้ออย่ายุน สูไม่ถอยครับผมเอาเอาให้ได้ครับถ้าถอยเมื่อไหร่ก็จบโชคขาวเมื่อไหร่ก็หลวงเขาเชื่อถือเลยก็คงคงไม่มีอครับคงจพยายามทําทําไปครับตามสติตามกําลังไปครับอาจารย์ครับอืมก็โชคโชคดีครับที่ได้เจอพระอาจารย์นะครับดีมากๆเลยนะครับอแต่เกิดมาไม่รู้ว่าเกิดมาชาติไหนจะได้เจออย่างนี้เปล่าก็ยังไม่รู้นะครับก็ชาตนี้จะพยายาม ทำให้ถึงที่สุดนะครับอาจารย์ครับดีมากครับขอบคุณพระอาจารย์ครับก็ขอให้ธาตุขันพระอาจารย์แข็งแรงนะครับรัตนาพระอาจารย์อยู่เป็นล้มโพล้มไสด้วยนะครับอาจารย์ครับครับผมสาธุยินดยินดีอยู่ต่อไปท้าเป็นคนขอให้อยู่ก็จะอยู่กบขอราตนาด้วยนะครับะอาจารย์ครับก็าอขอบคุณพระอาจารย์ที่เราราตนานะครับครับสาธุครับคุณสาธุการชายนา ไม่ไงปีใหม่ก็เหมือนเดิมค่ะการทำเป็นดินเนอร์ป่ะไม่ได้ไปกินจ้าบ้านใส่วัตรหน้าบ้านแล้วก็อยู่บ้านค่ะค่ะปฏิบัติอยู่ค่ะอ่าอย่าทิ้งนะปฏิบัติไปเรื่อยๆอ๋อไม่ทิ้งนะคะอาจารย์ทำไปจนตายอ่ะค่ะคนะหรือทําไปจนกว่าจะถึงจุดหมายปลายทางนะ ่ถ้าหยุดถึงจุดหมายปลายทางแล้วก็ไม่ต้องทำก็ได้อกินในพ่อมรย์ได้สิ้นสุดลงแล้วค่ะค่ะค่ะน้องเป็นปีพรรษาพระอาจารย์ค่ะคุณวิไลพรให้กลับไปถึงบ้านมเมื่อวันนี้เมื่อมาวันนี้นะมาเมื่านเจ้าค่ะพระค่ะกลับมาตักการพระอาจารย์เจ้าค่ะเข้ามากับพระอาจารย์แล้วก็ขอพลังพระอาจารย์แล้วก็ ขอให้พระอาจารย์ทาตุขันแข็งแรงนะคะเป็นล้มโพล้มใจให้พวกเราได้เป็นที่พึ่งทางใจตลอดไปเจ้าค่ะพระาอาจารย์สาธุค่ะวันนี้ไปคนเดียวเหรอเนี่ยไ ป, ไปคนเดียวเ<ไ>ป็นคนเดียวเจ้าค่ะออกจากบ้านตีสามครึง่งแล้วก็ค่นะ <laughs> ขับรถไปวพราี่คุณพ่อเจ็บหลังค่ะพระอาจารย์เวลาแบบว่าถ้าใช่ค่ะแล้วนั่งรถนานแล้วเดี๋ยวท่านจะทรมานนะคะก็เลยบอกว่าก็ลุยเดียวหมดเลยค่ะรักษาคุณพ่อไว้ก่อนเจ้าค่ะอค่ะ ค่ะพระอาจารย์ปฏิบัติอยู่ค่ะ <Yeah. S 2> ค่ะโอเคค่ะทุกขารา่ะ์ค่ะคุณอะไรคุณอุษาอะไรคุณอุษานราธิว า, า, าสนมัส ก, การค่ะพระอาจารย์เป็นยังไงอาโยมขอขอบพระคุณพระอาจารย์จากใจ จ, จริงเลยคะ่ะทุกวันนี้นะคะโยมเจอบททดสอบเข้ามาเยอะมากเลยค่ะแต่ว่ามันแปลกตรงที่ว่าโยมสามารถ จบมันได้ในระยะเวลาประมาณไม่ถึงชั่วโมงมองทุกอย่างเป็นใจรักตามที่อาจารย์สอนรู้สึกแบบโอ้มันดีจังเลยเมื่อก่อนจะเก็บมาคิดคิดคิดตอนนี้ทุกอย่างเฮ้ยมันเกิดขึ้นแล้วมันจบแล้วมันแก้ไม่ได้แล้วก็ทุกอย่างมันจบแบบนั้นได้ผ่านไปใช่ค่ะแล้วก็เอตอนที่มันปวดท้องยมขึ้นเขาล้มนิยมไปพร้อมกับร่างกายที่ไม่พร้อมใช่ไหมคะอาจารย์ได้ภาวะอาหารเป็นพิษเพราะขึ้นไปเนี่ยมันปวดท้อง ทุกครั้งที่โยมเจอเจอปัญหาคาของอาจารย์จะผุดขึ้นมาบอกมันไม่เทีย่ยงพอไม่เทีย่ยงปุ๊บโยมก็มาพิจารณาที่มันปวดเห็นถึงการเคลื่อนตัวของลมค่ะพระอาจารย์แล้วก็พอมีปัญหาทุกอย่างทุกอย่างตอนนี้กลับมาเนี่ยรถจนเสียอะไรเสียงเงี้ยค่ะมองทุกอย่างแบบเป็นใจร้อนอด่ทใช่ใช่ค่ะโยมรู้สึกว่าเมันเป็นไปได้ด้วยนะจากคนใจร้อนที่ว่าตาต่อตาฟันต่อฟันแบบเนี้ค่ะอาจารย์มอง มันจบมันจบได้ง่ายซึ่งมันเมื่อก่อนจะต้องมาโทษตัวเองทําไมเราเป็นคนไม่ดีแบบนี้ทําไมเราเป็นแบบนี้ทุกอย่างมันมันเป็นใจรักแล้วมันอุเบกขาได้แบบมันอ๋อมันมีความสุขแบบนี้นี่เองค่ะพระอาจารย์แล้วก็โยมทบทวนว่าตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมาโยมมีแต่กําไรค่ะโยมไม่ขาดทุนเลยจากการที่โยมมาเจอพระอาจารย์นะคะโยมมีแต่กําไรค่ะโยมได้เห็นว่าตัวเองพัฒนาโยมโยมไม่ได้อวยตัวเองนะคะพระอาจารย์ อ่ไ ม, มไม่เวลาแล้วพูดความจริงก็แล้วกันยมรู้ว่ายมพัฒนาจากการภาวนามาจากเออกลัวกลัวทุกสิ่งทุกอย่างก้อนหินบนเขาชีโอนไม่กล้ามองไม่กล้าออกไปแต่ตอนนี้คือออกไปตอนสองรอบหัวค่ำแล้วก็ตอนหัวลุ่งแล้วก็มันไม่กลัวสามารถมองก้อนหินถ้าได้มองก็ไปลึกๆได้โดยที่มันไม่รู้สึกอะไรเลยค่ะยมรู้สึกดีแล้วก็มองทุกสิ่งทุกอย่างว่ามัน มันไม่เที่ยงจริงอย่างที่อาจารย์บอกนะคะบางทีมันรู้สึกพอจะโกรธปุ๊บเอาเรากําลังจะโง่เอเรากําลังจะโ ง, ง่ทุกอย่างมันจบแล้วก็อยู่ที่อุเบกขาค่ะพระอาจารย์โยมกราบขอพระคุณพระอาจารย์นะคะพรอาาค่ะยมดีใจนะคะที่พระอาจารย์รับคําอาราธนาของคุณเอกค่ะดีใจค่ะส uh uh. าธุค่ะอ uh ่า uh. ยมจะได้มีล้มโพล้มทสายม ยมใจหายมากเลยที่อาจารย์บอกว่าอาจารย์จะไปทัวรลงเย็นยมใจหายแวบเลยค่ะอาจารย์อะไรเนาะวันนั้นอาจารย์พูดต่อนน้ายมว่าจะไปทัวรลงเย็นยมบอกว่ายมนิมนก่อนอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งติงยมอะค่ะไปลงเย็นแมนเทงไรอะไปทัวรลงเย็นค่ะอาจารย์บอกจะไปทัวโรงเย็นอืใครพูดอย่างนั้นไปว่าค่ะตอนตอนที่ยมมากับลาอาจารย์ที่ต้นต้นต้นใสตอนที่ใส่บาทตอนขากลับอะค่ะ อาจารย์ถามหมอว่าถ้าเดี๋ยวนี้เขามีฉีดยาไหมหรือวางยาอะไรไหมแบบเนี้ค่ะจันบอกอาจารย์ยมนิมนต์ก่อนอย่างนี้ยค่ะน้องคงคงจะฟังเป็น้องเไม่เคยพูดอะไรอย่างนั้นหรอกค่ะสาธุค่ะอาจารย<ม>์เป็นไรค่ะแต่ยมดีใจค่ะดีใจแล้วค่ะสาธุค่ะอาจารย์ขอบคุณค่ะท่านท่านต้องปล่อยมันเป็นไปตามธรรมชาติอย่าไปบังคับมันค่ะมันจะอยู่ก็ให้มันอยู่มันจะไม่อยู่ก็อย่าไปยืมมันนะค่ ตอนนี้ลูกเ่ะไม่ใช่เบื่อแล้วก็ไปฉีดยาให้มันไปไม่ใช่อย่างนั้นใช่ค่ะไม่ไม่ใช่อย่างนั้นค่ะอาจารย์พูดถึงว่าคนที่เสียชีวิตแล้วเนี่ยเข้าใส่โรงเย็นเลยไหมต้องฉีดยาไหมประมาณนั้นค่ะอ๋อค่ะตอนนี้ลูกของลูกเขาไปขังตัวปฏิบัติธรรมค่ะพระอาจารย์อยู่จี๊อกิกเขาเนี่ยนี้่อขเข้ามาเหมือนกันอยู่ติดกันเลยใช่เขาถามอยู่ค่ะพระอาจารย์ สาธุนะคะขอบพระคุณพระอาจารย์ค่ะส <Yeah, okay. S 2> วัสดีปีใหม่ด้วยค่ะว่ะอาจารย์ท่านอะไรสาธุค่ะ uh, ตายรักต่อไปนะมองอะไรเห็นตายรักเนี่ยขอบพระคุณมากเลยค่ะพระอาจารย์แบบมันมันดีมากเลยค่ะแล้วก็โยมมาดูตัวเองเวลาเดินนะคะคนรอบข้างไม่มีค่ะเราเดินก้มหน้าก้มตาเดินเอามันติดนิสัยมาแบบนั้นค่ะพระอาจารย์โยมโยมเอาา<ม>เป็นทา่ทาท่าสีนิ้นะ้ำลมไฟมาให้หมดเลยก็นดะ้ถนบตาค่ะ ขอบพระคุณค่ะพระอาจารย์ยมจะนำมาใช้ค่ะสาธุค่ะอ่าบิสยาเพื่อนของบิสยาก็มามาอยู่วันค่ะที่พี่ยสวดีใช่ไหมคะอ่ายสวัดีไม่ได้เจอกันนานค่ะพี่เขาก็ส่งมาในไลน์ให้หนูเหมือนกันค่ะ อ, อนุโมทนานค่ะอตอนนี้หนูหยุดหกวันค่ะ ปฏิบัติทําอยู่ที่ออฟฟิศนะคะพระอาจารย์เพราะว่า mm hmm. ถ้าไ ม, ไม่ปฏิบัติไม่ไหวแล้วค่ะต้องดีถ อ, อกติตใจค่ะมันร mm hmm. ับสารผิดมาม า, มากเกินไปแล้วค่ะพระอาจารย์แล้วก็ภาวนาอย่างละเล็กอย่างละน้อยเอาไม่อยู่ค่ะพระอาจารย์เต็มที่เลยนะเแบบเต็มรูปแบบเลยใช่ค่ะแต่ว่าคือ เต็มที่หมายถึงว่าแต่ตอนนี้สุขภาพหนูป่วย<ม>ก็เลยก็ตเอาเท่าที่แบบบางทีร่างกายมันหลับมันมันมันไม่วค่ะใช่ค่ะัผ่อนพอนไปตามความสามารถของร่างกายแบางทีเดินจงกมเสร็จปุ๊บมันไม่ไม่ไหวถ้าหลับึ้นมันหลับยาวไข้ขึ้นนะคะอาจารย์แต่ว่าใจ ใจได้โหได้ได้ดีถอกขาดแะไปายมันพนละเรื่องกับร่างกายเลยค่ะอาจารย์ <S <S มีมีเรื่องจะถามค่ะพระอาจารย์คือตอนที่ปฏิบัตินะคะหนูเจอหนูหนูเจอปัญหาคือปัญหาเรื่องปัญหาทางใจที่มันผุดขึ้นมาตอนมันทำให้นั่งสมาธิไม่ได้ใช่ไหมคะแล้วเลยเจอว่าเฮ้ยคำสอนของในในหนังสือของหลวงตาค่ะบอกว่ามันเป็นไตรลักมันไม่เที่ยง คือหนูเข้าใจเฉพาะเรื่องของเวทนาเท่านั้ น, นะคะ่ะว่าเราเรามองดูมันเฉยๆมันดูภาพยนตร์ค่ะเวลามันเจ็บก็ดูมันไปแล้วหนูจะสบายแล้วมันจะไม่เจ็บแต่ไอพวกคําพูดของคนหรือหรือว่าการกระทําบางอย่างหนูวางมันไม่ได้หนูก็เลยเฮ้ยหรือลองเปลี่ยนเขาเป็นมองเป็นมองภาพยนตร์ปุ๊บมันมันเบาลงค่ะอาจารย์ไอเหตุการณ์ต่างๆที่หนูทุกค่ะ มันมันกลายเป็นว่ามันเบาลงหนูก็เลยจับอันนั้นค่ะแล้วเริ่มเข้าสมาธิแล้วหนูมันตกอลึกได้ว่าเขาก็เขาบังคับอะไรเขาไม่ได้เลยมันแล้วก็แต่เขาแต่การเข้าสมาธิครั้งนี้มันมันแปลกค่ะอาจารย์คือว่าปกติหนูมันจะมีคำหนูใช้ลมหายใจแต่ว่ามันจะมีคำถามมาเหมือนมาขัดขวางการเข้าสมาธิเรื่อยๆค่ะว่าแล้วถ้าเขาเป็นแบบนี้ละ หนูเผื่อไปตอบด้วยค่ะด้วยกําลังสติยังไ ม, ไม่ไม่ไม่แข็งแรงค่ะก็าจะหนูก็ตอบว่าปล่อยเขาไปยังไงก็ไม่ไม่มีทางแล้วกลายเป็นว่าแทนที่มันจะถอยมายากค่ะไม่ค่ะพระอาจารย์พอหนูตอบเข้าไปมันกลายเป็นว่าหนูเริ่มละเอียดขึ้นแล้วเข้าได้ดีขึ้นนะคะแล้วมันมันก็มีคําถามแบบเนี้มาตลอดระยะทางค่ะแต่ว่าหนูตอบปัดเข้าไปแล้วมันเริ่มละเอียดละเอียดจนสามารถเข้าสมาธิระดับลึกแบบ จนเข้าที่ว่างได้ค่ะเนี่ยเป็นครั้งแรกของการปฏิบัติที่ผ่านมาค่ะอาจารย์ค่ะเอาใช้ใช้ไตรับตอบตอบเข้าไปแต่ตจริงๆหนูไม่ได้ตั้งใจจะเป็นแบบนั้นนะคะมาจากจิตที่มันแบบไม่นิ่งแล้วเผลอตอบแล้วมันทำไปได้เองใช้ปัญญ<อ>าอ<ช>บ ร, รอมสมาธิก็ได้อ๋อหนูเลยงงว่านี่สภาวะอะไรแต่ว่าไม่กล้าไม่กล้าตกใจก่อนประคองมันไว้ก่อนนะคะแล้วประคองแล้วมันรู้สึกมีความสุขมากๆค่ะ แล้วปัญหานั้นมันก็เลยคลายไปเลยค่ะพระอาจารย์หนูหนูนอนไม่หลับมาเป็นเดือนเลยค่ะพระาอาจารย์เรื่องนี้อขอบคุณอาจารย์พอดคิดเรื่องนี้อีกเขาก็เบาค่ะมันเหมือนกับเขาขายไปจิตไม่สงบใช่ค่ะเาขเาเป็นแค่ภาพยนตร์อันนึงที่เราไปแตะต้องอะไรไม่ได้เราก็ได้แค่ดูค่ะพระอาจารย์อ่างานแหละถูกต้องอนัตตาใช่ค่ะมันแบบมันเหมือนกับใครมาพูดก็ไม่เหมือนเราเห็นด้วยตัวเองค่ะพะ่ออาจารย์แต่ว่าก็มีปัญหามาอีกแล้วค่ะพอออกมาจากสมาธิปุ๊บ ค, ค่ะพระอาจารย์ หนูได้กลิ่นตัวเองค่ะมันหนูไม่สบายค่ะแล้วมีกลิ่นกลิ่นเหนืนน่อหนูได้กลิ่นเหงือหนูเหม็นมากค่ะอาจารย์ปกติมันก็คือเหนือปกติแต่หนูรู้สึกว่ามันเหม็นมากมันหนูรู้สึกว่ามันถึงก็เหมือนกันการเป็นเหมือนหนังนก็รู้ว่ามัเป็นหนังแไปแล้วหนูจะอาเจียนค่ะอาจารย์แบบสูตดลมหายใจได้กลิ่นเหม็น <ừ. S 2> เหนือตัวเองหรือว่าแสดงว่าเราแสดงว่าเราไปไปไปยุ่งกับมันไม่ดูเฉย่ เอ่อหนูใช้แก้ปัญหาวิธีนี้คะ่ะพระอาจารย์หนูดูแค่ที่ปลายจมูกแล้วแล้วก็ใช้วิธีเดิมว่าเราไม่สนใจเขาได้ไหมไม่ตีความได้หรือเปล่าก็บางทีค่ะอ่าสูตรลมหายใจเข้ามามีปวดหัวบ้างคะ่ะเพราะเขาไปเผลอตีความแต่หนูก็สู้ดการมองที่ปลายจมูกอย่างเดียวมันเข้าสมาธิได้แล้วคะ่ะพระอาจารย์แต่ว่ามันเป็นการเข้าสมาธิที่แปลกเหมือนกันคะ่ะคือว่าปกติพอมันจะมีตัวเผลอตีความว่ามันตึ๊บตึ๊ตึึปวดหัว แต่การปวดหัวนี่ค่อยๆเบาลงค่อยๆเบาลงแล้วก็เข้าสมาธิได้อีกครั้งเหมือนกันค่ะแต่ว่ามันไม่ได้ใช้ปัญญาค่ะหนูแค่ใช้สติหนีหนีกลิ่นไปค่ะแต่ว่าตอนที่ออกมาเนี่ยท่านหนูดมมือโดนอะตัวเองหนูรู้สึกว่าตัวตัวเรามันเหม็กนะคะพระอาจารย์ยังรู้สึกรับไม่ค่อยได้จะแก้ปัญหายังไงค่ะพระอาจารย์ก็าบน้ํำบ่อยเลยเกณฑ์หมายถึงว่ากลิ่น มันหมายถึงหนูรู้สึกถึงโพรงจมูกทุกอย่างที่มันมันเหมือนได้กลิ่นเนื้อของมันจะมีเนื้อหมูอะค่ะเอามาตรงอยู่ใกล้ๆมันเป็นมันไม่ใช่มันเหม็นแบบเหมือนกลิ่นคาวจริงว่าเรารู้สึกว่าจริงๆเราไม่ได้หอมอะค่ะแต่ว่ามันเราเราเปลี่ยนมันได้หรือเปล่าเปลี่ยนไม่ได้มันเป็นอนาตตางก็ยอมรับมันไปมันเป็นอย่างนี้จะให้มันเป็นอย่างอื่นได้ไงเหม็นก็ต้องหัดอยู่กับมันไปอุจจาะเวลาถามมาันก็เหม็นไม่ใช่ ใช่ค่ะทำไมเราอยู่ก็มันได้เพราะเรารู้มเปลี่ยนมันไม่ได้แล้วก็ดูไปเฉยๆมันดูหนังเนี่ยก็แบบเดียวกันนะก็ให้สักแต่ว่ารู้ไปทำใจเป็นนูเบค้าวางเฉยไปดูหนะก็เป็นแบบที่วันนี้ ตอนที่เด็กใช้ใช้ปัญญาก็มาโดนเห็นว่ามันเป็นดูหนังเนี่ยอันนี้ก็เหมือนอันนี้ก็เป็นหนัง เ, เรื่องหนึ่งเลยได้คะ่ะอาจารย์คำถามข้อสุดท้ายคะะา่ะอาจารย์พอเข้าสมาธิได้สักพักไอ้เรื่องที่เคยเราเคยเขาเคยมาข่วนเราสอสมเรื่องที่หนูบอกค่ะเขาก็ไม่เข้ามาข่วนลดสบายแล้วค่ะ ก็มันมีเรื่องอื่นขึ้นมาแต่โชคดีที่อ่านหนังสอ่านหนังสือแล้วมันถูุดขึ้นมาได้ว่าอ๋อเรามันมันคือลาบยศสรนเสริญพอพอขึ้นเขาว่าลาบยศสันเสริญปุ๊บไอความคิดต่างๆที่มันเข้ามาในหัวคะ่ะมันหยุดไปเลยตอนแรกหนูจับไม่ถูกคะ่ะว่าทําไมหนูต้องไปชิดเรื่องเนี้ยตลอดเรื่องเกี่ยวกับอ่านเรื่องพวกนี้คะ่ะตลอดเวลาพอ ข, ขึ้นเขาว่าลาบยศสันเสริญกิเลสมันหยุดนะคะ แล้วหนูก็เลยไม่ก็เรียกอ้าจับได้แล้วคือเขาเหมือนเขาแพ้ความจริงอะคะ่ะพระอาจารย์แล้วก็ค่อยๆเข้าสมาธิแต่ตอนแต่ตอนนี้หนูยังชนะเขาไม่ได้นะคะใน ว, วันนี้ค่ะคือตอนนี้ก็ังกําลังสู้กับเขาอยู่คือว่าคือแบบความในความรู้สึกหนูความภาคภูมิใจในตัวในตัวเองรับดูสันเสริตมันก็อยู่ในนั้นนะคะการทําธุรกิจให้ได้ให้ดีแต่ถ้าเราแต่จริงๆเขาเป็นอ น, นิจจานะคะ่ะหนูหนูก็มาเห็นเออมัน ไขว่คว้าอะไรไม่ได้เลยนี่นาเพราะว่ามันต้องไปพึ่งคนอื่นแต่แล้วหนูจะเอาความภูมิใจอะไรให้มาอยู่ในตัวหนูเองค่ะถ้าอย่างนั้นหนูคิดว่ามันคือทานที่เราทําศีลที่เรารักษาแล้วก็ความสุขจากสมาธิอันนี้มันพอให้เราเยึดหรือเปล่าค่ะอาจารย์เออเราจะไปยึดอะไรล่ะหมายถึงยึดเพื่ออะไระมันรู้สึกว่าหนูรู้สึกว่าหนูไม่มีความภาคภูมิใจอะไรในตัวเองเลยค่ะถ้าสมมุติว่า มือนกับว่ามันจะมีอะไรให้เราภูมิใจในในแต่ละวันที่เราอยากทําหมือนกับหนูรู้สึกว่าหนูอยากทางานอันนี้ให้มันดีแล้วมันก็ไปความอยากจะทําให้มันได้ได้ได้ขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะก็คือเป็นการชาติหวังแต่แต่ถ้าสมมุติไม่หวังมากแล้วหนูจะเอาหนูวางมันไม่ถูกอะค่ะว่าจะต้องทํายังไงอยากจะอยากจะตั้งเป้าออกมาว่าเอออยากจะทําธุรกิจทิตเตอร์ให้มันออกมาดี ผัวมันก็รันรันรันตลอดว่าอยากให้ผลออกมาเป็นแบบนี้แบบนี้ก็รามยศสารเสื่อมเถอะแล้วแต่เขาหายไปมันจะไม่มันหนูรู้สึกว่าเหมือนจะไม่มีอะไรให้เรามันหายมันเหมือนความภูมิใจในตัวเองมันจะหายไปมันรู้สึกว่างเปล่ายังไงไม่รู้ค่ะค่ะชันก็ใจเรามันยังยังโลภยังอยากอยู่มันก็เลยรู้สึกว่างเปล่าถ้าเราหยุดความโลภความอยากนัน ใจนิ่งสงบใจก็มีความสุขขึ้นมางั้นบางทีเราคิดมากเกินไปก็ได้ไปทางปัญญามากเกินไปบางทีก็มันก็จะทำให้เราเป็นอย่างนี้ได้ฟุ้งขึ้นม า, าเราต้องกลับมาทำสมาธิแทนหยุดเช็ดหยุดหยุดปุ้งแต่งความคิดปุุงแต่งมากๆมันก็ทำให้ใจฟุ้งซ่านทำให้ใจเกิดความโลภเกิดความอยากต่างๆขึ้นมา แล้วมันจะทําให้ใจไม่มีความสุขอนอแสดงว่าเราไปทําปัญญาไปทําความคิดมากเกินไป<ม>เขาเรียกว่าบ้าสังขารไม่ใช่บ้าปัญญาคิดมากเกินไปโอ้ก่ออยการอย่างเงี้ยแสดงว่าใจมันทุกข์เลยไหมใหมันทุกข์ทุกข์เพราะอทุกข์าสังขารความคิดปรุงแต่งที่ปรุงแต่งไปตามความอยากอย่างได้สิ่งนั้นสิงนี้มาให้เป็นที่ภูมิใจอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้มันก็เลยทุกข์ขึ้นมา ไม่มีอะไรในโลกนี้ที่ให้เราภูมิใจให้เราเป็นความสุขได้แล้วลามยศเสริญสุขนี่มันเป็นเป็นของปลอมเป็นความสุขชั่วคราวสิ่งที่เราต้องต้องมีให้ได้ก็คือสติกับปัญญาความสงบพอเรารู้ว่าใจเราฟุ้งซ่านแล้วเราควรจะหยุดกลับมาพึกสติพุทโธพุทโธไปหยุดความคิดต่างๆให้จิตนิ่งสงบ พอเจนนิ่งสงบแล้วก็จะได้มีความสุขขึ้นมาเนี่ย mm hmm. อันนี้แหละเป็นสิ่งที่เราควรจะภูมิใจถ้าเราทํา mm hmm. ทําทําทําได้ mm hmm. เนี่ยนะว่ามันมีความสุขที่แท้จริงความสุขที่เกิดจากความสงบเนี่ยนั <Okay. S 1> ่นเราคิดว่าต้องกลับมาทําสมาธิบ้าง mm hmm. อย่าไปคิดจะทำปัญญาอย่างเดียวเข้าใจเข้าใจะอย่าปล่อยให้ใจคิด พอใจพุโทพโธพโธคอยส ก, กัดเหมือนพยายามจรสติทั้งวันทั้ง ต, ตื่นจนหลับอย่าปล่อยให้มันคิดด้วยเปควบคุมความคิดให้มากมากไเท่าไหร่ความคิดน้อยเทาย่าไหร่ใจก็จะเบาจะเย็นจะมีความสุขมากขึ้นไปทนั้นนี่แสดงว่าเราไม่ควรจะควบคุมความคิดเลยใช่ไหมปล่อยให้มันคิดไปเรื่อยๆค่ะพุโทโธแท้ โทรตลอดเวลาค่ะสู้กับเขาแต่ว่าตอนนี้มันปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเรื่องนี้ค่ะมั น, ม, นมันแบบสู้สู้กับหนูรุนแรงเลยค่ะเรื่องอะไรเรื่องความอยากเนี่ยใช่ใ ช, ใช่ค่ะอยากได้ความสำเร็จอยากได้ทำอะไรอย่างต่างวันนี้ใช่ค่ะมันมันรุนแรงมันรุนแรงมากเลยค่ะ ก็ต้มอไม่เที่ยงได้มาแล้วเดี๋ยวมันก็หมดไปเดี๋ยวเราตายไปถึงเรื่อหามาได้หมดก็ต้องทิ้งไปอยู่ดี อ, จจอันนั้นใจมานานรู้สติบ้างก็ดีถ้ามีความโน้มมากๆเราจะทำไปทําไปถึงไหนวันหนึ่งเราก็ต้องแก่เจ็บตายไปแล้วสิ่งที่เราห า, มา ไ, ไม่ได้เสร็จก็ต้องทิ้งมันไปหมด นึกภาพบอกไหมนี่อย่างนี้เนยค่ะเพั้นอันนี้การ น, นิจจังเหมือนความตายก็เป็นอ น, นิจจังเหมือนกันคือร่างกายมันก็มันก็เป็ น, ปนอ น, นิจจังเดี๋ยวมันก็ต้องตายตายแล้วสิ่งที่เราหามันได้มันก็จะมันก็จะเป็นของคนอื่นไปเราไม่สามารถครอบครองมันได้ต่อไปพอเราตายไปแล้ว แล้วเราจะไปโลกไปอยากกับอะไรทำไมเสียเวลาเปล่าๆมาหยุดคิดเรื่งการมาหยุดคิดต้องทำสมาธิดีกว่าใช่อาจารย์ครับแล้วระยะทางตอนนี้หนูรู้สึกว่ามันยังไม่สำเร็จหมายถึงธุรกิตอนนี้มันยังไม่สาเร็จกลัวจะไม่สำเร็จกลัวจะไม่ทันแต่ถ้า จะทําไปได้จะสาเร็จไม่สาเร็จก็แล้วก็ไปควบคุมบังคับไม่ได้ไปสั่งมันไม่ได้สั่งแล้วทุกคนก็ทําอะไรก็สําเร็จกันไปหมดเลยบานทีก็สําเร็จบานนี้ก็ไม่สําเร็จเป็นเรื่องปกติของโลกอันนี้จังไม่เที่ยงไม่แน่นอนเราจะประหยาดให้มันแน่นอนอยากให้มันสําเร็จแล้วก็เลยทุกเมื่อมันยังไม่สําเร็จใช่ไหม เราต้องก็ทำหน้าที่ของเราไปทําไปมันจะสําเร็จไม่สําเร็จ น, นี่เราไปสั่งมันไม่ได้ไม่สําเร็จก็ไม่สําเร็จไม่สําเร็จก็อาจจะต้องมาเช็คดูว่าการกระทําของเรามันบกพร่องตรงไหนขาดขาดตรงไหนบ้างปรับมุมแก้ไขไปถ้าหาไม่ได้ก็ะตรวจดูแล้วไม่มีความบกพร่องมันเป็นเรื่องของอัตลักษณ์เรื่องของภาวะอย่างอื่นที่เราก็ควบคุมบางครั้งไม่ได้เราก็ต้องยอมับกขอสภาพนั่นละ มั่นใจไหมไอ้เนี่เราตั้งใจจะทําอะไรแล้วมันจะได้สําเร็จตามที่เราต้องการเสมอไปบันนี้ก็สําเร็จบานนีก็ไม่สําเร็จบางทีก็ได้บันนี้ก็ไม่ได้ก็ต้องยอมรับว่ามันมันมันออกมาอย่างนี้ก็ต้องยามรับมันเป็นอย่างนี้อยากให้เป็นอย่างที่เราอยากเป็นพอไม่เป็นเราก็ทุกข์ไปเรื่อยๆมันก่อน้เคยได้ยินท้อผู้เปรียบเทียบ ว่าคนหนึ่งนี่อยากจะให้พระอาทิตย์ขึ้นทางทิศ ต, ต, ตะวันตกนะพออย่างนี้แล้วพอพระอาทิตย์มันไม่ขึ้นทางทิศตะวันตกก็ก็ทบขึ้นมาทุกครั้งที่อยากจะให้พระอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตกแต่มันไปคิดมันไปขึ้นทางทิศตะวันออกไงเราไปอยากในสิ่งที่มันมันไม่มันเป็นไปไม่ได้มันเกิดมันไม่เกิดขึ้นมาเราต้องเปลี่ยนความอยากหรือความอยากมองความจรงิงอ๋อ เราทำไม่ได้เราทำไม่สำเร็จก็ยอมรับความจริงกันนี้ไปมันก็จบค่ะพระอาจารย์เคลียร์แล้วค่ะมีบางคำพูดของพระอาจารย์ที่หนูยังหาคำตอบไม่ได้เธอพระอาจารย์ตอบมาแล้วค่ะหนูแบบไปกังนวลว่าให้ทำไมาไม่สำเร็จล่ะเราก็มองหาวิธีแก้ไขถ้าไม่ได้ก็มองเป็นอั น, น, นอแล้วค่ะออเดี๋ยค่ะโอเคนะขอบคุณค่ะพระอาจารย์ ถ้าอคิดไม่ออกก็หยุดคิดสักพักแลไปนั่งสมาธิก่อนก็ได้เพราจิตสงบแล้วมันก็จะมองเห็นชัดขึ้นมองเห็นอะ้รชัดขึ้นอันนี้ความอยากเรามันมันมันมันปกปิดไม่ให้เรามองเห็นความจริงนะมันต้องได้มันต้องได้ต้องเป็นอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนี้เนี่ยอย่าที่ไม่มองความจริงว่ามันไม่เป็นอย่างเนี้ยจะทําไปจนวันตายก็ไม่ก็มันก็ไม่เป็นน่ะอย่าเชื่อพาะที่ขึ้นทางทิศตะวันตกมันก็ไม่ขึ้นน่ะ แต่เราอยากจะให้มันขึ้นอ่ะมันต้องขึ้นสินต้องดูความจริงด้วยความเป็นไปได้ไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอยากจะเป็นไปตามความอยากของเราได้เสมอไปนะบางทีก็ได้บานทีก็ไม่ได้ไม่ได้ก็ต้องยอมนะคอนจิเอออยากแบบนี้ไม่ได้ก็เปลี่ยนเปลี่ยนความอยากไปเนี่ยนะ อาจารย์นะมีอะไรหมไม่มีค่ะพระอาจารย์ขอบพระคุณมากๆค่ะพระอาจารย์แคทตินวิทยานะคะอ่าสวจจอ่าคุณยายกับคุณยายกับคุณสันโดษคุณยายอาจารย์ยังระลึกถึงอยู่ค่ะอ่ายายดูแข็งแรงดีอยู่นะก็เนยเน่นงนเดิมครับอาจารย์มีหลาที่ดีก็ดูแลอยู่ใช่ไหม ถ้าไม่มีหลานคนนี้เราจะยัอยู่ยายจะเดือดร้อนไหมถ้าไม่ถ้าไม่มีหลานคนนี้ยายเดือดร้อนไหมต้องอยู่ด้ยวยกันค่ะต้ อ, อยู่<ม>ด้วยจะมีท<ม>ั้งหมดสี่คนนะค ะ, ะไม่ได้คนอย<ต>ู<ม>่ไรคนยายอยู่นะครอบครัวธรรมะพระอาจารย<ม>์ธรรมะเหมือนสถาบัน<ม>ปฏิวัต<ม>ิธรรมะด้วยกันเลยเหมือนกันเลยคะ่ะธรรมะต้องทำเอาไม่มีค่ะ ไม่มีทํามาแล้วไม่ได้ทำมากเลยี่่ะรับรองได้ค่ะทีะ่จะทานข้าวค่ะที่จะทานเยอะเ อ, อ๊ะเนื่องในโอกาสปีใหม่ก็เลยพาคุณยายเข้ามากราบอาจารย์ให้องคนอคนรับปีใหม่ไม่ปีใหม่ก็ต้อเข้ามานะ <c oughs> เดือนกันยาเข้าห้องเดียร์แเนี่ยัุจะม า, หาให้พรวนด่าง มาเข้าเฉพาวันปีใหม่เลยถ้าไม่ใช่วันปีใหม่ก็ยังไม่เข้านะบก็มาด้วยนะคะเปล่านะครับว่าอาจารย์ผมไม่ได้ขายิ่งเอย่างนี้ทอยู่ครับทุกอย่างเมื่อถึงวันพุธนม็นวันเข้าห้องซูมอยู่แล้วจะไปอ้างว่าเป็นวันไม่ไม่เป็นวันปีใหม่ก็ไม่เข้าไม่ใช่ได้ค่ะทนอยู่ได้แล้วค่ะเข้าเข้าเสมอครับ มันไม่มีคำถามก็อย่างน้อยเข้ามานั่งฟังก็ได้อืมครับอาจารย์ใช่ก็ได้แตนะ่พอรู้แต่พูดไม่ถูกเป็นโรคอะไรชนิดหนึ่งของโรนทั่วไปนั่นนะคะยายพอรู้เรื่องนะคะแต่ตอนนี้พูดอะไรก็ไม่รู้นะคะแต่พอจะรู้ได้แต่พูดไม่ถูกไม่เป็นไรไม่ต้องพูดก็ได้นะเรารู้ก็รู้กัน พระอาจารย์พูดถูกใจมแต่ยาย่ยายยังต <trading> uh ิดท่านอยู่นะคะตลาดขอให้อยู่ไปนานๆนะคุณยานะแข็งแรงอือครับก็ขอให้พระอาจารย์ท่นแข็งแรงเช่นเดียวกันครับอยู่เป็นลมภพใส่ลูกหลานสาธุสาธุค่ะครับไปคุณสซรินทร์ทอนอันนี้ไปเข้าคอร์มาหรือยังไม่ออกมา ออกมาแล้วค่ะก่อนอื่นขออสวัสดีปีใหม่หลุมพ่อกันค่ะหนูกลับมาแล้วค่ะแต่ว่าหนูกลับมาแล้วหนูรู้สึกว่าหนูรู้สึกว่าอะไรมันไม่ถูกต้องอ่ะคะ่ะเพราะว่าทําไมคนอื่นที่เขาไปแล้วเขารู้สึกเบาสบายรู้สึกมีความสุขแต่หนูกลับรู้สึกทรมารรู้สึกปวดหัวรู้สึกดีใจที่จะได้ออกมาะคะ่ะที่เลยกขางัราแรง <laughs> หนูก็เลยอยากจะกลับเรียนถามอะคะ่ะเพราะว่าทําไมหนูรู้สึกว่าหนูกลับมาแล้ว จิตมันหดหู่มากกว่าค่ะอยากจะให้พระอาจารช่วยแนะนำเราเราเราปิดหวังไงเราอยากจะได้เราคิดว่าเราไปแล้วเราจะได้เลยแต่แทนที่จะได้แล้วกลับไม่ได้เลยเราพอกลับมาเราก็รู้สึกผิดหวังอ่าคือว่าเหมือนกับมเหมือ น, น, นข้ามน้ําเปล่าเนี้ยข้าวามน้ํวข้าวเหนียวาม่ใช่ข้าว เ, เ, เปล่าค่ะคือลักษณะของเขาจะเป็นนั่งนั่งตลอดเวลาแล้วก็การดูสติสมาธิปัญญา เกิดขึ้นในท่านั่งท่าเดียวแล้วก็พิจารณาไปสามวันสี่วันห้าวันแล้วก็เริ่มเข้าเริ่มพิจารณาปัญญาโดยการดูเวทนาแล้วก็ดูว่าเรามี craving a v s i o n หรือเปล่าแล้วก็ observe แล้วก็แล้วก็ใช้สติในการตัดออกไปคราวนี้เนี่ยมันมันเริ่มตั้งแต่เวลาที่หนูปฏิบัติหนูจะเดินจงกรมแล้วก็รู้กายคตตาสติในระหว่างวันนะคะ แต่ไปถึงเนี่ยเขาบอกว่าให้เรารู้ลมให้เรารู้ลมก็เท่ากับว่าไม่ให้เราใช้พุโทโธมันก็เลยเกิดจิตก็เลยเกิดอาการเว้งอะคะ่ะว่าไม่มีตัวยึดคราวนี้มันก็เลยกลายมาว่าจิตมันมีการปรุงแต่งสามวันแรกเขาบอกว่าให้เราดูตัวรู้ที่จมูกคราวนี้เนี่ยพอมันไม่มีการเดินจงกรมมันมีแต่นั่งวันละสิบกว่าชั่วโมงสิบกว่าชั่วโมงทุกวันติดกันสิบวันอย่างเงี้ยคะ่ะ มันก็เลยทําให้หนูเหมือนกับมีการคิดหนูคิดว่าจิตใจมีการต่อต้านไม่ยอมรับกับวิธีการปฏิบัติแบบนี้รู้สึกว่ามันไม่ใช่อย่างเงี้ยค่ะอค น, นเปลี่ยนเปลี่ยนวิธีเราไม่เคยฝึกมาทางนี้พอเราเริ่มฝึกแล้วเราก็ไม่ถนัดเราก็ไม่อยากจะทาำมันยากมากเลยค่ะหนูไปคุยกับครูแล้วครูก็บอกว่าก็ไม่เห็นมีอะไรกลับมาที่ลมแต่ เหมือนการที่บอกว่าให้กลับมาที่ลมกับจิตที่เราคุ้นชินกับการปฏิบัติคนละแบบมันไม่ได้ใช้เวลาในการพูดปุ๊บได้ปรับอย่างเงี้ยค่ะจิตมันเลยต่อต้านคราวนี้มันกลายเป็นว่าพอเข้าวันที่สี่วันที่ห้าเนี่ยหนูรู้สึกว่าหนูไม่มีสติเลยเพราะหนูไม่สามารถดูลมที่ปลายจมูกได้มันมีแต่สมาธิอะค่ะพระอาจารย์แล้วคนนั่งเนี่นั่งไปแบบสามวูบอย่างเงี้ยสมมติว่านั่งหายใจครั้งที่หนึ่งครั้งที่สอง ครั้งที่สามนี่มันวูบลงลึกลึกลึกลึกลึ ก, ลกในระระดับที่ว่าเหมือนมีมวลพลังงานมากๆเกมาดึงเราแล้วเราก็อยู่ในมวลพลังงานานั้นเรารู้แล้วว่าเราจะต้องถูกดูดเข้าไปในเนี้ยแต่ว่าเราออกมาไม่ได้เพราะเราไม่มีสติอะค่ะแล้วสุดท้ายเราทำอะไรไม่ได้เราก็ได้แต่นั่งนิ่งนิ่งแล้วก็ปล่อยนิ่งมีแต่รู้อย่างเดียวอะค่ะนิ่งนิ่งอย่างเดียวเลยอะค่ะพระอาจารย์ จนกระทั่งเป็นอย่างนี้อยู่ประมาณสองวันนะคะพอเข้าวันที่หกหนูเริ่มคิดว่าหนูเริ่มบ้าค่ะผาจานหนูเริ่ ม, มหนูเริ่มออกไปรู้ไปเห็นอะไรข้างนอกเต็มไปหมดเลยจนมันควบคุมไม่ได้อะคะ่ะเหมือนเวลาจะนอนก็รู้สึกว่าตัวเองอยู่ในที่มืดมากๆแล้วก็มองออกไปไกลๆก็จะเป็นเหมือนภาพอะไรบางอย่างแล้วจิตกําลังจะพุ่งออกไปที่นั่นอย่างเอะคะ่ะคืนหนึ่งก็จะเห็นอย่างนี้ประมาณสองครั้ง แล้วมันก็พุ่งออกไปเหมือนเป็นลรงละครโรงใหญ่อะค่ะพระอาจารย์มันเหมือ น, นมันมีเรื่องราวแล้วเราก็หลุดเข้าไปในเรื่องราวเหล่านั้นแล้วเราก็ไปรู้ไปเห็นเรื่องราวของคนนั้นคนนี้แล้วเราก็ไปยืนคุยกับเขามันไม่มีสติอย่างรุนแรงค่ะพระอาจารย์ทุกครั้งที่เวลาเข้านอนหรือว่าเวลาแค่สิบห้านาทีจิตก็สามารถพุ่งออกไปอะไรแบบนี้ได้เป็นเวลาประมาณสามวันนะคะจน จนหนูรู้สึกว่าหนูจิตหลอนนะคะเป็นเพราะว่าหนูไม่มีกําลังสติฉะนั้นเวลาที่มีพักเที่ยงหรือว่าพักอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็จะเดินจงกรมตลอดเวลาเพราะว่ามันเป็นวิธีเดียวที่หนูสามารถดึงสติกลับมาได้แต่เหมือนสติมันน้อยมันมันไม่สามารถควบคุมแล้วก็เหมือนกําลังสมาธิมันน่าจะเยอะไปหรือว่าจิตฟุ้งซ่านไปอะไรก็ไม่ทราบอะคะ่ะแต่ทําให้ เหมือนเหมือนหนูหลอนหลอนยังไงไม่รู้ค่ค่ะพระอาจารย์หนูไม่รู้ว่าทํำยังไงแล้วก็พูดกับใครไม่ได้ทุกครั้งที่ไปคุยกับครูเขาก็จะบอกว่าให้กลับมาที่ลมหายใจแต่หนูไม่มีตัวคะ่ะมันไม่มีลมหายใจหนูไม่รู้ว่าจะกลับมาอย่างไงค่ค่ะแล้วมันก็มันก็รู้สึกไม่ไม่โอเคเลยคะ่ะพระอาจารย์แก้ยังไงดีคะ่ะพระอาจารย์พอหนูกลับมาบ้านหนูรู้สึกว่าหนูคิดได้แค่ทีละอย่างมัน มันคิดได้มันนิ่งอย่างเดียวค่ะมันได้แต่นิ่งอะค่ะอาจารย์ออเนี่งแล้วมันนี่งแบบไหนนี่งแล้วสุกเมื่อนี่งแล้วไม่สุกอะไม่มีอารมณ์เลยค่ะอืามันี้มันเนี่งแท้จริงมันนั่งเนี่ยงแล้วมันมีความสุขอืมอ่านี่แสดงว่ามันนี่งแบบฝืนๆยังไงมันเลยไม่มีความสุขค่ะแล้วไอ้ภาพที่เห็นต่างๆหนูก็รู้สึกว่ามันมันหลอดมากแล้วหนูก็ไม่อยากไปเพราะว่าเราเลือก เราเลือกไม่ได้ว่าเราจะเห็นอะไ ร, ไ เ, ร, เ, รเราเราก็ปล่อยให้มันผ่านไปเสียอย่าไปสนใจมันผ่านไปแล้วเร า, าก็กลับมาเริ่มต้นที่เราเคยทําต่อไปเราเคยเดินโยมกมลมลราก็เดินโยมกลมไปเราเคยพุทโธแล้วก็พุทโธเราไปเหมือนเดิมเลยแล้วการที่ค่ะพระอันนี้เป็นคําถามหนึ่งด้วยค่ะที่หนูไปถามครูอะค่ะว่าหนูปฏิบัติมาเป็นแบบพุทโธมาตลอดอยู่ๆ<ม>ครูไม่บอกว่าไม่ให้ใช้พุทโธแล้วใช้สัต สติอะค่ะใช้อเวนเนี่ยเขาใช้เขาว่าเขาใช้ลมเหมือนมันไม่มีกำลังอะค่ะเวลาสติแล้วไม่มีกำลังพอที่จะรู้เฉยๆได้ค่ะคราวนี้เนี่ยขเขาบอกว่าเขาบอกกับหนูว่าถ้าจะใช้พุทโธสภาวะจิตก็จะไปได้แค่ระดับนี้นะถ้ายูคิดว่ายูจะไปสูงกว่า น, นี้อยู่ต้องทิ้งพุทโธหนูก็เลยหนูก็เลยเกิดอาการ คิดว่าหนูเกิดอาการต่อต้านจากตรงนี้ค่ะเพราะว่าหนูเหมือนกับมันเควง้งว่าไม่รู้จะยึดอะไรพอกลับมาบ้านหนูก็เลยพยายามเดินจงกรมโดยใช้แต่เหมือนกับใช้ความรู้สึกอะค่ะแล้วก็มาฝึกฝึกรู้ลมจากจมูกแต่ว่าแล้วหนูก็มีการนั่งสมาธิเพราะหนูกลัวหนูกลัวค่ะไม่รู้จะทำยังไงค่ะพระอาจารย์ก็ทำเหมือนเดิมเลยก่อนก่อนที่เราไปเราจไปทาอย่างไ ร, รก็กลับมาทาอย่างนั้นไป แล้วที่เขาบอกว่าจริตที่บอกว่าพุโทโธนี่มันจะได้แค่ไม่เกี่ยวไม่จริ ง, ร ไ, มงไม่เกี่ยวหรอกพุโทโธนี่ก็ทำให้เราเข้าฌานได้เท่ัง้งเองไม่ได้เป็นเป็นทางปัญญาอะไรอย่างใดทางปัญญาต้องไปอริยสัจสี่ตายรักที่หนึ่งมันถึงจะไปไกลกว่านั้นค่ะที่ส่วนนี้ส่วนใหญ่ก็ฝึกสติเพื่อให้ใจสงบเป็นสมาธิเท่านเองแสดงว่าสิ่งที่หนูไปเรียนรู้มานี่คือเหมือนกับมันไม่ตรงจริตเลยใช่ไหมคะมันไม่ใช่จริตด้วยแล้วก็ไม่ถูกด้วย เราเพียงเราไม่อยากจะวิพากษ์วิจารณ์นะเพราะเป็นเรื่องของเขาไปเขาจะเขาจะเอยู่าง้นก็อาอย่างนั้นไปแต่แล้ว่าไม่ใช่วิธีเราข้าหนูก็เลยกลับมาตั้งตั้งแต่หนูกลับมาหนูก็เลยรู้สึกว่าอย่างที่หนูเรียนพระอาจารย์หนูไม่กล้านั่งสมาธิหนูกลัวว่าหนูจิตจะหลอนนะคะพระอาจารย์หนูก็เลยหยุดก่อนแล้วหนูก็คิดว่าถ้าหนูนั่งสมาธิไปตั้งหนึ่งรอยชั่วโมงเนี่ยสิบวันเนี่ย หนูต้องกลับบาเจริญนสติไม่ต่ำกว่าหนึ่งร้อยชั่วโมงเพื่อให้มันกลับมาบาลานซ์กันให้ได้อย่างเงี้ยค่ะหนูก็ระนีการนั่งสมาธิอะค่ะกะไม่ต้องนั่งก็ได้ตอนนี้ก็ดังจงกรมไปเรื่อยๆก่อนเอาสติกลับขึ้นมาเนล้วพอเรารู้สึกว่าพอจะนั่งได้ก็นั่งถ้ามีสติคุมเวลานั่งเราเม่อก่อ น, นเราดูลงแล้วเรานั่งเราใช้พุทโธก่อนหน้านี้หนูใช้พุทโธค่ะแล้วก็วพอ พอมันเริ่มเบาลงแล้วพอเริ่มเบาลงพอตัวพุทโธเริ่มเริ่มนิ่งหายไปหนูก็มาจับที่ลมฉะนั้นลมตอนที่หนูจับมันจะเป็นลมที่ละเอียดแล้วะะอ่ะค่ะอ่าก็ต่อมาทําอย่างนั้นไหม่ค่ะไม่ไต้องกลเราไม่มีอะไรน่ากลัวเราถ้าเรามีสติแล้วนั่งสมาธิยังไงก็ไม่มีอะไรมาหลอกเราได้แต่ย่านั่งแบบไม่มี ส, สติเท่านั้นเองอย่านั่งเฉยๆแบบใช้สติต่งที่เขาสอนให้มัใช้สติ สติเรามันไม่มีพอมันไม่มีกำลังพอจิตมันก็จะปรุงแต่งขึ้นมาแล้วเอาเรื่องราวต่างๆมาหลอกเรางั้เราเรนั่งเราอย่าไปนั่งเฉยๆอย่าไปคิดว่าเรามีสติพอที่จะคุมจิตได้ยังคุมไม่ได้หรอกอรตอนอาสายพุโทโธก็สายการดูลมหายใจเขาค่ะหนูไม่หนูไม่กล้านั่งจนกระทั่งเมื่อวานนี้หนูฟังสูมพระอาจารย์ที่คุยกับคนค น, คนที่ชื่อสมานจี้นะคะ ก็หนูก็เลยลองมานั่งดูว่าพอพระอาจารย์บอกว่าให้กลับมาดูที่แคนโดของเขาใช่ไหมคะแต่หนูว่าถ้าหนูถ้าหนูยังดูที่พุทโธหนูก็ไม่ทิ้งพุทโธเพราะว่าเราปฏิบัติพุทโธมานานมากแล้วจิตมันแล้วดิอยู่แบพุทธโถไปเรื่อย ๆ, ๆน่าจะปลอดภัยไม่มีอะไรน่ากลัวค่ะแล้วหนูก็เลยนั่งสมาธิหนูก็เลยนอนลองนั่งสมาธิเมื่อวานนี้ มันมีอาการเหมือนเดิมอะค่ะว่ามันเหมือนจะถูกดูดเข้าไปข้างในอะคะอ่ะอย่าไสนใจยอย่าไปสนใจการให้อยู่กับพุทโธไปเรื่อยๆค่ะแล้วหนูก็ดึงกําลังแบบพยายามพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธอย่างนี้เลยอะคะอ่ะอืแต่แล้มวมันก็สนใจแกับอาการต่างๆได้ปรากฏขึ้นอยากทิ้งพุทโธให้ยึดกับพุทโธไปค่ะค่ะก็พุทโธเราจะพุทโธธรรมโมสามโภก็ไันนะค่ะ พุโทโธอย่างเดียวไม่อยวนพุโทโธตัมโมสังโกอานิจังทุกขังอนัตตากันเค่ะแล้วพอพอหนูใช้คําว่าพุโทโธมากๆคือหนูไม่ยอมทิ้งพุโทโธเลยอะค่ะม่วงวานอย่างเงี้ยค่ ะ, คะแต่แล้วมันก็เหมือนกลับกลับมาเป็นปกติได้อ่ะค่ะ ม, มันไในสติกลับมาแล้วได้สติกลับมาค่ะไม่งั้นก่อนหน้านี้มันมีแต่ความรู้สึกว่ามันกําลังจะหลุดออกไปหรือเรากําลังจะถูดดูดลงไปแล้วเราไม่มีกําลังพ อ, อที่จะ ขึ้นมา okay, แล้วไม่มีรายยึดเหนี่ยวจิตใจใช่ค่ะพระอาจารย์แล้วที่สติแล้วทีพ่พูดโทไปที่ยึดเหนี่ยของเราคือพูดโทรใช่ค่ะพระอาจารย์หนูเลยรู้สึกเศร้ามากในขณะที่ปฏิบัติหนูรู้สึกว่าหนูมันไม่ใช่อะไม่แล้วก็ออกมาไม่ได้แล้วก็คุยกับใครไม่ได้ทําอะไรก็ไม่ได้มันก็เลยหดหู่พอตอนออกมาแล้วมันกลายเป็นรู้สึกว่าจิตมันเสื่องซึงมอค่ะพระอาจารย์หนูก็เลยรู้สึกว่านี่ไม่ใช่จริตเราจริงๆหรือไม่ก็เราต้อง เราต้องเชี่ยวชาญทางด้านการดูลมให้มากกว่านี้ก่อนจิลับเสื่อมไปสติลับเสื่อมไปเมื่อก่อเราไม่สติพอที่จะควบคุมใจเราให้มีความสุขได้แต่พอเราทิ้งพุทโธไปแล้วมันก็เลยไม่มีอะไรมาควบคุมใจเราพยายามใช้สติใช้พุทโธบ่อยๆก็คือกลับมาปฏิบัติแบบเดิมก่อนที่จะไปก็ลืมวิธีนี้ไปเลยอันนี้ไม่ใช่ของเราทิ้งแล้วไม่ใช่ทางของเราค่ะพระอาจารย์ค่ะ ทำาปนธรรมะทำมันเป็นทรรม เ, เ, เ, เราก็ต้องสงบ ก, กลับมาเลยนี่ไม่สงบนะห น, หนูไม่เคยคิดว่าหนูไปการเป็นการปฏิบัติคือหนูใจหนูก่อนไปเนี่ยหนูตื่นเต้นหนูอยากไปปฏิบัติธรรมแตม่หวังมากนะไม่หวังมากแต่พอไปแล้วมันไ ม, <ห>ไม่ใช่ทางมันไม่ใช่าาทางคค่่ะะจทางมันต้องมีอะไรยึดเหนี่ยวจิตใจต้องมีพุโทโธมีอมมีอะไรมีสติมีกรรมฐานเขาเรียกกรรมฐาน อนี่เขาจะใช้ไม่เขาจะไม่ใช้คํามฐานเขาจะให้แต่ใช้ตัวรู้เลยถึงตัวรู้เราตอนนี้มันไม่มีมันไม่มีกําลังที่จะรู้เฉยๆของมันเองได้มันมก็จะถูกตัญหากิเลสตัญหามาปรุงแต่งเรื่องราวต่างๆมาหอกเราน่ากลัวมากค่ะว่าน่ากลัวมากเหมือนคนเหมือนเหมือนจิตมันซ้อนอยู่ในจิตซ้อนอยู่ในจิตเหมือนเล่าอยู่อยู่ซ้อนฝันอย่างนี้นะคะอื แล้วเ ร, เ, รเราไม่มีสติเราไม่มีสติควบคุมมันค่ะเขาะจะให้เราใช้ตัวรู้ควบคุมมันแต่ตัวรู้เราไม่มีไม่มีใครควบคุมมันได้มันยังมันไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของเราสิ่งที่เขาบอกหนูบอกว่าการใช้พุทโธคือการใช้สมมุติแล้วทําไมเอาสมมุติมาบัญญัติวิมุตอะไรประมาณเนี้ยค่ะหนูเขาก็าว่าไปตามทฤษฎีของเขาไป ใ, ใช่ไหยคะอืม หนูก็เลยค่ะค่ะก็ประมาณนี้ละคะ่ะหนูก็เลยกลับมาแล้วเหมือนกับหนูต้องการกำลังใจหนูต้องการ ม, มันสับสนนะคะพระอาจาจรย์บุทโธนี่เป็นพุทธามัธสติเป็นกรรมานอัอย่างหนึ่งเป็นอารมณ์ที่เราสามารถใช้ยึดเหนี่ยวยึ ด, ย, ดยึดเหนี่ยวให้กับจิตใจไม่ให้ลอยไปกับความผุ้งร้างต่างๆได้ค่ะอคะืค่ะกลับขอบพระคุณพระพัฒนาจารย์มากเลยนะคะที่กลับมายืดเหมือนเดิมกลับมา เอาคุดโทรหนึ่งสติกรลังก่อนค่ะพระอาจารย์ค่ะแ่้วลืมเรื่องที่เราไปใช่ไมันเป็นอนดีตมันเราผ่านมาแล้วะค่ะก็ ก, ก็หนูก็พยายามอย่างเดียวที่หนูได้ก็คือไปรักษาสี่งแปรรักษาสี่งแปรแล้วก็พยายามคิดว่านะก็ไม่ต้องไปถีงเขาหรอกเพราะที่เสของเขาไปอย่างนี้ก็าปล่อยเขาทขําไปหรือว่ามันไ ม, ม, นไม่มันไม่ถูกกับเราก็แล้วกันแต่คนอื่นที่ไปนี่คือเขาแบบโทรมาถามไปอีกไหมอีกสองเดือนไปอีกไมหมหนูแบบ แมวขอผ่านเขาบอกว่าอุ๊ยมันดีมากเลยอารมณ์เขาเปลี่ยนไปเขาเพราะว่าเพราะว่ามันดูเวทนาไงค่ะอารมณ์เขาเปลี่ยนไปแต่หนูไม่หนูไม่เห็นนะคะหนูไม่มีสติใช่ะไม่ถูกก็แล้วกันถือว่ามไม่ไม่ใช่ทางของเราอีกหนึ่งเขาจะถูกทางแล้วก็ปล่อยเขาไปเรากลับมาทางเดิมที่เราเราทําแล้วเรามีความสุขก็แล้วกันค่าผ้าจานค่ะ กับขอระคอาจารย์ที่ให้กําลังใจนะคะหนูจะได้กล้ากลับมาปฏิบัติต่อไปค่ะขอบพระคุณมากมากอ่าชูโจ้าค่ะคุณฝนอันนี้พาใครมาด้วยกับนวัตกรรมค่ะพรอาจารย์พาสามีมาด้วยค่ะพระอาจารย์สวัสดีปีใหม่พระอาจารย์เจ้าค่ะพอดีไม่ใหม่พอดีไมใหม่ครับตอนต่างค่ะพอดีค่ะ พอดีเขาอยู่บ้านช่วงช่วงปีใหม่อะเจ้าค่ะก็ไม่ได้ขึ้นไปทางชนบุรีพัทยาก็เลยก็เลยอยู่ตรงกับวันพอดีก็เลยให้เขาเข้ามาได้มีโอกาสมากราบพระอาจารย์ว่างอะเจ้าค่ะก็ดีได้ได้รู้จักกันครับพระอาจารย์ครั บ, รบส่วนใหญ่จอแต่คนฝนอย่างเดียว ก, ก็ลูกชาย <c oughs> ลูกชายอยู่บ้านเลูกชายไม่อยู่ค่ ะ, <c oughs> ล, คะลงไปเล่นแล้วเจ้าค่ะ <c oughs> หนูก็พาเพราะว่ากกว่าจะพามาให้เอ่เจอพระอาจารย์เพราะว่าหนูมีบอกเขาไว้ว่าเผื่อวันไหนเนี้ยที่พระอาจารย์ลงเทศวันธรรมดาค่ะหนูจะฝากของไปถวายค่ะให้เขาเข้าวัดไปถวายพระอาจารย์นะคะอืมอ mm ่า hmm. mm hmm. ก็ก็ดีค่ะพระอาจารย์ก็ที่อาทิตย์ที่แล้วพระอาจารย์ให้การบ้านไปว่าเอา่อที่หนูมักจะว่าไปคิดนะคะระหว่างที่อา่านั่งสมาธิะคะ่ะแต่ แต่หนูไม่ได้คิดไปในทางกิเลสนะคะหนูก็คิดไปทางปัญญาแบบเนี้ยค่ะอ่า อ, อาทิตย์นี้หนูก็ตั้งใจทําความเพียรนะคะ่ะตั้งใจปฏิบัติบูบชาด้วย<ม>ก็หนูใช้หลักอ่าพุทโธธ โ, โมสังโฆอะคะ่ะเพราะว่า<ม>เหมือนพุทโธที่มันสั้นไปอะคะ่ะเราก็เลยใช้พุทโธธ โ, โมสังโฆก็ดีขึ้นค่ะพระอาจารย์ไม่ค่อยไม่ค่อยได้แบบไม่ค่อยได้วาดไปคิดอะไรมากมายะคะ่ะแต่ ม, มีบ้างแต่ก็รู้ว่าค่ะพระอาจารย์<ม>ก็ยังยังนั่งอยู่อะคะ่ะ ก็ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆก่อน อ, อยากคิดถึงแม้จะเป็นปัญญาก็อยากคิดเวลาที่เราฝึกสมาธิเราต้องการหยุดความคิดทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นปัญญาหรือเป็นกิเลสอย่าปล่อยให้มันคิดถ้ามันคิดแล้วมันจะไม่สงบมันจะไม่สามารถเข้าไปสู่ในสมาธิได้ถ้ายังเข้าสมาธิไม่ได้เรายังจะไม่มีกําลังที่จะควบคุมใจเราเนะ่ะเราได้เราต้องการควบ <S <S ต้องการสร้างกําลังเพื่อมาควบคุมใจเราก่อน ถ้าเราควบคุมใจเราได้เราก็จะควบคุมกิเลสได้ต่อไปมันเหมือนชอบแบบคือหนูไม่ได้ตั้งใจนะคะพระอาจารย์แต่เหมือนว่าแบบมันมันชอบคิดไปเองในหัวะคะ่ะเรื่องแบบเราสมมติหนูนั่งแบบนี้หนูรู้สึกแบบนี้เออหนูนึกถึงคําของพระอาจารย์ทีเเ่เราเผลอแล้วไงเราเผลอแล้วสติเราหายไปแล้ว ม, มันได้อยู่ยกัพุโทโธธรรมูสังโฆแล้ว ค่ะใช่เจ<ม>้าค่ะแต่ว่าพอพอเปลี่ยนมาใช้คือพอช่วงก่อนนั้นนี้ใช้วิธีท่องอิติปิโสท่อนแรกค่ะจนจบท่อนแรกแต่ก็รู้สึกว่าเออทีมก็ยาวไปก็เลยตอนนี้ใช้พุโทโธธรรมสังโฆแล้วรู้สึกว่ากําลังดีอะคะ่ะแล้วตอนนี้ก็เลยใช้แต่พุโทโธธรรมสังโฆไปเรื่อยๆอะค่ะอ่าดีต้องปรับไปเรื่อยเหมือนไปหาหมอหมอก็ต้องเปลี่ยนยาเรื่อยลองยาแบบนี้ไม่ดีก็เปลี่ยนยาแบบนี้ดูอ่า S <S <S ไม่ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องกลัวถ้าเรารู้สึกว่าวิธีนี้มันไม่ถูกเราเราก็ลองเปลี่ยนวิธีใหม่หนึ่งค่ะก็พยายามหาวิธีที่ที่ถูก ท, ที่ตัวเองจะจะ จะโอเคที่สุด่ะคะพอรอาจารย์<ม>ตอนนี้ก็เหมือนหาไปเรื่อยๆะค่ะพระอาจารย์ก็ก็ก็ค่อยๆค่อยๆทาไปะคะ่ะ<ม>ก็แต่ว่าตอนนี้คือที่หนูกล่าเรียนพระอาจารย์ว่าหนูตั้งเป้าไว้ที่40นาทีะคะ่ะก็ยังไปไม่ถึงนะคะแต่ว่าไม่ได้ลกความเพียรค่ะก็ก็<ม>ยังมีความเพียรยังทําไปเรื่อยๆเดี๋ยววันหนึ่งก็คงถึงเองะะอ่ะพระอาจารย์ต้องฝึกสเตจให้มากก่อนมานั่งด้วยค่ะ <c oughs> อาจจะมาทําแต่เฉพาะเวลาที่เรานั่งมันกำลังมันไม่พอค่ะ <c oughs> พยายามฝึกสติบ่อยๆพุโทโธธรมโมสังโคตั้งแต่ตื่นขึ้นมาเลยก็ได้ค่ะ ก, ก็ทำค่ะพระอาจารย์ถ้าเกิดนึกได้มเมื่อไหร่ก็พุโทโธธรมโมสังโคแต่อย่างที่พระอาจารย์บอกว่ามันไม่ต่อเนื่องค่ะมันไม่ต่อเนื่องตลอดเวลาค่ะมันก็เป็นอุปสรรคอะไรแบบเนี้ค่ะเวลานั่งนั่นั่ง่งน้ำนมลูกคุกยงไงสติเรายังเป็นเหมือนเด็กอยู่เด็กที่กําลังหัดยืนหัดเดินอยู่ หนูกน็บางทีอย่างเมื่อวานนี้หนูก็เดินจงกรมเองในบ้านค่ะเดินยี่สินาทีแล้วก็มา น, นั่งต่อค่ะช่วงช่วงนี้ขยันนิดนึงค่ะก็เลยมีความเพียรเยอะค่ะพระอาจารย์ก็ก็เลยมากลับเรียนพระอาจารย<ม>์นะคะพระอาจารย์จิตเรามันก็แบบขึ้นขึ้นลงบางทีก็มีกำลังบางทีก็ขี้เกียจในช่วงไหนที่มันขยนันก็เลือกชว์โอกาสเอามาทําให้มากที่สุดค่ะช่วงขี้เกียจก็พยายามกระตุน้นับ้างคิดถึงความตายบ้างก็ได้ มาเกียจทำไมเดยว่าตายแล้วเวลาของเราไม่น้อยลงไปทุกวั น, นปลุกมันขึ้นม า, อาพอดีหนูเห็นที่ตอนนั้นที่อาทิตย์ก่อนที่พระอาจารย์พูดเรื่องที่ว่าพระอาจารย์อาจจะเช็ดหรือแค่ครึ่งชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็กระตุ้นเลยว่าอาจารย์ตกใจกระตุ้นขึ้นมาแบบโอ้โหแอคทีฟมากเลยค่ะหลังจากนั้น ตั้งใจตั้งใจมากเลยค่ะตั้งใจทําความเพียรมากเลยค่ะไม่อยากให้มันช้าค่ะอาจารย์เราก็พอดีวันนี้เห็นพระอาจารย์แบบมีตอนหลังจากเทศเสร็จมีแจกของด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็อยากได้ค่ะหนูก็เลยกล่าวว่าถ้าเกิดยังเหลืออยู่เดี๋ยววันเสาร์นี้หนูจะไปค่ะอาจารย์โอเคยังมีอยู่แต่จะไม่ได้แจกทุกวันแจกเฉพาะวันวันสําคัญสำคัญแต่ก็มีเก็บไว้อยู่แต่ต้องมาขอต้องมาบอกว่าต้องการนเวลา ไปลานไลานแล้วค่อยมาเอาค่ะได้เจ้าค่ะก็เดี๋ยววันเสาร์นี้หนูจะไปค่ะพระอาจารย์หนูก็จะไปขอค่ะพระอาจารย์ตั้งใจนค่ะกล่าวขอว่าคุณพระอาจารย์กล่าวสวัสดีปีใหม่พระอาจารย์ขอให้พระอาจารย์ธานขันแข็งแรงนะเจ้าค่ะเช่นเดียวกันนะสาธุเจาค่ะในสุขภาพแข็งแรงอยู่ไปนานนานสาธุค่ะพระอาจารย์ค่ะจะได้มีแรงปฏิบัติค่ะอ๋อพี่แ เครื่องกูนวกเครือหนวกมันเครื่รองกนวมีปัญหาเสียงไสียมันวมันมาตามมีเสียงขึ้นอย่างนี้ต้องปนไดน้องเปลีนแล้วเปิดใหม่ต้องเปลีนแล้วเปิดใหมเ่เสาม่ออกต้องเปิ ด, ป ด, หปดใหม่เล ย, ลลยเนี่ อ่าเหมือกันนี่เจนะใช้ใช้ไมค์ของพอว่าใช้ใช้เสียบสายอยู่อ่ะเสีบาถอดออก้องถอดสายออกหน่อยโอเคลองพูดดูไหได้ยินไหมเจ้าคะอ่าอันนี้โอเคแล้วแสดว่าสายได้ยินได้ยินแสดว่าสายมีปัญหาจค่ะสมันชยังไงนี่อจ้าค่ะน้องกับรการ สวัสดีปีใหม่เจ้าคะาา่ะท่านอาจารย์ได้ยินชัดไหมเจ้าคะ่ะชัดเจนชัดเจนค่ะหรือก็ ก, กลับวันเข้าห้องเรียนเจค่ะทานอาจารย์หายไปสองอาทิตย์เจ้าคะ่ะอไม่ไปเที่ยวมาเลยไม่ได้ไปเที่ยวเจค่ะทานอาจารย์อยู่บ้านเจ้ค่ะแต่มีออกไปซื้อของบ้างไปวัดขอไปซื้อของบ้างก็มีทะเลทรายน้อยเจคะ่ะอาจารย์ดนด้วยกันจีนี้เจ้าค่ะดึงไปวันนี้ก็ดนน็อกนกัเล่นก่งนะอ<ย>าจารย์หนูแพ้เรื่องนี้ คือว่าเรื่องรถเนี่ยเจ้าค่ะอาจารย์อ <c> า <oughs> จารย์ทราบตลอดจ้ะเวลาเทศ่ยวันนี้มึงก็จะสะดลมเที่ยแต่วันยังไม่เข็ดเจา้าค่ะอาจารย์วันนี้เบลนี่ไปหกก้อนเลยหลังจากตั้งสัจจะไว้ว่าถันว่ า, าข่มงดีด้วยค่ะอาจารย์คือทดลองพวกล<บ>มืเดียวแล้วก็กัดขนมวันนี้เหมือนวัวออกจากข้อเจ้าค่ะอาจารย์บาวนี่้ใหญเลยบ้าเไดเต็มที่เลยยอาาจ์ มือเดียวก็ไม่เหลือเจ้าค่ะอาจารย์คือแต่ไม่เลยเที่ยงนะเจ้าค่ะคือไปวัดด้วยแล้วพอพออยู่ที่วัดรู้สึกว่าทานเข้าไม่อิ่มฝากไปนะช่วยไหยิบเท้ากับกับข้าวมาให้หน่อยวันหนูรู้สึกยังไม่อิ่มอะไรอย่างนี้เจ้าค่ะอาจารย์แล้วพอดีทานเสร็จคุณแม่แฟนก็ให้ทุเรียนมาอะไรอย่างนี้เจ้าค่ะกระทานทุเรียนแต่ดีใจว่าเอาชนะความอยากทานทุเรียนคือเอาไปแบ่งได้ตั้งห้าหกคนเจ้าค่ะอาจารย์แต่หนูก็ได้ทานแค่นิดเดียวอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะก็เ<ม>ลยว่ได้แบ่งกันอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะพอออกมาก็ เรื่องเรื่องทานเนี่ยค่ะอาจารย์เรื่องกินเนี่ยค่ะหนักหนักหนักเขาเรารู้ยังติดหนูคือพระอาจารย์เจ้าคะมันมันเกิดจากการที่เราอดด้วยไหมเจ้าคะพระอาจารย์เลยทําให้อยากมากหย่านีเจ้าค่ะมันก็โดยหลักก็คือมันอยากกินอ่ะจะอดต้องไม่อดมันมันก็อยากวิธีแก้วิธีแก้มันก็ต้องดูตามดูสภาพของมันเด้ออย่าไปดูแต่เฉพาะมันเวลามันอยู่ในอาจารย์ ตามเข้าไปดูเวลามันอยู่ในป่ามันเคี้ยวก็ขบเคี้ยวแล้วก็มีน้ำลงน้ําลายผสมมาแล้วมันก็คือลงไปเข้าไปอยู่ในกระเพาะนะไดมันไปกระทั่มันออกมาอยากทวารใหญ่นะพยายามดูตอนมันออกมาใช่ไหมครับพระอาจารย์ก็ก็ดูทิ้จใช่ไหมครัพระอาจารย์แต่มันก็ยังยังรู้สึกว่าคือของเรามันก็ไม่ประทัดใจยังไม่บรรทัดใจ พระอาจารย์แต่ไปเห็นของของของหมาหมาที่เขามาชอบมาเอื้อนาบ้านนจาคะแล้วลูกไปเก็บอย่างเงี้ยเจ้าค่ะแล้วก็นึกถึงตรงนั้นแล้วกลิ่นมันแรงมากแล้วจนตืนต่ใจสะออย่างเงี้ยเจ้าค่ะพระอาจารย์ก็ตรงนั้นหน่อยคือพอจะนึกสิ่งสิ่งของหมาทีิจารพระอาจารย์นึกถึงเนมันมันก็เลยอร่อยเลยแพ้เจ้าค่ะพระอาจารย์หนูไม่ได้เชื่อว่าหนูจะทานบอนีไปหก้อนเลยเจ้าค่ะวันนี้กลัวอาจจะท้อก็ค่ะแล้วก็ ได้เขาสอบมาเจ้าค่ะอาจารย์พอโทรหาแม่ที่อยู่ต่างจังหวัดก็แม่บอกว่าลูกพี่ลูกน้องที่บ้านติดกันเจ้าค่ะพอาจารย์ก็เล่นด้วยกันมาเวลาหนูกลับบ้านแล้วไม่ได้ไม่ได้ไปกับแฟนหรือว่าไปกับแฟนแต่ไม่ได้รถไปเขาจะกจะมารับที่สนามบินนึงใช่ไหมแล้วก็มาส่งทีเขาเอามาจะใส่ไปล้มเจ้าค่ะอาจารย์น่าจะเมาตอนนี้อาการโคม่าคือไม่รู้สึกตัวแล้วก็สมองอ่ะเหมือนกับว่ากะโหลกแตกตาเนี่ยเหมือนจะถล่มลงมาข้างนึง แต่คือยังดีชีวิตว่าเคผ่าตัดสมองอยู่นางเจ้าขาพอาจารย์แล้วก็หนูพี่สาวส่งรูปมาให้ดูหนูสงสารเขามากเห็นน้ําตาก็ไหลแล้วก็เขาบวมเจ้าขาพอาจารย์แล้วก็สงสารเขาจ้ะค่ะเมื่อเช้าพอทราบมีวันไหววันไหวนิดนึงแต่หนูก็คิดว่าเหมือนที่ที่พญาจันท์เทศอลยเจ้าค่ะขอบใจพี่สาวก็าเป็นอย่างว่าหนูหนูไม่กล้าสอนแต่หนูยกคำว่าของท่านพญาจารย์ว่าร่ากายนี้มันก็เป็นเหมือนรถยนต์นะเจ้าขาพญาจันท์ คือพอรยนต์มันมันมันเก่ามากแล้วไม่ไหวก็ก็ต้องต้องยอมให้ให้เขาไปเต็มเจ้าแต่เห็นสภาพเขาแล้วสงสารเขาเจ้าค่ะอาจารย์บวมบวมแล้วแบบเหมือนที่สาวเขาเล่าให้ฟังว่าตาเขาจะจะถลนลงมาจ้าค่ะอาจารย์เพราะว่าตาตาข้างขวาเขาเนี่ยเหมือนจะเสียเสียแน่ๆเพราะว่ากระโหลกเนี่ยเหมือนจะแตกอะไรจ้าค่ะแล้วก็ส่วนข้างซ้ายก็อาจจะไม่ไม่ไม่เห็น แต่ตอนนี้คือที่แน่ๆเขาไม่รู้สึกตัวเจ้าค่ะแต่มีน้ําตาไหลออกมาแล้วก็ต้องการเลือดกรุ๊ปโอนี่ยสาค่ะเพราะว่าที่โรงพยาบาลน่านตอนนี้ขาดเลือดกรุ๊ปโอมากมากเจค่ ะ, คะอาจารย์ที่ต้องต้องไปขอเลือดกรุ๊ปโอกันอย่างนี้เจ้ค่ะหนูก็เห็นแล้วก็เป็นตามไปตามกฎอนิจจังทุกขงขังน้ําตาไม่มีอะไรแน่นอนมีเจริญแล้วก็ต้องมีเสื่อมเป็นธรรมดาใช่ค่ะนีะ เราอยากให้มันเจริญอย่างเดียวไม่อยากให้มันเสื่มอมพอใจมันเสื่อมแล้วก็เลยทุกข์ใจเพราะความอยากไม่ให้มันเสือ่อมนั่นเองเราไม่อยอมรับความจริงว่ามันต้องมีวันเสื่อมมีติดนิดนึงเจ้าค่าะอาจารย์หนูก็ยังมีติดว่าคือถ้าเขายังไม่หมดบุญก็ยังยังแอบว่าอยากให้เขารู้สึกตัวแล้วปลอดภัยอย่างนี้จ้าค่าะอาจารย์เพราะว่าค่อนข้างจะสนิท ก, กันนิดนึงเหมือนแครจ้าค่าะอาจารย์แต่ช่วงที่กลับหน่านไปเนี่ยหนูนึกถึงบุญนี้ว่าเขาเคยช่วยชีวิตนก ป, ป่าหนูเจ้าค่าพะพะอาจารย์ นกเนี่ยพอดีที่บ้านเนี่ยมันจะมีสเสาเหล็กอยู่แล้วทีเนี้ยนกเขาตกจากเสามันมันถึงพื้นนะคะแล้วเขาไม่สามารถบินออกมาได้เจ้าค่ะพระอาจารย์ตั้งแต่เช้าเนี่ยแล้กว่าจะช่วยเขาได้ก็ตอนค่ำหนุก่กับกับน้องน้อ ง, องเขาชื่อน้องไกลเจา้าค่ะไปช่วยกันเอานกขึ้นมาจากเสาจนได้นนึกถึงบุญตรงนี้มากเพราว่าอยากให้เขาบุญเนี้ยช่วยให้เขาบอกถ้าเขายังไม่หมดบุญอย่างเงี้ยเจ้าค่ะพระอาจารย์ช่วยนกจนขึ้นมาจากเสานั้นอ่ะจนนกนกรอดชีวิตเจา้าค่ะพระอาจารย์ไม่น่าเชื่อว่า ทั้งที่นกตัวนั้นอะ่ะมันจะตายอยู่ในเสาจะเขากําหนูว่าช่วยกันเอาขึ้นมาจากเสาที่สูงมากคือเขาอยู่ตรงก้นเสาแล้วเจ้าค่ะเขาบินขึ้นไม่ได้เขาสอบมันแคบแล้วนกตัวนั้นพอช่วยออกมาได้ปุ๊บเขาบินไปเกาะผนังบ้านแล้วขัน ม, มองหน้าที่นี้แล้วเขาก็บินไปจ้าค่ะหนูยังได้เห็นบุญนี้ว่าเพราะว่าหนูหนสงสารเขาแล้วก็สงสารพ่อกับแม่เขาเพราะพ่อกับแม่เขาไม่ได้มีโอกาสมาได้ฟังธรรมที่เขายังจะเชื่อเรื่องเรื่องผีเรื่องที่ที่บ้านยังบ่ า, บ า, ย, บ า, ย, บายังเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็โทษผีอย่างนี้เจ้าค่ะพระอาจารย์ ยังเชื่อฆ่าไก่ไปเลี้ยงผีผีต้องการกินไก่อะไรเนี้เจ้าค่ะเขาเจะเป็นแบบนี้กันแต่พี่สาวเขาโชคดีว่าได้ยินได้ฟังธรรมจากท่านพระอาจารย์มาบ้างเจ้ะค่ะหก็มียกคำพระอาจารย์บอกเขาเหมือนกันเพื่อว่าให้เ้าเข้มแข็งเพื่อว่าเกื่อเขาจะได้ปลอดใจพ่อของแม่เขาหมือนกอืมโอเคแล้วอยากจะพูดของนะใช่ค่ะอาจารย์พรอาจารย์หนูหนูมีปัญหาเรื่องนี้จ้าค่ะหนูไม่แน่ใจว่าหนูหลงหรือว่ายังไงหนูจะทราบได้ยังไงว่า อ่อาการที่เหมือนตัวเบาลอยอยู่ในอากาศเจ้าค่ะคือเป็นเป็นชาญหรือว่าเป็นความผิดปกติของร่างกายเจ้าค่ะพิจารณาวลานั่งมันจะมีอาการตัวเบาแล้วเหมือนลอยอยู่ในอาจาศหนูเลยไม่แน่ใจว่าเป็นชาญหรือว่าเป็นเป็นความผิดปกติของร่างกายที่มันมีอาการสั่นหรือมันลอยจค่ะไม่ใช่เรื่องของร่างกายมันเรื่งของจิตเรื่องของจิตกับสติบางทีสติมัน ถ้ามันดีจิตมันก็จะสงบถ้าไม่มันไม่มันไม่ดีจิตมันก็อาจจะปรุงแต่งอะไรขึ้นมาหลอกเราได้ให้รู้เฉยๆไปก็แล้วไว่ามันไม่เที่ยงเกิดแล้วก็ดับไปเป็นธรรมดาเราห้ามมันไม่ได้มันจะไปเกิดก็ปล่อยมันเกิดไปเรากลับมายึดที่พุทโธหรืออะไรอเงี้ยดีก่าอย่าไปตามรู้อย่าไปสนใจคือหนูหนูไม่ต้องไปเพ่งดูที่อาการที่ลอยเหมือนลอยในอากาศใช่ไหมเจ้าคะใช่ที่มาอยู่ที่ขรรมดิกรรมใช่ไหมเจ้า โดยจากว่าถ okay. ้ามันเป็นอาการที่มันสบายแล้วก็อยู่กับมันไปถ้ามันไม่มันเฉยเฉยม่นไม่มันไม่อะไรก็อาจจะมันยังอาจจะเข้าไม่ถึงจุดหมายปลายทางแล้วก็กลับมาดูลมและพุทโธต่อไปดีกว่าเจ้าค่ะหนูว่าเกรงว่าจะเป็นการปรุงแต่งของจิตหนูเองหรือเปล่าหรือว่าความผิดปกติของร่างกายแต่อาการที่เป็นคือมันจะตัวเบาๆเหมือนลอยอยู่ในในอากาศใ่ไหมคะพระอาจารยนี่มันจะรู้สึกสบายพยายจะเข้าเข้าเข้าสู่ความสงบแล้วก็ได้ใกล้ๆแล้ว แต่เราอย่าไปทิ้งพุทโธเราอย่าไปทิ้งลมอย่าไปดูอาการถ้าไปดูอาการแล้วมันก็จะหยุดมันก็จะหยุดอยู่ตรงนั้นมันจะไม่ไปต่อค่ะใช่ไหมคะอาจารย์ไม่ต้องไปสนใจมันจะปรุงแต่งว่ไม่ปรุงแต่งเราอยู่กับพุทโธเราอยู่กับลมไปให้แล้วกันไม่มีสติปัญหาไม่ได้อยู่ที่ปรุงแต่งว่มัปรุงแต่งปัญหาอยู่ที่เราไม่มีสติใ่ะ พยายามจะตั้งสติแต่มันลล้มลกคลานว้เจ้าค่ะอาจารย์ตอนี้ขตยายอยู่เจ้าค่ะารล้มลกคานแบนี้ก็ไปผ้าถันงินไปนหมดแล้วอาจารย์หนูอยากปดสมองเรือว่าเจ้าค่ะอาจารย์มันยังเป็นเด็อยู่ต้องขยันต้องขยันอย่าขี้เกียจได้เจ้าค่ะหนูจะนเอับการบ้านมาปฏิบัติให้ได้มากที่สุดเจ้าค่ะอาจารย์แบบครับอาจารย์เนยงสูงที่รับรานน่ต่อใชาไหมีกำลังใจในการปฏิบัติอีกเยอเลยเจ้า เราไม่ดนรับเรารับอเลยเราจรับจะคุณเอกเลยแล้วก็มันก็รับโดยปริยายในที่เข้ามาทุกวันนี้ก็แสดงว่ารับมันรับอยู่แล้วะถ้าไม่รับก็หายว่างไปนานแล้วเหอจะไม่ได้เป็นไมได้รับใช้เจ้าค่ะอาจารย์พวกพวกหนูอ่ะเป็นพัชเช้าของอาจารย์แล้วคนะขาเป็นพัชเช้าถึงพอาจารย์ด้วยค่ะเจ้าของพระคุณเจ่ะอาจารย์เป็นยังสูงจ้าค่ะที่เมตตาหนูแล้วก็ลูกศิษย์ท่านจ้าค่ะแล้วเขาก็คุณจ้าค่ะ ถ้าพระเจ้ามีถ้าแข่งแข่งแดงจ้าค่ะอ่าสาธุอ่าเป็นกางเมื่อไร่ปั่นมาซะการเจ้าค่ะไม่มีคําถามเจ้าค่ะอตอนนี้ไม่ได้ทํางานแล้วยังไม่ได้ยังทำอยู่ยังไม่ได้ ต, <อ>ต้องบอกเขาเรื่อานาสองเดือนมาเลยใช่เจ้าค่ะ<ม>ก็สิ้นเดือนสิ้นเดือนกุมฎาพัคมเจ้าค่ะอันนี้ก็มาอยู่กับแม่ที่สระบุรีค<ม>่ะอืมค่ะเมื่อเมื่อวานนี้เขา หนูจะเป็นลูกศิษย์คารวาสที่ปฏิบัติธรรมที่เออ่ต้องทํางานด้วยค่ะบางคนก็สวดนต์ข้ามปีหรือปฏิบัติธรรมหนูต้องไปทําหน้าที่อยู่ในงานเลี้ยงค่ะพี่พราจรบอกว่าได้ยินเสียงพลุอะไรฮะหนูก็ดันไปเห็นเหมือนมันเป็นวันคือเห็นต่างจากทุกๆคนอะคะ่ะเห็นเป็นวันสิ้นโลกแล้วก็เห็นความความความตายเกิดขึ้น<ม>ในขนาดนั้นก็ก็คิดไปว่าเออถ้าถ้ามันมี ซึนามิหรืออะไรเกิดขึ้นมาหนูก็จะยืนให้ให้อยู่ตรงนั้นนะคะไม่ไม่ต้องไปกระเสิกระสนที่จะหนีตายก็ยอมรับความเป็นจริงมันก็เกิดขึ้นณนเวลา น, น, นะคะ <Yeah. S 2> ไม่ไม่ได้รู้สึกว่ามีความสุขเจ้าค่ะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องของความทุกข์ที่เราไปเห็นแบบนั้นเกิดดับเกิดดับเจ้าค่ะ <Yeah. S 2> ขอขอบพระคุณพระอาจารย์นะคะขอให้พระพระอาจารย์ท่านแข็งแรงเจ้าค่ะอ อ่คุณนัดขอบคุณป้าการนมัสการพระอาจารย์ครับเราไม่มีคําถามเลยเข้ามาเข้ามาปีใหม่มาขอกําลังใจแา่พระอาจารย์เหมือนกับกัลยาณมิทุกท่านครับเข้ามากอบกลับขอบคุณพระอาจารย์ตลอดปีที่ผ่านมาค่ะที่พระอาจารย์สาธาธทัดขันสอนลูกศิษย์มาทั้งปีค่ะพระอาจารย์จะปฏิบัติบูชาค่ะพระอาจารย์คดีมากพระอาจารย์ครับ ค่ะคร่ะอ่าคุณมาลีมุตากาลค่ะหลวงพ่อค่ะหนูก็ไม่มีคําถามค่ะหลวงพ่อก็ยังปฏิบัติอยู่ทุกวันค่ะหลวงพ่อยังรักษาความสงบได้อยู่เวลาที่เราพิจารณาปัญญาเราพิจารณาอะไรสาวที่ได้ให้คนไหนึ่าฟังไปเลยได้ื่บคนหนึ่งเขจะเข้าใจม่า หนูก็จะพิจารณาว่าร่างกายอันนี้มันไม่ใช่ของเราแล้วเราก็สั่งเขาไม่ได้แล้วลองมองไปดูแล้วร่างกายก็ไม่มีอยู่ในจิตของเราจิตเราก็ไม่มีอยู่ส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกายร่างกายนี้ประกอบไปด้วยอางการสามสิบสองทุกสิ่งทุกอย่างก็คือมาจากธาตุทั้งสี่อย่างเงี้ยถ้าหลวอมันไม่เที่ยงอะไรสักอย่างอย่างเช่นผมขนอย่างเงี้ยค่ะมันก็ต้องเปลี่ยนแปลงไป จากดำก็กลายเป็นขาวแล้วมันก็ตายให้เราเห็นตลอดเวลาขนาดยังไม่ไม่ขาวมันก็ตายคือมันหลุดมันร่วงอย่างเนี้ยค่ะแล้วก็มองไปลึกๆว่าผมขนเนี่ยมันมามันก็คือเกิดเกิดมาจากอะไรมันกินอะไรเข้ามาแล้วมันอยู่ตรงส่วนไหนของร่างกายอย่างนี้ยค่ะแล้วก็จนในที่สุดมันก็ลงลงไปด้วยที่ที่มันจบลงเป็นไตรักอย่างเนี้ยค่ะหลวงพ่อ หรือว่าอย่างอย่างหนังหนังของเราอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อเกิดมาตอนเป็นเด็กหนังมันก็สวยมันก็ใสนุ่มนวลแต่พอวันเวลาผ่านมามันก็เริ่มเริ่มเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงคือมันจะเริ่มหยาบเริ่มเป็นจุดตรงโน้นจุดตรงนี้เริ่มมีความเหี่ยวมีความย่นจนในที่สุดเมื่อเราจบสิ้นร่างกายตรงนี้ลงไปอะค่ะหลพอมันก็จะ แตกมันก็จะเน่ามันจะเปื่อยจะผุพังสุดท้ายมันก็คื อ, คอลงไม่เหลืออะไรมันกลับคืนสู่ธาตุสิ่งทุกอย่างอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อหนูก็จะไล่ไล่ไปแต่ละจุดแต่ละจุดอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อค่ะประมาณเนี้ยค่ะใช่ค่ะหลวงพ่อให้มันกลับคืนสู่ธาตุสี่ดินน้ำลมไฟไ ป, ไปใช่ค่ะแล้วพอพิจารณาไปจนหมดทุกสิ่งทุกอย่างใจมันจะถอยออกมาเหมือนเราเราจะเหมือนไม่ได้ไป เหมือนเป็นทุกข์เป็นกังวลอะไรเงี้ยค่ะหลวงพ่อมันเหมือนมันวางมันก็คือยอมรับความเป็นจริงตามสภาพไปอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อค่ะนั่คือวิธีพิจารณาทางวิญญาอืมค่ะหลวงพ่อวิธีแห่งเป็นแนาตาอืมค่ะถ้าไปยึดไปติดเป็นจะทําให้เราทุกข์ค่ะหลวงพ่อก็พิจารณาทุกอย่างเท่าที่มันจะพอพิจารณาแล้วมันเหมือนมันจะต่อไปเนื่องเนื่อเงี้ยค่ะแต่ว่าเราจะต้องมีสติทุกอย่าง ทุกอย่างอะค่ะหลวงพ่ อ, อแล้วพอพิจารณาเสร็จก็ถ้ามันที่หลวงพ่อเคยสอนถ้ามันเหนื่อยมันไม่ไหวก็จะไปพักในสมาธิอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่ อ, รอประมาณเนี้ค่ะถูกต้องดีมากทำให้จิตเป็น ค, าคาวามสงบเนความสว่างสว่างด้วยปัญญาสงบด้วยสมาธินะค่ะหลวงพ่ออืม้ แล้วหนูขออิงนิด น, นึงค่ะหลวงพ่อคือปีใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือหนูหนูมีก็เข้าใจทางโลกก็ส่งอย่างส่งลายส่งอะไรเงี้ยค่ะแต่ลึกๆแล้วมันมองมันก็ไม่ได้แตกต่างกันนะคะหลวงพอ่อปีใหม่ปีเก่าอย่างเงี้ยคะ่ะหลวงพ่ออีกวันมันก็ไปในอีกวันนึ่างเง้ค่ะเพียงเพียงแต่ว่าหนูมีความคิดว่ามันเวลามันผ่านมันเหมือนเรากําลังเดินเข้าไปสู่อะไรสักอย่างที่ที่มันใกล้ใกลแล้วอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อ ให้ฟังเข้าไปทุกวัน่ก็ะจะเห็นว่ามันอืมอรีบทำเสียทำมันเสียต้องอย่างองทําแล้วรีบทําซีให้มันเสร็จเสร็จค่ะโอ้อืมดีมากดีมากอ๋อหนูกลับขอบพระคุณหลวงพ่อทุกสิ่งทุกอย่างที่สั่งสอนนะคะหลวงพ่อที่หลวงพ่อเมตตาสั่งสอนนะคะก็จะพยายามเดินไปใ ห, ให้ให้ถึงนะคะหลวงพ่อไอ้บุษิตังรมจริยัง เกิดในประมาจันใช่เส้นเส้นเสร็จสิ้ น, น, น, นลมเกิดอื่นที่จะต้องทำให้มีอีกแล้วนะครัโอเคขอบพระคุณค่สาธุค่ะ ค, คุณมาริการะที่ว่ายังไงกลับไปบ้านคราวนี้ดีไหมน้ำมัตการตั้งแา่พระอาจารย์ก็ กลับมาแล้วพระอาจารย์เพราะว่าวันแรกที่เข้าไปนะคะก็เล่าเรื่องก่อนนะคะว่าเข้าเข้าไปวันแรกนั่นก็คือจิตมันบอกว่าทุกหนักก็ให้วางเสียทิง้งลงไปเสียพอวันที่สองมันก็บอกว่ามันพรุงพรัพรงอะไรที่พรุผลาญนั้นวางลงเสียตอนนั้นก็ยังไม่เข้าใจพอวันที่สามก็เรื่องต่างๆที่เข้ามาที่มันหมกมุน หมกอยู่ในใจสิ่งที่ความทุกข์อยู่ในใจมันทาให้เราต้องมานำโมกนตาลไหลภาากว่าจะได้จะจับจับมันได้สติมันได้แล้วก็ก็มาต้องทุกข์อีกที่รพระอาจารย์อาทิตย์ที่แล้วว่าก็ยังมาทุกข์คืเรื่องของความเจ็บปวดก็เออมาันก็ผ่านไปพอกลับมาบ้านวันปีใหม่ก็รื้อของรพระอาจารย์ ก็คือของที่ว่าถ้วยจานก็เราอยู่คนเดียวนะพระอาจารย์วันนี้มันก็เก่ามันไม่ใช่เก่าแล้วเพราะว่ามันสกปรกมันเลยก็นึยว่าอ๋อนี่เหรอที่เราคุยว่าเออนะที่ซื้อมาแล้วก็เก็บมันไว้มันได้ไม่ได้ใช้มันก็ไม่เกิดประโยชน์ดูดกับชี่หัวใจของเราถ้าเราไม่ขยันที่จะพอกที่จะปัดกวาดเกล็ดที่มันค้างค้างอยู่นั้น มันก็ไม่ดีขึ้นเลยค่ะพระอาจารย์ตรงนี้ก็คือทําให้รู้สึกว่าอเราในเมื่อในเมื่อคนเราเนี่ยนะมันมีความมีความอะไรนะคะมีมีความคิดอของเราว่าเออเราต้องทํางานเรากลับมาแล้วก็ต้องทํางานเราต้องทํางานเราต้องต้องเก็บตงังเรต้องหาเงินต้องเก็บตังไปไหนแต่นั้นก็คือมันก็จะผุดขึ้นมานค่ะพระอาจารย์ดังนั้นในสิ่งเหล่านี้ทุกขอความที่แนะแใ่พระอาจารย์ว่า เราจะขจัดขยะเหล่านี้ได้อย่างไรบ้างเจ้าคะ้าใจก็ใช้สติไงพุโทโธพุโทโธไปอย่าป่อให้มันคิดสิแมันลบมันออกได้โดยใ ช, ใ, ชใช้การบริกรรมพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปห<ะ>รือท่องอาการสามสิบสองไปก็ได้ผมขนเนื้ฝันหนเนื้ถ้าเราอยู่กับการท่องการบริกรรมความคิดต่ตางๆนะั้นมันก็จะโผล่ขึ้นมาไม่ได้ อันนั้นยั ง, ยงขอบคุณคุณมาลีเมื่อตกี้เลยที่ว่าได้อธิบายในเรื่องของการฝึกสติบางทีก็เราก็คุ้มทำไม่ถูกเพราะมนึกถึง อ, อาการ32ไปยังไงเราจะวางตรงไหนพูดอะไรผมขนเล็บปันหนังหนังปนเล็บขนผมแล้วก็ท้องอยู่คุณอาอุสาก็บอกว่าลองท้องดูนะแล้วมันจะดีนะ ทำไมเราไม่ไปเลยแล้วมันยังตื้อๆอ่ะยังขอบคุณคุณมารีมากจ้ะพี่เจา้าให้มันละเอียดเข้าไปโอเคเข้าใจแล้วนะเข้าใจเจ้าค่ะพระอาจารย์ท่านแข็งแรงไหเจ้าค่ะอ่าอ่าเจ้าอ่าคุณหมายคุณใหม่คุณหมอหม่ยไหมกลับนมัสการพระอาจารย์ค่ะ ก็สวัสดีปีใหม่พระอาจารย์ค่ะวันนี้เป็นวันเกิดของหนูด้วยค่ะพระอาจารย์ก็หนูขอถวายความเพียรเป็นอาจารย์บูชาค่ะวันนี้หนูไม่มีคำถามค่ะแต่ว่าหนูอยากจะใช้วันเกิดวันนี้ค่ะตั้งสัจจะอธิษฐานว่านับจากนี้จนกว่าจะสิ้นชีวิตหรือจนกว่าจะ สุดทางผลทูกก็หนูจะขอมีพระรัตนไตรเป็นที่พึ่งที่ระลึกหนึ่งเดียวของหนูค่ะอะถูกต้องนะยึพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไว้ท่านเป็นผู้รู้จริงเห็นจริงอเชื่อฟังท่านเราจะไม่ผิดหวังนะค่ะก็การบ้านที่พระอาจารย์บอกว่าให้ไปนั่งเอ่อทำความสงบก็คือไม่ไม่เน้นพิจารณาก็หนูก็ ทำการบ้านอยู่ค่ะก็ระหว่างวันรู้สึกว่าจิตสงบแล้วก็มีความสุขอยู่เนืองๆ อ, อะค่ะทั้งๆที่ทำงานอยู่ทุกวันก็รู้สึกว่าไม่ไม่หงุดหงิดแล้วก็มันเหมือนกับว่าจิตมันอิ่มอยู่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไปตีความหรือตัดสินอะไรนอกตัวค่ะแล้วก็ในเซชั่นที่ทำสมาธิก็ตั้งถ้าเป็นสมาธิระดับ คือพอเริ่มนั่งตอนแรกจะมีนิมิตมีแสงสีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอผ่านลงไปก็จะเป็นปิติแล้วก็ตอนนี้มันก็มีความสุขแล้วมันก็เหมือนกับว่ามันก็อยู่อยู่กับสภาวะที่มันนิ่งรู้อยู่ได้ค่ะค่ะวันนี้ให้มันนิ่งรู้ไปนานๆให้มันู้เบกขาวางเฉยได้ค่ะก็วันนี้ก็ขอกราบพระอาจารย์ด้วยใจ เคารพนะคะก็ขอให้พระอาจารย์ทัดขันแข็งแรงแล้วก็จะเป็นนักเรียนที่ดีค่ะจะหมั่นเพียรฝึกฝนต่อไปค่ะพระอาจารย์สาธุสาธุาธาคุณยศสวัสดีกลับเข้ามาแล้วเหรอการนวัต ก, การมนะคะพระอาจารย์ก็พระอาจารย์บอก็ไม่ได้ตรวจไม่ได้เรียกตรวจกันบ้านค่ะก๊ะเลยกาเ้าเข้ามาเพื่อเรียนเ <laughs> ข้าถาม ถามพระอาจารย์ก็เล่าก็เล่าได้แต่ไม่เป็นชักทางก็ทําอะไรบ้างไม่ทําอะไรบ้างก็ก็ที่ไปได้รับพรจากพระอาจารย์วันที่ยี่สิบเจ็ดหลังจากที่พระอาจารย์ฉันเสร็จแล้วแล้วก็วันที่ยี่สิบแปดที่เปลาศีนะคะพระอาจารย์แต่ว่าพอไปบวชไปอยู่แบบนั้นแล้วหนูชอบอยู่บนเขามากกว่าครับพระอาจารย์หนูรู้สึกว่าเปนละลูกแบบกัน ใช่ค่ะพรอาจารย์รอบนี้หนูไปเป็นเพื่อนๆ น, นะคะข้างล่างมันแบบเด็กอ น, นุบาลยังต้องมีกลุ่มเกาะกลุ่มกันเยวแต่ถ้าถ้าเราอยู่คนเดียวได้เราจะเราจะไปเกาะกลุ่มนี่มันนอนชะลามขานใช่ใช่ใช่เนี่ยค่ะพระอาจารย์หนูจะบอกพระอาจารย์ว่าหนูหนูรู้สึกว่าหนูต้องใช้ความพยายามไปกับแทนที่จะใช้ความพยายามในการตั้งสติฝึกสติะคะ่ะพระอาจารย์นั่งสมาธิต้องใช้ความพยายามหมดไปกับ การดึงตัวเองให้อยู่เออให้ไม่เป็นไรนะเออช่างพอเถอะไม่เป็นไรนะแล้วด้วยความหนูเป็นนักวิชาการะค่ะพระอาจารย์พอพระท่านพูดท่านสอนผิดหมายความว่าไม่ได้ผิดทางธรรมนะคะท่านสอนทางโลกเกี่ยวกับการไหว้แต่ทีนี้ความให้เราเป็นครูอ่ะค่ะพระอาจารย์ท่านพูดในสิ่งที่เราเรียนมาตั้งแต่เด็กมันไม่ใช่สิ่งนั้นจะหนูเปิด Google นะณนานทีนั้นเลยนะคะแล้วหนูก็นึกถึงคําที่พระอาจารย์พูดว่าถ้าเกิดเขาเขาถามเราหรอถ้าเกิดเขาไม่ถามไม่ต้องไปแก้ หนูอยากจะยื่นยื่นมือถือให้ท่านดูว่าไม่ใช่ค่ะที่ท่านพูดผิดอยู่นะคะแต่ก็เออกออ็ไม่เป็นไรเดี๋ยวไม่เป็นไรหรอกก็ก็ปล่อยไปแ ต, แต่แต่คือหนูไม่เหมาะกับการอยู่กับหมู่มากจริงๆค่ะพาร์ซันอยู่คนเดียวดีกว่าค่ะคนี่ถ้าหน้าก็ก็เปเกไว้เอกค่อย่าไปเยอะมาอย่ามากกันหลายคนค่ะเดีขึ้นเขาเราเพื่อนหนูก็อยากขึ้นเขาตามเหมือนกันหนูก็เล่าให้ฟังว่าอยู่บนเขาดีกว่า ได้ปฏิบัติเยอะกว่าเยอะเลยค่ะพระอาจารย์มันมันมันไม่ใช้มันไม่ต้องใช้เวลาไปกับการทําอะไรตามพร้อมคนอื่นอะค่ะเราควบคุมเวลาได้มากกว่าใช่ค่ะพระอาจารย์แล้วก็ก็ก็ก็ดีค่ะพระอาจารย์ก็เลยเข้ามากราบพระอาจารย์ค่ะแล้วก็อยู่ใกล้ครูบาอาจารย์ดีกว่าตรงที่เหมือนจะมีกําลังใจอะค่ะพระอาจารย์พอเจอพระอาจารย์แล้วล่าสุดพระอาจารย์เทศเรื่องปั๊มน้ํามันนะคะ พอิสามีหนูมาตอนครึ่งหลังแล้วแล้วหนูว่าไม่เข้าใจตรงที่พระอาจารย์บอกว่าเดี๋ยวปัม๊มปั๊มน้ํามันปิดสามีหนูบอกว่า ส, สามีหนูบอกว่าท่านหมายถึงท่านอาจจะหมายถึงว่าก็หมดเวลาชาตินี้ไงไม่ได้ทําบุญต่อไม่ได้ทําอะไรต่อก็ไม่รู้จะได้เข้าปั๊มน้ํามันอีกหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์หนูก็เลยมานั่งมานั่งคุยกันต่อที่พระอาจารย์สอนเรื่องปั๊มน้ํามันนะคะ ก็<จ>พ<อ> บ, บของมนุษย์นี้ก็ไป็เหมือนเราไปจอดรถตามปั๊มน้ํามันนะแต่มันก็มีขอบเขตเดี๋ยวปั๊มมันก็หมดน้ํามันมันหมดปั๊มเขาปิดชีวิตเราก็สิ้นสุดลงก็มไม่สามารถเติมน้ํามันต่อได้ต้องไปรับผลต้องเดินทางต่อไปจนกว่าเราจะไปเจอปั๊มหน้าอีกทีหนึ่งไปเกิดใหม่เป็นมนุษย์ใหม่แล้วก็ไปเติมบุญตามบาปใหม่ ไม่รู้จะได้เป็นมนุษย์ด้วยหรือเปล่าค่ะก็เลยก็เลยพยายามสติหนูก็ยังเป็นเด็กอนุบาล น, นะคะอาจารย์ทอพอกลับมามันก็โดนเสียงดึงชอบฟังนู่นฟังนี่ก็พยายามจะถามตัวเองว่ามันใช่หนทางที่จะทำให้เราเข้าใกล้เป้าหมายหรือเปล่าต้องต้องต้องเตือนตัวเองให้ดึงตัวเองออกมาจากการฟังอะไรที่มันไม่เป็นสาระนะคะอาจารย์ค่ะนำรวมเย็นักปฏิบัติตามสารวจตาหูจมูกร่างกาย ไม่ไปรับรูปเสียงจงนินนัที่เข้ามาค่ะได้คะ<ม>่ะพระอาจารย์<ม>ก็พระอาจารย์แล้วก็ไปกราบพระอาจารย์ที่หน้ากุฏิพระอาจารย์บอก ว, กว่าก็ให้มาเติมน้ำมันด้วยก็เดี๋ยว<ม>หาวันขึ้นเขาค่ะคระอาจารย์โอเคดีมาก ขอพระอาจารย์ท่านแข่งแรงนะคะดีใจที่ได้เจอพระอาจารย์เพื่อนหนูตื่นเต้นกระดีกระดาใช้คําใช้คํานั้นได้เลยค่ะปื้มนั่งปื้มกันอยู่นั่นแหละบอกุ้ยเราโชคดีเรามีบุญมากเลยจนน่ากุฏิยังได้ตามได้คาสอนพระอาจารย์แล้วก็มาเอารูปพระอาจารย์ไปเผื่อพ่อเผื่อแม่เลยเนี่ยค่ะพระอาจารย์ทุกคนดูดีใจหนูก็ดีใจค่ะพระยังเตรีรูปมาทำอยู่เขาเพิ่งเข้าเพื่อนหนูคนนึงไม่เคยถือศีลไม่รู้จักศีลแปดเลยด้วยซ้ำค่ะอันนี้มานี่ เขาก็เก่งมากนะคะอาจารย์ไม่ไม่เคยรู้มาก่อนเลยครั้งแรกของเขาค่ะอาจารย์ก็ดีค่ะอาจารย์โอเคขอบคุณเจ้าค่ะอาจารย์กันสาธุไปปฏิบัติต่อไปนะค่ะพระทรานค่ะอ่าคุณเอื้องเหรอใช่ไหมรือเฟือง e u r n g นี่เอื้องี้่ไหมเอื้องค่ะเอื้องค่ะข่าวนวัสการอาจารย์อีกครั้งแรกเลย ใช่ค่ะเขามายากไหมไม่หมายถึงเข้าในสูมอ่าเข้าในซูมยากไหมไม่ยาก ต, ต้องร อ, อไม่ต้องรอนะก็ก็เข้ามาตั้งแต่สองทุมค่ะพระอาจารย์แต่อเอิงเป็นเด็กใหม่ในซูมก็เลยน่าจะคิวไท้ายๆค่ ะ, ะแต่ไม่เป็นไรค่ะก็เออได้ไปกับพระอาจารย์ที่น่ากุติค่ะแล้วก็บอกพระอาจารย์ว่าเอปีนี้เอิงตั้งใจว่าเ อ, าอยากจะมีพระอาจารย์เป็นกัลยาณมิตรในชีวิต อก็เลยตั้งใจว่าจะเข้าซูมทุกวันพุธค่ะอ่าดีค่ะอาจารย์เอามาจะได้เข้าห้องเรียนจะได้เรียนรู้อะไรที่เราไม่รู้มาก่อนค่ะเรื่องที่เรารู้แล้วพอได้ยินได้ฟังซ้ำอีกก็จะเกิดความเข้าใจดีขึ้นไปค่ะอาจารย์กา ง, งทํานี้สําคัญอเป็นเหมือนกันดูแผนที่ถ้าเราไม่ดูแผนที่เราก็จะไม่รู้ทิศทางที่เราไปว่าเราไปถูกทิศถู ก, ถก ตงทิศ ท, ทางหรือเปล่าดียินดีด้วยยินดีต้านรับขอบคุณค่ะแล้วก็เอิงเอ่อดีใจมากเลยค่ะเพราะว่าเอองมีพี่หมอใหม่เป็นกัลยาณมิตรค่ะอืรู้จอกกันนะใช่ค่ะเคยไปอินเดียสัง่งเวชถานด้วยกัน่ะออืมาเจอกันในห้องสูบนี่เหร อ, อเจอที่อินเดียใช่แต่ที่มาเจอกันใ น, ในห้องสูบนี้เจอโดยบางเอิเหรือ นัดกันค่ะนัดกันเพราะว่าบอกพี่หมอใหม่ว่าเอเราน่าจะเจอกันที่ซูมทุกวันพุธค่ะเพราะว่าเอิงตั้งใจตั้งแต่ปีนี้ตลอด<ม>ยาวๆเลยค่ะดดค่ะพระอาจารย์ตอนนี้พี่ภูมิหายไปไหพี่ภูมิทํางานจิตอาสาหนักมากเลยค่ ะ, ะบางครั้งไม่เคยเข้ามาทุกวันพุธเหมือนกันอยู่พักหนึ่งแล้วก็หายไปใช่ค่ะเขาตอนนี้เขา เขินพระอาจารย์ค่ะเพราะว่าน้ำหนักขึ้นมาอีกร <Okay. S 2> อบอะสู้ความอยากกินไม่ได้นะดดและคลิปนี้ไปถึงพี่ภูมิเขาอาจจะเเป็นเครื่องเตือนสติได้นะคะ <Okay. S 2> เขาอาจจะกลับมาลดน้ำหนักค่ะโอเคพระอาจารย์มีคําถามอะไรไหมตอนนี้ยังไม่มีข่ามารายงานตัวแล้วก็ตั้งศรัทธาวาจาพระอาจารย์แล้วก็พี่พี่พกัลยาณมิตรค่ะโอเคสาธุจา้า อ่าคุณปูเป้แม่นองเลนพระอาจารย์ได้ยินหนูไหมเจ้าคะได้ยินจ้าค่ะพระอาจารย์ของหนูก็ปฏิบัติเรื่อยๆคะ่ะพระอาจารย์วันนี้เมื่อวานหนูก็ไปจันทบุรีคะ่ะพระอาจารย์ไปน้ำตกพิ้วคะ่ะตกเย็นหนูก็อยากรู้ว่าถ้า หนูไปปฏิบัติที่ในน้ําตกเป็นยังไงค่ะพระอาจารย์หนูลุยปฏิบัติมีปลาเยอะมากค่ะพระอาจารย์นล้วน้ำก็เย็นมากก็เลยได้ประสบการณ์คือรู้สึกไม่หนาวหรืออะไรอ่ะค่ะก็ไปเข้าสมาธิในน้ําตกค่ะพระอาจารย์ที่ผิวจันทบุรีค่ะก็เลยมีปลาด้วยค่ะพระอาจารย์เยอะด้วยก็เลยกลัวไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนพิสูจน์ตัวเองด้วยค่ะพระอาจารย์ ก็เลยเฉยๆค่ะพระอาจารย์นี่ค okay. ่ะแทนเนี่ยพระอาจารย์โอเคครับไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ไหนถ้าเรารักษาความเฉยได้กันดีที่สุดปลอดภัยที่สุดสําหรับใจถ้าใจเฉยแล้วใจจะไม่เดือดร้อนนะถ้าใจไม่เฉยเมื่อไหร่ใจเริ่มเดือดร้อนนะทักค่ะพระอาจารย์พอเห็นอะไรก็พิจารณามันเอาประโยชน์มากกว่าโทษนะค่ะพระอาจารย์ ก็เลยถึงแมร่างกายรเป็นตายรักไปวิจาเป็นตายรักไปเจ้าค่ะพระอาจารย์ถึงแม้ร่างกายหนูจะพังแต่หนูก็เอาสิ่งที่เป็นประโยชน์นะคะพระอาจารย์อืมได้เจ้ค่ะโอเคคะเจ้าพระอาจารย์อ่าคุณจ้าคุณจาคุณจ้าจ้าใช่ไหมพอดแลนนี่อยู่ที่พอดแลนเยอยกว่าแล้วกลับมาเมืองไทยนะปฐมสการ์ค่ะพระอาจารย์ยังอยู่ที่พอดแลนด์อยู่ค่ะ คนไทยเยอะไม่ใช่พอรัรนอะไรนี่อสมควรค่ะก็มีสังสรรค์มีอะไรนัดพบกันบ้าว่ามีวัดไทยบ้ามีวัดไทยค่ะมีวัดไทย อ, อ่ที่ใหญ่ๆ ห, หน่อยก็จะอยู่ที่เซเลมค่ะแต่ว่า<ม>ในแอนเองก็มีวัดเเล็ ก, ลกๆน้อยๆที่อยู่ไม่ได้อยู่ในพอร์ตแลนด์่อยู่ใกล้ๆกับพอร์ตแลนด์ในพอร์ตแลนด์ก็ไม่มีนะ หนูไม่น่าใจว่าวัดไทยอาจจะไม่มีแต่ว่าอาจจะมีวัดวัดขเขมรวัดลาวอะไรประมาณนี้ค่ะออแต่ถ้าเป็นวัดไทยรู้สึกว่าที่ได้ยินมาคืออยู่ไม่ได้อยู่ในตัวพอดแลนอะไรอย่างเงี้ยค่ะออแต่าอาจจะมีสายวัดสายหลวงพ่อชาอยู่เหมือนเมื่อประมาณ3ามสี่เดือนที่แล้วเพื่อนพูดถึงอาจจะมีค่ะแต่ว่าตัวหนูส่วนมากจะไป ห่างออกไปเลยค่ะเลยไซเล่มไปอีกค่ะวัดที่หนูไปเราเรารู้ได้ไงว่าที่พอร์ตแนมีคนตายพอสมควรแล้วมีวิธีวันหรือเปล่าแล้วมีอ๋อหนูเคยทำร้านอาหารนะคะแล้วก็ก็จะแบบมันจะก็จะมีงานเหมือนแบบรวมตัวกันอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบปาร์ตี้อะไรเงี้ยปาร์าตี้อเวันเกิดอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เวลาไปวัดไปอะไรก็คือรู้สึกว่าคนมันเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าหนูไม่เคยมานั่ง ศึกษาดูว่ามีมีจํานวนคนมากน้อยแค่ไหนอะไรเงี้ปยปริญญาเป็นคนทํางานแล้วเป็นเป็นเป็นนิสิตนักศึกษาไม่ปวดเงินน่าจะปนปนกันค่ะอาจารย์แต่ว่ามาตั้งแต่เด็กแล้วก็อ่าตอนสมัยที่หนูมาแล้วเรียนช่วงที่หนูเรียนหนูเรียนในสายที่คนไทยเขาไม่ได้เรียนกันนะคะหนูส่วนมากคนไทยมาจะเรียนอ่าพวกปริญญาโทรเรียนสายบิสเนสหรือว่าอะไรอย่างนี้ถูกไหมคะแต่ของหนู หนูมาที่นี่หนูเรียนสายวิทยาศาสตร์แล้วตอนนั้นก็คือในส่วนที่หนูเรียนในมหาลาัยที่หนูเรียนไม่มีสายวิทยาศาสตร์ที่เียไม่มีคนไทยแต่ว่าหลังจากจบมาแล้วก็มาทํางานเอ่อหนูแบบช่วงช่วงที่จบใหม่ๆก็เสิร์ฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะตามตามภาษาคนที่มาอยู่เมการนานไทยใช่ไหมใช่ค่ะแต่ตอนนั้นอะค่ะที่จะเริ่มรู้จักผู้คนเพิ่มอ่นคนส่วนใหญ่ที่เข้าไปเก่งก็เป็นคนไทยั้ส่วนใหญ่ส่วนเนะีส่วนมากเป็นฝรั่งค่ะฝรั่งอือ ก็มีมันจะมีร้านอาหารไทยไม่กี่ร้านที่คนไทยเหมือนพูดกันว่าอร่อยแล้วคนไทยจะไปกินแต่ว่าถ้าเป็นร้านอาหารส่วนมากก็จะขายฝรั่งค่ะจะเป็นส่วนใหญ่วันนี้มีอะไรบ้าวันนี้หนูมีคำถามเรื่องอของการพิจารณาการใช้ปัญญาค่ะผ่าจา์ถ้าคือ ตั้งแต่หนูนั่งเริ่มปฏิบัติมาหนูเคยเข้าไปถึงจุดที่เรียกว่าว่างจริงๆอ่ะได้แค่สองครั้งแล้วที่เหลือมันจะเป็นแค่ ค, าความสงบแต่หนูรู้สึกได้ว่ามันไม่ได้พิเศษอะไรอะไรเงี้ยค่ะทีนี้คําถามก็คือถ้าหนูได้มีโอกาสเข้าไปถึงความว่างแบบพิเศษแบบนั้นอีกหนูยังไม่ควรที่จะพยายามพิจารณาอะไรถูกไหมคะสิ่งที่หนูควรจะค<ำ>ุณประคองควรประคองให้มันอยู่ในสภาพนั้นได้นานที่สุด โอเคค่ะแล้วก็คือวันนั้นก็คือหน้าที่วันนั้นก็คือประคองแล้วก็วันจนกว่าจะออกจากสมาธิเอามาเราจะพิจารณาเลยก็ได้ถ้าอยากจะพิจารณาโอเคค่ะก็คือได้ทันทีเลยไม่จําเป็นต้องได้ใช่ได้ทันทีอาจจะดีกว่าเนะื่เพราะว่นั้นจิตมันมีอยเบิกขามันจะสามารถพิจารณาเรื่องที่มันยากได้เช่นความตายเรื่องสุภาษเรื่องอะไรทั้งตัวนีะ หนูเคยไม่ได้นั่งสมาธิแต่มันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่มีความทุกข์แล้วหนูก็ยืนเฉยๆนี่แหละค่ะยืนแล้วก็หลับตาคิดแต่ว่ามันเป็นความรู้สึกที่รวมและสงบมากแล้วก็ค่อยๆพิจารณาเรื่องปัญหานั้น<ม>แล้วมันก็หลุดพ้นออกมาได้ค่ะหนูก็เลยอันนั้นคือเหมือนเป็นการใช้ปัญญาถูกไหมคะใช้ปัญญาเลยมีสติมีสมาธิสนับสนุนเป็นจิตที่มันตอนนั้นปราศ จ, จากอคติละละ รักชังกหนไมันก็จะทำให้เห็นทางปัญญาได้ชัดเจนอ่าโอเคค่ะแต่ไม่เกิดไม่บ่อยค่ะนมนีอีกหลายเรื่องที่พยายามทำแล้วก็ยังไม่ได้ทีนี้คำถามอ่อีกคำถามหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของอริยบุคคลในขั้นพระอรหันต์นะคะผาจาคือจิตเรามีคุณสมบัติสี่อย่างเนี่ยใน ในความเป็นพระอรหันต์นะหนูสงสัยในส่วนสังขารนะคะพู้อาวุโสคือยังพระอรหันต์ก็ยังมีสังขารปรุงแต่งในจิตยอยู่ถูกไหมคะแปลว่ายังมีอารมณ์อยู่แต่แค่เราพระท่านไม่ไปยึดในตรงนั้นถูกไหมไ ม, ไ ม, ไม่ความปรุงแต่งไม่มันปรุงแต่งถ้าไปทางกิเลสมันก็จะมีอารมณ์ถ้าปรุงแต่งไว้ในทางธรรมมันก็จะไม่มีอารมณ์ อ๋อก็คือท่านจะปรุงแต่งเป็นทางธรรมใช่ถ้าปรุงแต่งไปไกลแล้วท่านก็จะหยุด ท, ทันทีท่านรู้ว่านี่ไม่ใช่ทางแล้วในทางอ่าส่วนของเวทนาล่ะคะถ้าพอ เ, าเป็นผาเนก็ยังมีอยู่ก็ยังมีอยู่มันเหมือนคนทั่วไปเวลาร่างกายปวดท้องเวทนาก็ปรากฏขึ้นมาในใจของท่านเหมือนกันอ๋อแต่ว่านี่แต่ใจท่านไม่ทุกไปกับเวทนาไม่ไม่ทุกไปกับทุกขเวทนา อ้าไม่ไม่มีความอยากให้มันหายมันมาก็ปล่อยมันมาไปมันอยู่ก็ปล่อยมันอยู่ไปนี่ก็คือการใช้สังขารที่ปรุงไปทางธรรมว่ามันเป็นของมันอย่างนี้หรออ่าใช่ว่ามันเป็นอนัตตาอนิจจงทุกข์กลางอนัตตาเราห้ามมันไม่ได้แล้วในส่วนเวทนาที่เป็นเวทนาทางใจล่ะคะพระอาจารย์ทุกขเวทนาทางใจอะไรอย่างเนี้ยค่ะก็มันก็เวลาบางทีเราคิดถึงเรื่องที่ไม่ดีที่ผ่านมามันก็ทําให้เราทุกขใจได้ แล้วต้องคิดถึงเมื่อวานพวกนี้ต้องไปหาหมอต้องไปถอนฟันอะไรมันก็เกิดทุกขเวทนาขึ้นมาได้แต่ว่าก็เหมือนกันกับกับเวทนาทางร่างกายซึ่งก็คือมันอมันทางตาหูจมูกเนื้องานได้ยินเสียงก็ทุกได้ได้เราได้ดมกลิ่นก็ทุกได้ถ้าไปเจอกลิ่นที่มันมันรุนแรงที่มันเราไม่ชอบอย่างนี้มันก็ทําให้เราทุกได้แต่แต่เราไม่ต้องไปทุกขกับมันได้คือ มันเป็นทุกขเวทนาคือเป็นเวทนาที่ทําให้เรามีความรู้สึกไม่มีความสุขกับมันเนี่แต่เร า, เราถ้าเราไม่มีความอยากให้มันหายเราก็จะไม่เราก็จะไม่สร้า ง, งความทุกขในอริยสัจสีขึ้นมาอีกชั้นหนึ่ง ท, ทุกในอริยสัจสีนี้คนละเรื่อกับทุกขเวทนาคนลาตัวกันแต่มันาจจะเกิดขึ้นพร้อมๆกันเช่นเวลาเกิดปวดท้องขึ้นมา ทุกเนื้ออาลีสัตว์สีก็อาจจะเกิดขึ้นมาด้วยว่า อ, อ๋อไม่อยากให้มันปวดก็อยากให้มันหายอันนี้นก็จะเกิดทุกขเวกททุกทุกในอริยสัตว์สีด้วยอ๋อเข้าใจแล้วค่ะคือถ้าเมื่อไหร่ที่มีความอยากเข้าม า, มาควบเออถ้าอันนั้นจะเกิดจะเป็นทุกขทุกในอรลยสัตว์สีไม่ใช่ทุกในเวทนาไม่ใช่ทุกขเวกทนาพอเราทุกขกันโอเคครับ แ, แ, แต่ว่าไม่ได้หายไปไหนคือพระอรหันต์ก็ยังคงมีสี่ลักษณะของจิตอยู่แค่ว่า ใช่แต่ถ้าท่านไม่มีทุกในเรื่สัตย์สีต่อไปท่านไม่มีตัญหาความอยากโอเคเข้าใจแล้วค่ะชัดเจนค่ะค่ะอาจารย์สัมผัสเกยวเวทนาแบบไหนก็เฉยเฉยไปนับมันไปสุขเวทนาก็ไม่มีความอยากให้มันอยู่ไปนานๆทุกเกวทนาก็ไม่ได้อยากให้มันหายไปทันทีปล่อยมันอยู่ไปตามธรรมชาติของมันอ่าแล้วอย่างเช่นในส่วนของสัญญาที่ว่าเราเห็นคนนี้ว่าเป็นพ่อเราแม่เรา ก็ยันอยู่เหมือนเดิมก็รู้อยู่เหมือนเดิมแต่เราไม่ไปยึดว่าท่านเป็นพ่อเป็นแม่เรานะอะไรก็เรารู้ว่าท่านเป็นธาตุสีเนี่ยเดินน้ำหนุนไฟร่างกายเป็นอาการ32ส่วนดวงวิญญาณขอท่านก็ท่านก็มาเล่นบทสมมติว่าเป็นพ่อเราเป็นแม่เราไปพอร่างกายท่านตายไปท่านก็ท่านก็เดินทางต่อไป แล้วในส่วนของวิญ ญ, ญาณในส่วนของเรื่องความรับรู้ตอนที่รู้รูปเสียงกินต้องมาผ่านทางวิญญาณไงรูปรูปสัมผัสกับตาปับมันก็ส่งมาทางวิญญาณมาให้ใจรับรู้ใจก็ใจสังขารก็สัญญามาพิจารณาว่าเป็นอะไรอวิจารณว่าถ้ามันดีก็เกิดสุขเวทนาขึ้นมาถ้ามันไม่ดีก็เกิดทุกขเวทนาขึ้นมาโอเคก็คือในหมวดของวิญ ญ, ญาณขันของอคน อายะบุคคลก็ไม่ต่างกันก็ยังเอนกันเหมือนกันเพียแต่ว่าท่านไม่มีทุกในอายะศาสตร์ท่านดูแล้วอะไรจะเข้ามาทางทางวิญญาณทั้งห้านี่ท่านก็จะรับรู้เฉยๆจากแต่ว่าหลวงปู่เจ้าบอกว่าเห็นอะไรก็สักแต่ว่าได้เห็นได้ยินอะไรก็สักแต่ว่าได้ยินอย่าไปเกิดความอยากขึ้นมากับสิ่งที่เราได้รับรู้ เราโดยปกติถ้ามีกี่เดชเราเห็นนายาชแล้วก็อยากได้ขึ้นมานทันทะีเห็นกระเป๋าสวยๆขึ้นมาเห็นรองเท้าสวยๆขึ้นมาก็เก็ อ, อยากพอมอยากแล้วไม่ได้ก็เสียใจทุกข์ใจขึ้นมา่ก็คือต้องไม่มีตรงนี้ไม่ ม, <ท>ไมีไม่มีความอยากที่มาสร้างทุกข์ในอริยสัจขึ้นมาทุกข์ในเวทนาเนี่ยมันไม่ลุนานาถ้าว่าทุกข์ในอริยสัจที่มันทรมาร์ก็ทุกข์ในอริยสัจ ทุกที่เกิดจากความอยากนี่มันเป็นตัวที่ทำให้จิตเจ้าทรมานที่หนูเคยนั่งปวดขาแล้วทะลุผ่านไปได้ก็คือหนูละทุกเอลยะสัตว์ได้ถูกไหมครับใช่ใชหนูเฉยเฉยปล่อยว า, างไม่มีความอยากให้ทุกเวทนาหายไปก็เราอยู่กับมันได้ แล้วสมาธิในขั้นนั้นที่ที่เราหลุดเข้าไปได้นั่นยังถือว่าเป็นคณิกะในแง่ว่ามันสั้นถูกไหมคะแต่ถ้าหนูสามารถประคองไปได้นานๆมันถือว่าเป็นอัปปนาถูกไหมคะใช่ถูกต้องโอเคเข้าใจแล้วคะ่ะชัดเจนวน่าค่ะครอาจารย์ขอบคุณมากค่ะค่ะสาธุดีอาจารย์โอเครู้สึกจะหมดแล้วเนื่อคุณลาคุณลามีคําถามไหม กลับในมสดการค่ะพระอาจารย์มีทั้งหมดห้าคำถามจากทาง f เฟซบุ๊กเจ้าค่ะอ่าเชิญถามได้เลยคําถามจากคุณตงมีคาวาะเดินมักโดยไม่รู้ตัวรู้ตัวอีกทีเข้ากระแสธรรมแล้วมีหรือไม่มี ม, หมีหรือมีโอกาสเป็นไปได้ไหมครับก็มไม่รู้เหมือนกันถ้ามันไม่รู้มากมันจะเข้าไปเข้าไปจะเข้าไปได้มันต้องรู้เสียามากคืออะไรเออ มร ก, ก็คือศีลสมาธิปัญญาต้องดำเนินสติสมาธิปัญญามันถึงจะมันถึจะเข้ามร์ได้เราไม่รู้มันจะไปมันจะไปเจริญได้ยังไงอันนี้เราก็ไม่เข้าใจคาําความหมายครับคาถามว่ามันหมายถึงอะไระก็ต้องรู้ว่าเรากําลังเจริญสติเรารู้ว่าการเจริญสตินี้เป็นหนทางที่จะนาไปสู่การดับความทุกข์เราก็ต้องรู้ไม่ใช่เจริญไปแล้วมัน แล้วก็ไม่รู้ว่ามันจับความทุกข์ได้ยังไงนะมันต้องรู้มันปฏิบัติมันต้องรู้อำถานต่อไปจากคุณธีรภูมิกลับนมัส ก, การพระอาจารย์ครับกำลังของสมาธิคืออะไรครับและมีลักษณะอย่างไรครับกำลังหยุดไงมันเบรกรถยนต์ไงแบรกรถยนต์นมันมีกำลังที่รงไหมันหยุดรถได้ใช่ไหมอันนี้ก็เหมือนกันสมาธิก็หยุดจิตได้หยุดกิเลสได้ ถ้าไม่มีสมาธิก็ไม่มีกําลังที่จะหยุดกิเลสได้คนที่มีปัญญาแต่ไม่มีสมาธิก็ยหยุดกิเลสไม่ได้ต้องมีทั้งปสมาธิต้องมีทั้งปัญญามันถึงจะหยุดกิเลสได้ปัญญาจะเป็นคนบอกว่ากิเลสไม่ดีกิเลสเป็นตัวสร้างความทุกข์จะหยุดกิเลสนี้ต้องมีสมาธิถึงจะหยุดมันได้คำถามต่อไป มีคนบอกว่าถ้ามีกําลังของสมาธิแล้วให้เก็บกําลังสมาธินั้นไว้ที่ฐานของจิตคือบริเวณลิ้นปี่ขอพระอาจารย์ช่วยเมตตาชี้แนะด้วยเราไม่ต้องเก็บแล้วมันอยู่ของมันโดยธรรมชาติมันไม่ได้อยู่ในลิ้นปี่หรอกมันอยู่ในจิตความรู้สึกอาจจะคิดว่ามันอยู่ในแถวลิ้นจิต้นปี่แต่มันไม่ได้อยู่ในร่างกายหรอกสมาธิมันอยู่ในใจใจกับร่างกายไม่เป็นคนละส่วนกัน คำถามต่อไปจากคุณต้องจิตกับความคิดแยกกันอย่างไรครับพระอาจารย์ อ, อ๋อจิตมันมีจิตมันมีความสามารถอยู่ห้าประการตัวจิตเองมันเป็นตัวรู้มันมันรู้เช่นรู้เสียงรู้กลิ่นรู้รสเนี่ยคือตัวจิตเป็นผู้รู้นะแต่ใจิตมั น, มนก็มีมีความสามารถอยู่อีกสี่อันด้วยกันคือมีความรู้สึกสุขสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ มีความจำได้หมายรู้ได้สัญญามีความคิดปรุงแต่งในวาสังขารแล้วก็มีวิญญาณผู้ไปรับรูปเสียงกลิ่นรสประจักษ์ร่างกายนี่คือสิ่งที่มีอยู่ในจิตคถามสุดท้ายจากคุณปัทธรรมพรเวลาเราพิจารณาเราท่องบทพิจารณาสังขารได้ไหมคะ เอาได้ถ้าเราจะใช้เป็นอารมณ์แทนพุโทโธเราก็ใช้ได้ใช้ทางการสามที่สองาก็ทาผมขนแด็บฟันหนังเนเอ็นกระดูกไปอันนี้ก็เป็นการใช้ใช้การท่องเพื่อเป็นการเจรางสติส โ, อโอเคหมดแล้วนะอเคเวลาก็หมดเกินมาพอสมควรแต่ก็ไม่เป็นไรยินดีถ้าทุกคนยังอยู่ยังฟังอยู่ต่องกันก็้อโอเค ก็คิดว่าสมควรก่เวลาสำหรับวันนี้ก็ขอให้ท่านจงนำมาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปเพิ่มพิจรารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความจเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเธอ